ฮโล l o ก็ขอกล่าวสวัสดีเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้อาจจะรถติดมากเป็นพิเศษนะฮะบ่งกีผมก็กะเวลามาถึงผิดไปห้านาทีก็สำหรับย0ยี่สิบคนแรกนะอย่างที่เราคุยกันไว้ก็คือว่าเราจะ เป็นคิวถามตอบกันยี่สิบคนนะครับทั้งหมดที่เหลือก็คงต้องขอภัยด้วยนะฮะมาในฐานะผู้สังเกตการยังมีที่ที่เหลือยังไม่ได้มาแต่เราจะเริ่มกันเลยเพราะว่ายี่สิบคนนี้มัน เ, เป็นยี่สิบคนที่จะได้ถามนะครับเอาละก่อนก่อนอื่นเนี่ยเริ่มต้นเรามาจูน นะคืออยู่ๆถามตอบเลยบางทีมันไม่มีเนื้อหามันไม่มี point ว่าจะคุยกันเรื่องอะไรที่ชัดเจนนะผมก็เลยเริ่มต้นด้วยการนะนำนั่งสมาธิเพื่อที่จะให้ได้ฝึกอาณาปานสติแบบที่พระพุทธเจ้าสอนร่วมกันนะเมื่อเราได้ทำอาณาปานสติมันก็คือการได้เจริญสติ แบบหลับตานะตั้งต้นแบบง่ายๆกันก่อนให้เห็นว่าอะไรที่มันเที่ยงอะไรที่มันไม่เที่ยงอะไรที่มันเป็นตัวตนอะไรที่มันไม่เป็นตัวตนเมื่อได้จูนนะความรู้สึกความนึกคิดรวมทั้งกระแสะจิตเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเวลาถามเวลาตอบเนี่ยกระแสะของใจกระแสะของความรู้สึกหรือว่า อวิธีสื่อสารเนี่ยมันจะเหมือนกันอยู่ในคลื่นเดียวกันอยู่ในย่านเดียวกันมีความเข้าอกเข้าใจแบบเดียวกันแบบที่พระพุทธเจ้าท่านอยากจะให้เรารู้อยากจะให้เราเห็นถ้าหากว่าอยู่ๆถามตอบเลยบางคนก็ต่างคนต่างคิดบางคนก็นะออาจจะมีข้อสงสัยหรือว่ามีพื้นเพย์แบ็กกลาวอะไรต่างกันเนะี่ยมันมันจะปนกันพันกันมั่วไปหมดแล้วก็เอแต่ละคนเนี่ยพอถามไปแล้วก็ คนอื่นแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีการจูนให้ตรงกันซะก่อนคลื่นมันเหมือนกันอยู่คนละความถี่กันนะคลื่นวิทยุถ้าหากว่ามันอยู่คนละย่านกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้คล้ายๆแบบเดียวกันนะจิตเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นนะว่ามันมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันแต่เราจะรู้สึกได้เวลาที่คุยกับใครแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยคุยแล้วเข้าใจกันง่าย คุยแล้วรู้สึกว่าเฟรนดลี่เหลือเกินมีความรู้สึกว่าเออเรากับเป็นญาติกันมานะแต่บางคนเนี่ยคุยกันกี่ปีกีป่ปีมันก็เหมือนกับมีกําแพงขวางกาแพงอะไรบางอย่างที่มันเป็นคลื่นรบกวนมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันรู้สึกได้ด้วยใจว่ามีอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เหมือนกันเรามากำจัดเอาคลื่นหรือว่าม่านหมอกที่เป็นกําแพงปิดกั้นหรือว่าบทบังไม่ให้เรามองเห็นกันนะ พอเราสามารถที่จะเห็นสิ่งเดียวกันได้คือความไม่เที่ยงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเหมือนๆกันนะฮะเริ่มต้นขึ้นมาเวลาคนเรานั่งสมาธิเนี่ยนะโดยสัญชาตญาณเนี่ยมันจะเพ่งอยู่กับอะไรอย่างหนึง่งนะด้วยความเข้าใจผิ ด, ผดว่าการเพ่งในหน้าจุดแคบๆตรงนั้นเนี่ย ก่อให้เกิดสมาธินะอย่างเช่นพอหลับตาลงไปว่าจะจ้องลมหายใจหรือว่าไปบริกรรมพุทธโธหรือบริกรรมคำอะไรก็แล้วแต่ที่ยึดไว้ประจาใจเสร็จแล้วไออาการเพ่งแบบคั บ, คบแคบนั้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกอึดอัดก่อตัวมากขึ้นมากขึ้นนะสะสมไปตามนาทีตามชั่วโมงที่ผ่านไป สุดท้ายพอออกจากสมาธิรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกว่าไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ความนิ่งไม่ได้ความสงบไม่ได้ความรู้สึกปิติสุขอะไรแบบที่เขาว่าว่ากันมีแต่ความรู้สึกเหนื่อยอ่อนหรือกระทั่งมีความเคร่งเครียดนะอันนี้ก็เป็นเพราะว่านั่งสมาธิผิดมุมมองตั้งมุมมองไว้ผิดตั้งแต่เริ่มทีนี้เรามาก่อนที่จะมาถึงอาณาปานสติเนี่ยผมก็จะให้ เคลียไอ้จุดที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางสมาธิซะก่อนนั่นคือความเป็นร่างกายและความเป็นจิตใจนะที่มันจับมันวางมันเพ่งอยู่กับอะไรที่มันผิ ด, ผด เริ่มต้นขึ้นมาเรานั่งอยู่กับเก้าอี้อย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งขัดสมาธิไม่ต้องไปพยายามที่จะดัดท่าทางให้มันผิดปกติอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเวลาที่เรานั่งอยู่กับเก้าอี้อย่างนี้เนี่ยนะมันจะเหมือนกับเป็นอริยาบทปกติด้วยซ้ําเพราะว่าคนเราเนี่ยมักจะนั่งอยู่บนเก้าอี้กันเป็นเป็นส่วนเป็นส่วนใหญ่นะฮะในแต่ละวันเนี่ยเราจะนั่งอยู่ที่บ้านก็ตามนั่งอยู่ที่ทํางานก็ตามมันจะอยู่ในอิเร่บทซึ่ง นะมีเก้าอี้รองรับอยู่เพราะฉะนั้นถ้านั่งแบบนี้เนี่ยมันใช้ได้ทุกสถานที่ทุกเวลาที่เราหาเก้าอี้ได้นะไม่จำเป็นต้องไปพยายามดัดพยายามฝืนโดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่เริ่มสูงวัยนะครับบางทีการนั่งขัดสมาธ หรือที่เรียกว่าขัดสมาธิเพชรเนี่ยมันลำบากเป็นความลําบากแก่กายนะฮะก็าอาจจะมาเริ่มต้นด้วยการนั่งเก้าอี้ได้นะเมื่อทําสมาธิไปจนกระทั่งเกิดความรู้สึกปิติเกิดความรู้สึกสุขนะจนกระทั่งในความกัดแกงของร่างกายเนี่ยมันสงบระ ง, งับลงอันนั้นค่อยไปนั่งสมาธิ แบบที่เรียกว่าขัดสมาธิเพชรนะมันยังไม่สายมันจะรู้สึกว่าเออขัดสมขัดสมาธิเพชรแล้วไม่เมื่อยไม่ขบนะอันนี้ก็เป็นเพราะว่ามีปิติไปหล่อเลี้ยงนะถ้าทางกายถ้าทางกายก็บอกว่ามีสารเอ็นดรฟินหลังมันทำให้ให้ร่างกายเนี่ยเกิดความ อ่อนยุ่นนะกล้ามเนื้อมันไม่เกรง็งมันไม่รัดมันมีความผ่อนคลายมันถึงได้สบายถึงแม้ว่าจะนั่งต่อเนื่องกันนานๆเป็นชั่วโมงก็ตามอันนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นเรามาเริ่มต้นจากเบสิกกันก่อนเริ่มต้นจากการที่เราวางเท้าราบกับพื้นนะแล้วก็วางมือราบกับหน้าตักขอตั้งหลังตรงนะการรู้สึกถึงหลังตรงเนี่ยมีส่วนสําคัญมีส่วนช่วย ให้เกิดความรู้สึกถึงร่างกายเกิดความรู้สึกถึงความมีอยู่ของอิริยาบทนั่งนะถ้าหากว่าเราไม่สามารถรู้สึกถึงอิริยาบทนั่งได้เนี่ยบางทีมันลําบากที่จะจับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นตัวตั้งในการเริ่มต้นเจริญสติทำสมาธิแบบอาณาปานาสติที่พระพุทธเจ้าสอนนะถ้าหากว่าเราสํารวจลงไปที่ฝ่าเท้ารู้สึกว่ามันยัง เกร็งอยู่มันยังงออยู่นะก็แหวราบซนะทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนสลวยนะคือเกิดความรู้สึกผ่อนพักสบายที่ฝ่าเท้าเนี่ยไอความรู้สึกผ่อนพักที่ฝ่าเท้าเนี่ยตรงนั้นมันเริ่มมีสติเข้ามาที่กายแล้วนะแทนที่จะต้องเพ่งจุดใดจุดหนึ่งหรือว่าแทนที่จะต้องบริกรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแบบเคร่งเครียด เราแค่สำรวจฝ่าเท้าแล้วผ่อนคลายออกไปนี่ตรงนี้เข้ามาที่กายแล้วนะสติมันอยู่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อยแล้วพ อ, อรู้สึกถึงความสบายที่ฝ่าเท้านะก็มารู้สึกถึงความสบายที่ฝ่ามือถ้าหากฝ่ามือยังกำรรยังเกรงนะหรือว่ามีอาการผิดปกติอย่างใดๆเนี่ยเราก็แค่วางฝ่ามือราบกับหน้าตักนะให้เกิดความรู้สึกว่าเออนี่ยวางจริงๆ วางเนี่ยอาการวางเนี่ยนะคนมักจะเปรียบเทียบกับเอาฝ่ามือมาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของการวางเพราะว่าเวลากรรมเนี่ยมันมีมือนี่แหละที่กรรมมากที่สุดนะมีมือนี่แหละเป็นสั ญ, ญลักษณ์ทางใจที่ไม่ยอมปล่อยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้สึกถึงฝ่ามือที่วางราบสบายตรงนี้มันเกิดความรู้สึกเหมือนปล่อยเหมือนวางขึ้นมาตรงที่ฝ่าเท้ากับฝ่ามือมันมีความผ่อนพักสบาย คุณจะรู้สึกว่างๆขึ้นมาว่างที่ฝ่าเท้าว่างที่ฝ่ามือนะมันเป็นการสั่งสมความว่างขึ้นมานะไล่ขึ้นมาถึงใบหน้าลองสำรวจสังเกตดูว่าหัวคิ้วยังขมวดอยู่ไหมนะหรือว่าขมับยังตึงอยู่ไหมต้นคอยังเกรงอยู่ไหมถ้าหากว่ารู้สึกถึงอาการเกรงอาการตึงหรือว่าการทำงานของมัดเนื้อแบบแบบไหนนะหรือว่าจุดใดเนี่ยเราก็ แค่รู้ไปมันจะคลายออกมาเองเหมือนกับที่เราสำรวจฝ่ามือเนี่ยถ้าหากว่าเห็นว่ามันกำอยู่เราแค่แบมันออกไปวางระดับมันในอาการปล่อยวางแบบเดียวกันนะแอกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็เป็นแบบนั้นฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อสำรวจสังเกตทั้งฝ่าเท้ฝาฝ่ามือแล้วก็ทั่วทั้งใบหน้าแล้วว่ามันผ่อนคลายจริงคุณจะเกิดความรู้สึกสบายทั่วทั้งตัวขึ้นมา อันเพราะว่าสามจุดเนี่ยเป็นสามจุดสําคัญที่สุดนะที่รวบรวมเอามัดเนื้ออื่นๆในร่างกายไว้ถ้าหากว่าสามจุดนี้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันก็สบายตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของร่างกายตรงความรู้สึกว่าร่างกายไม่กำไม่เกรง็งตรงนั้นแหละที่นะร่างกายสภาพของร่างกายเนี่ยอยู่ในสภาพอ่อนควรที่จะเริ่มฝึกอาณาปานสติแล้ว นี่ที่ไล่ตั้งแต่เท้ามือมาจนถึงใบหน้ายังไม่ได้เข้าการฝึกอาณาปานสตินะอาณาปานสติเริ่มต้นตอนที่ร่างกายมันเหมือนจะพร้อมแล้วนี่แหละอหากว่าใครรู้สึกถึงอาการฟุ้งซ่านรู้สึกถึงอาการเกรง็งรู้สึกถึงอาการไม่พร้อมก็กลับไปไล่สำรวจใหม่ไม่ต้องพยายามบังคับจิตใจตัวเองให้สงบไม่ต้องพยายามสั่งตัวเองให้มีสติ แค่สำรวจสังเกตไปฝ่าเท้ามันยังเกร็งอยู่ไหมฝ่ามือยังกำอยู่ไหมใบหน้าส่วนใดส่วนหนึ่งมันยังมีอาการขมวดยังมีอาการตึงอยู่ไหมนค่สำรวจสังเกตมาเท่านี้เนี่ยนะสติมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อยเอาละพอมาอยู่กับเนื้อกับตัวเรียบร้อยร่างกายนะขอตั้งหลังตรงมีความรู้สึกผ่อนคลายสบายอยู่ในอาการพักทั้งตัวแบบนี้เราแค่สำรวจสังเกตต่อไปเหมือนถามตัวเองเนี่ยจังหวะนี้ ร่างกายมีความต้องการลมหายใจเข้าไหมไม่ใช่ไปรีบร้อนไม่ใช่ไปพยายามบังคับดึงเอาลมหายใจเข้ามาทั้งๆ ท, ที่ร่างกายมันยังไม่ได้เรียกร้องเพราะว่าอาการที่รีบร้อนดึงเข้ามาหรือบังคับให้มันเวิ่งเข้ามาเนี่ยนะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นภาวะที่เกิดจากความอยากอยากจะสงบอยากจะทำสมาธิอยากจะให้มีสติไอ้ความอยากเนี่ยมันทําให้เกิด การบดบังมันไม่ใช่เกิดการเปิดเผยนะสังเกต ด, ดูที่อาการทางใจเนี่ยอยากเมื่อไหร่มันรู้สึกมืดๆทึบๆเมื่อนั้นมันรู้สึกถึงอาการกระวนกระวายเมื่อนั้นมันรู้สึกร้อนๆมันรู้สึกว่าไม่สงบไม่เย็นเนี่ยอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าต้นเหตุของความทุกข์มันก็มาจากอาการลิ้นรนทยานอยากของใจนี่แหละถ้าหากว่าเราดูลมโดยไม่อาศัยความอยาก เป็นเครื่องดูแต่อาศัยความรู้รู้ว่าอะไรรู้ว่าร่างกายถึงจังหวะที่จะต้องดึงลมหายใจเข้ามาแล้วหรื อ, อยังถ้าหากว่าถึงจังหวะที่ร่างกายมันควรจะดึงลมเข้ามาเราจะรู้สึกเหมือนขาดเหมือนร่างกายมันหิวหิวลมหายใจนะฮะตรงนั้นเราเค่อยลากเข้ามาช้าๆสบายๆ ออกเข้ามาจนสุดเรารู้สึกถึงความอึดอัดทางกายนะแล้วก็ปล่อยพ่นลมหายใจระบายออกไปสบายๆเช่นกันเข้ามาแค่ไหนออกไปแค่นั้นเมื่อ ล, ลมหายใจหยุดสิ้นสุดที่ตรงไหนนะอย่าเพิ่งรีบร้อนดึงลมเข้ามาทันทีให้สังเกตดูว่าร่างกายเนี่ยตามจริงแล้วอยากจะได้ลมหายใจเข้ามาแล้วหรือยังถ้าหากว่ายังไม่ได้ไม่ไม่ได้มีความต้องการลมหายใจเข้ามา เราก็ปล่อยให้มันนั่งนิ่งๆสบายๆนั่นแหละเราจะพบว่าตอนที่เราตั้งกายไม่ดึงลมเข้าไม่ระบายลมออกมันก็มีสติไปอีกแบบหนึง่งมีความรู้สึกเหมือนปร่องเหมือนเบาเหมือนนิ่งเหมือนสงบสงบจากอาการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนะมันจะอยู่ในอาการไม่ไหวติง่งอยู่พักหนึ่งอาการที่นะิ่งไม่ไหวติ่งอยู่พักหนึ่งเนี่ยนะมันทําให้เราสามารถตั้งหลัก รู้ตอไปได้ว่าร่างกายถึงเวลาที่จะลากลมหายใจเข้ามาแล้วหรือยังถ้าหากว่าถึงเวลาแล้วเราก็ลากเข้ามาตามอาการของร่างกายนะไม่ใช่ตามความอยากของจิตใจนี่พอเรารู้อยู่อย่างนี้นะเห็นว่าลมหายใจเดี๋ยวก็ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าผ่านออกไปเนะี่ยมันจะเกิดความรู้สึกสงบขึ้นมาสงบอย่างผู้รู้สงบอย่างผู้ดูว่าลมหายใจ มันแสดงความไม่เที่ยงอยู่นะเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกแะบางทีนะเราลากเข้ายาวๆสองสามครั้งมันเกิดความรู้สึกอึดอัดครั้งต่อๆไปนะระลอกลมหายใจที่ต้องการมันก็สั้นลงเนี่ตรงนี้มันก็เริ่มแสดงความไม่เที่ยงนะของลมหายใจยาวและลมหายใจสั้นพอสั้นไปหลายๆครั้งเข้าบางทีมันเกิดความรู้สึกหิวหิวมากขึ้นนะเราก็ลากลมหายใจยาวขึ้น ไอ้นี่อาการมันเป็นอย่างนี้เป็นอาการของธรรมชาติไม่ใช่อาการตามใจอยากแต่เป็นความรู้สึกว่าเออนี่ธรรมชาติเขาบอกอย่างนี้เขาเป็นไปอย่างนี้แล้วเรามีหน้าที่แค่เฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่เฉยๆจิตมันก็เกิดภาวะหนึ่งขึ้นมาภาวะรู้อยู่เฉยๆไม่ใช่รู้แบบเฉยชานะรู้แบบตื่นรู้แบบมีความสว่างเข็นความจริงว่าร่างกายนี้ยังต้องพึ่งพาลมหายใจอยู่ ตลอดเวลาถึงเวลาที่ลมเข้าเราก็เห็นว่าลมเข้าถึงเวลาที่ลมออกเราก็เห็นว่าลมออกถ้าหากว่าใครเกิดความรู้สึกว่าฟุ้งซ่านเกิดความเกร็งขึ้นมาใหม่แล้วก็สํารวจสังเกตไล่ขึ้นมาจากป่าเท้าป่ามือแล้วก็ใบหน้านะมันก็จะกลับเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนเดิมเหมือนตอนเริ่มทําบ่อยเท่าที่มันจําเป็น ทำบ่อยเท่าที่เราจะเห็นนะความผุ้งสร้างหรือว่าความเกรง็งความกำอาการขมวดอาการตึงเราเห็นอาการอะไรก็แล้วแต่ที่มันปรากฏอยู่กับร่างกายที่มันเป็นอาการผิดปกติไปจากภาวะพร้อมทําสมาธิเนี่ยเราก็ไล่สารวจสังเกตมาเลยตั้งแต่ฝ่าเท้านะขึ้นมาฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าพอเราเห็นถึง ความไม่เที่ยงของลมหายใจนะสิ่งที่มันจะได้ขึ้นมาเป็นตัวตั้งเป็นหลักตั้งของการเจริญปติก็คือจิตจิตที่มันว่างจากอุปทานเป็นแวบๆบแบบนะถึงแม้ว่าจะทำเป็นครั้งแรกแต่หากทำถูกทางทำได้อย่างตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านตั้งเข็มทิตไว้ให้นะเราก็จะรู้สึกขึ้นมาอย่างน้อยชั่วแว บ, บหนึ่งชั่วขณะหนึ่งที่จิตมันนิ่งมันมีความสว่างมันมีความสงบมันมีความสบายพร้อมรู้ พร้อมที่จะตื่นมันจะเห็นว่าเออที่ลมหายใจทั้งเข้าทั้งออกมันเป็นแค่กลองลมที่ถูกรู้ถูกดูโดยความนิ่งความสว่างของจิตมันจะเริ่มแยกได้นะว่าไอ้ที่เคยรู้สึกว่าเป็นลมหายใจของเราเนี่ยที่แท้มันแค่ลมชั่วคราวนะที่ผ่านมาชั่วคราว ผ่านข้าวผ่านออกชุดหนึ่งมันเป็นคนละชุดกันตลอดชีวิตเลยแต่เราเข้าใจว่าเป็นลมหายใจของเรามาตลอดว่าเพราะว่าความเข้าใจผิดหลงเข้าใจไปสำคัญไปว่าอะไรอะไรที่เนื่องด้วยกายนี้มันคือตัวเราทั้งสิน้นต่อเมื่อมาฝึกดูฝึกรู้เห็นความจริงอยู่อย่างนี้นะมันก็จะเกิดความมันก็จะเกิดมุมมองใหม่เกิดการรับรู้ใหม่ว่าลมหายใจเนี่ยไม่ใช่นะ มันเป็นแค่ธาดลมมันมีแค่ภาวะพัดไหวพัดเข้าพัดออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นแล้วจิตผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีมโนภาพไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวมันเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงมีชื่อเรียกว่าอะไรนามสกุลว่าอะไรมันมีแต่ภาวะรู้ว่างๆอยู่ในความว่างในความรู้นั้นเนี่ยไม่ใช่ความว่างความรู้แบบเปล่าประโยชน์ แต่เป็นความว่างความรู้ที่เป็นพุธทธิปัญญาคือมันสลัดมันกระเทาะเอาอุปทานออกไปว่านี่คือฉันนี่คือตัวเรานี่คือกายของเราแถ้าหากว่าใครสามารถนั่งสมาธิแบบอาณาปานสติอย่างนี้ได้นะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะสามารถใช้เป็นตัวตั้งใช้เป็นหลักสังเกตนะในชีวิตประจํำวันต่อไปได้ด้วย อั่นละรครับเดี๋ยวหลายคนอันนี้มันช่วงเย็นนะเนาะก็เหนื่อยเอวันนี้วันเสาร์บางคนก็อาจจะทํางานบางคนก็อาจจะอยู่กับบ้านนะเรามาเริ่มกันเลย ก, ลก็นละกันอ่าเริ่มจากคนแรกเลยครับเชิญนะครับเคยมาหรือเปล่าเอยมาเมื่อวานค่ะค่ะแต่นั่งข้างหลังใช่ไหมมานั่งข้างหน้าคะ่ะแต่มาทีหลังอ๋อโอเคอเค่ะ ก็อยากจะถามว่าอ่ากาบสวัสดีพี่ตุนนะคะแล้วก็อยากถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยทําถูกไหมพยายามจะทําแต่ไม่ไม่ทราบว่าถูกหรือผิดคื อ, อรตรงที่เรากังวล น, นั่นแหละมันทําให้เกิดความพยายามนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราก็พยายามให้มันดีเห็นไห ม, มลักษณะความพยายามเนี่ยคือโอเคเราพยายามทําความเข้าใจก็จริงนะแต่ตัวความพยายามนั่นแหละบางทีมันมาบล็อกความเข้าใจไว้คือเวลาฟังพี่พูดเนี่ยมันฟังได้แค่ สักประมาณเจ็ดสิเอร์ซนอีกสามสิบเอร์เซ็นเนี่ยมันมันอยู่กับความพยายามระวังไม่ให้จิตเราเนี่ยมันบอกแวกไม่ให้ไม่ให้ใจเราเนี่ยมันเออกนอกเส้นทางนะซึ่งของน้องเนี่ยมันจะต้องพยายามอย่างนี้มานานแล้วล่ะเพราะว่าเราเรารู้ตัวนะว่าใจของเราเนี่ยคือมันตามใจตัวเองมานานนะมันมันมันชอบตามใจตัวเองแล้วก็ชอบให้คนอื่นตามใจเราด้วยนะมันก็เลยเหมือนกับ มีความรู้สึกว่าถ้าใจมันอยากแวบออกไปหรือใจมันอยากได้อะไรเนี่ยมันไปทันทีโดยที่ <c oughs> เราห้ามมันไม่ได้นี้อย่างพอเรามาฝึกสมาธิเนี่ยโดยความเข้าใจก็คือว่าเราต้องพยายามไม่ให้ใจมันวอกแวกออกไป <c oughs> มันก็เลยเหมือนมีอาการยื้อเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนเราฝึกเนี่ยเราจะรู้สึกถึงว่าเออฟังพี่พูดไปด้วยเราเราก็ตั้งใจฟังบางทีมันก็สบายสบาย บางทีมันก็เฮ้ยเดี๋ยวต้องเรียกสติกลับมา <ทะ S 1> อย่างเงี้ยนะซึ่งอาการยื้อตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยมันทําให้เรารู้สึกไม่มีความสุขแหละมันมันไม่ปลอดโปร่งนะต่อไปเนี่ยพอมีอาการยือ้อลองสังเกตดูมันมีความอึดอัดอยู่แค่ไหนถ้าไม่สังเกตเนี่ยเราจะปล่อยให้มันอึดอัดแต่ถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ยเห็นไหมที่มีความรู้สึกมันมันคลายออกมาจากความอึด อ, อัด อย่างนี้เราก็เป็นอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> เคยเคยสังเกตไหมพอ <c oughs> พอสังเกตความมึน อ, อันแล้วมัน <c oughs> จะไกลออกไปได้แต่บางทีมันลืมเพราะว่า <c oughs> พอทําอะไรอย่างหโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเราตั้งใจว่าจะทําสมาธิเนี่ยใจมันคิดถึงอาการของความสงบใจมันคิดถึงอาการของสติที่มันจะต้องอยู่กับเนื้อกับตัวไม่แวบออกไปไหนค <c oughs> นี่พอเราเอาใหม่นะ ออพอพอน้องรู้ตัวว่าใจมันแว บ, บออกไปแล้วมันของน้องมันไม่ใช่แค่แวบบมันจะเป็นอาการอยากคิดอยากคิดเรื่องอื่นอพอพอจะมองมองทบทวนไปแล้วนึกออกไหมว่าพี่พูดถึงอาการแบบไหนคือมันอยากคิดถึงเรื่องอื่นแล้วพยายามจะดึงกับอ่าแล้วทีนี้พอเราพยายามดึงเนี่ยอาการดึงตรงนั้นเนี่ยมัน มันเหมือนกับก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบคือมันมีความฝืนมันมีความหมึด น, นั่นถ้าเราไม่รู้สึกถึงอาการฝืนจะพยายามมาจับลมหายใจทันทีมันจะกลายเป็นความรู้สึกว่าฝืนตรงนั้นเนี่ยมันก่อตัวพอกพูนมากขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราสละเวลานิดหนึง่งมาดูไอ้ความฝืนนั่นเน่หน้าตามันเป็นไงมันจะรู้สึกเหมือนกับขืนๆมันมันจะรู้สึกเหมือนกับ เครียดอยู่ข้างในมันจะรู้สึกเหมือนมืดๆอยู่นหน่อยๆอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเรามองเห็นลักษณะอาการของอาการฝืนนั่นนะ่ะนะว่ามันมีหน้าตาเป็นอย่างไรอยู่ในใจของเราเนี่ยแค่นั้นมันจะคลายออกมาแล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนทางเปิดทางเปิดให้เรากลับเข้ามาเข้าลู่เข้าทางใหม่ไม่งั้นมันจะถูกบล็อกไว้นะเข้าใจพอยนะ แล้วบางครั้งเวลาแบบว่านั่งสมาธิแล้วก็จะเผลอรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นเพรา ะ, ะ, ะว่าเรายื้อไงคือพอยื้อแล้วมันเหนื่อยเข้าใจไหมอาการที่มันฝืนใจอ่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็ทนอึดอัดแล้วบอกตัวเองมันคล้ายๆสั่งตัวเองอ่ะต้องนั่งนะต้องนิ่งนะต้องสงบนะต้องอยู่ในสมาธินะต้องรู้นะเสร็จแล้วบางทีเราสั่งตัวเองนะบอกเออสักแต่รู้ไปสักแต่รู้ไปมันกลายเป็นท้องเป็นนกนกแก้วนกขุนทองอ เขาเข้าใจอาการของตัวเองไหมรู้รู้รู้รู้แต่มันมันอยู่ในอาการมืดมืดเนี่ยอยู่ในการบล็อกตัวเองมันไม่ใช่อาการรู้จริงๆไม่ใช่อาการยอมรับลองลองบอกตัวเองอ่ยนะยอมรับตามจริงไปเมื่อวานที่ฟังพี่พูดเนี่ยตรงตรงนี้เย็นไหมเย็นเย็นนะเย็นเย็นเย็นใช่ไหมไม่คือธรรมดานี่สบายใช่ไหมโอเค เอออันนี้มันไม่ได้สวิงอยู่อยเอ้ยสวิงเอ่อสวิงแล้วโอเคโอเคเดี๋ยว ก, กลัวคนจะร้อนนั่นแหละทีนี้อันนี้คือตอบคาถามแล้วนะอ่าแค่นี้เหรอโอเคอ่จาจา่จาจ่าดีแล้วดีแล้วอยากแล้วแนวทางที่ทํามาที่ปฏิบัติมาพยายามปฏิเสธแต่็คือคือของน้องเนี่ยนะอย่างที่พี่บอกพอทีมันอยู่ตรงนี้ว่าเราเนี่ย เคยตามใจตัวเองมามากแล้วช่วงนี้มันอยู่ในช่วงกลับเนื้อกลับตัวนะคือพยายามที่จะฝืนพยายามที่จะพยายามอ่ะเข้าใจคาว่าพยายามใช่ไมเออมันมันทีนี้มันมากเกินไปเพราะเราเนี่ยจริงๆ้วมาทางนี้ต้องการความสบายใจเพราะมันอึดอัดจใจมาเยอะแล้วนะนี้พอมาฝืนใจตัวเองเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกเหมือนกนัจะต้องออกแรง แล้วบางทีมันเหนื่อยแล้วก็บอกตัวเองว่ามันไม่มันไม่มไมสำเร็สักทีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นบางทีเนี่ยเหมือนก็เราก็รู้สึกว่าตัวเองมีสติดีขึ้นกว่าแต่ก่อนสามารถห้ามใจตัวเองได้มากกว่าแต่ก่อนแต่ว่ามันก็ยังไม่หายอึดอัดสักทีก็เพราะตรงนี้แหละพี่ก็เลยชี้พอที่มันเป็นี e ์จริงๆที่เราสำหรับการภาวนาของเราเนี่ยนะแต่ว่าตัว ตัวสติเนี่ยขอให้ดูด้วยว่าพอเรารู้สึกว่ามีสติอยู่เนี่ยมันเหนื่อยมันหนักไหมถ้าหากว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันหนักอยู่สังเกตสังเกตว่าความเหนื่อยหรือความหนักเนะี่ยมันเป็นเพียงส่วนเกินที่เกิดขึ้นมาที่ก่อตัวขึ้นมาชั่วขนาดหนึ่งที่เราเ อ, อ, อยู่ในการพยายามอะ่ะนะตรงนี้ท่องไม่เป็นคีย์เวิร์ดเลยคือไม่ใช่ว่าพี่ บอกว่าเอ้ยต่อไปอย่าพยายามอีกเลยนะไม่ใช่นะคือพยายามมันมีสองระดับระดับที่ตั้งหน้าตั้งตาทำแล้วรู้สึกเหนื่อยกับพยายามในแบบที่ว่าเออคอยระวังไม่ให้สังเกตไม่ให้จิตเนี่ยมันเลื่อนไหลเพลเจอร์เกินไปนะออการสังเกตเนี่ยมันออกแรงแค่นิดเดียวณนะจุดที่มันเกิดเหตุพอเราสังเกตแล้วเห็นมันก็จะรู้สึกถึงลักษณะไอ อย่างตอนนี้ที่บางทีเรายังกลับไปพยายามใช้ความพยายามอยู่เนี่ยแล้วเราสังเกตเห็นว่าหน้าตาความพยายามเนี่ยมันเหมือนกับทุ่มไปหนักเกินไปแบบขี่ช้างจับตะกแตนอะไรแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอาการคลายขึ้นมาลักษณะของความคลายเนี่ยแหละมันจะเป็นสภาวะที่มาให้เปรียบเทียบมาให้ดูว่ามันแตกต่างกันกันกบไอ้ความพยายามยังไงนะตรงนี้มันก็จะ เข้าลู่เข้าทางชัดเจนขึ้นน้องจะรู้สึกว่าเหนื่อยน้อยลงนะสว่างมากขึ้นที่ที่บางทีมืดเนี่ยมันไม่ใช่มืดเพราะว่าเรามีจิตอกุศลแต่มืดเพราะว่าจิตเราปิดอย่างถามง่ายๆเลยคือถามตัวเองง่ายๆเลยจากไอตอนที่พี่บอกว่าเราพยายามเรารู้สึกมันเหมือนโมมัวมลมลเงี้ออยแล้วพอเราเห็นความพยายามใ จ, ใจมันเปิดใจมันเผยออกมาเนี่ย รจะรู้สึกสว่างขึ้นคือไม่ใช่สว่างแบบแสงนีออนแต่ว่ามันมีความรู้สึกสบายโปร่งโล่งมากขึ้นเหมือนออกที่โล่งออกที่สว่างนั่นแหละเป็นจุดเปรียบเทียบได้ว่าลักษณะของจิตที่มันแตกต่างกันระหว่างมืดกับสว่างระหว่างพยายามมากเกินไปกับสังเกตพอดีพอดีมันเป็นยังไงนะโอเคจ้ะก็อยากจะถามคาถามที่หนึ่งที่เมื่อกี้ที่พี่ตุลนาปฏิบัติอะค่ะ ก็จะเห็นตัวเองหายใจแล้วก็จะวิ่งไปที่เสียงพี่แล้วก็จะมีภาพเหมือนฝันไปแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเปือแบบนี้จิตเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นสมาธิตั้งมั่นจริงนะมันจะอยู่กับที่แต่ของเราบางทีมันคือมีลักษณะของการกระโดดกระโดดจากอาการจับสิ่งหนึ่งไปหาอีกสิ่งหนึ่งค่อนข้างจะรวดเร็ว ของเราเนี่ยเป็นคนที่เนื่องจากว่าเวลาสนใจอะไรแล้วเนี่ยมันทุ่มมันมีมันมีนิสัยทางจิตอยู่ก็คือว่ า, ามันมันพุ่งเข้าชนเป้าอะ่ะนึกออกใช่ไหมว่าที่พี่พูดถึงตรงนี้เนี่ยอาการมันเป็นยังไงเหมือนกับเรายิงยิงอะไรออกจากนะยิงหนังสติก๊กอะไรแบบเนี้ยนะเพราะว่าเราเป็นโดยพื้น เป็นคนที่เรียกว่าโทสาจริตนะแต่ตอนนี้มันเบาลงมาเยอะล้วถือว่าเบาลงมามากแล้วแต่ก่อนเนี่ยคือจะเป็นพวกที่ว่าพอโกรธแล้วหน้ามืดนะมันจะรู้สึกเหมือนมืดหมดเลยแล้วก็มีแต่ไอ้เป้าตรงหน้าเนี่ยที่มันล็อกล็อกเราอยู่แล้วจิตเนี่ยมันก็จะพุ่งไปกระแทกหรือว่ากระทุ้งทําลายอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นจิตในลักษณะนี้เนี่ยเวลาที่มาฝึกสมาธิ มันก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะพอเแอบไปทิ้งเนี่ยมันไม่ใช่แค่แ่าไปเบาๆนะมันแอบไปแรงมันเหมือนโดนกระชากออกไปนี่วิธีเนี่ยมันของของน้องมันค่อยๆทํามาเรื่อยๆตามลําดับอยู่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันบางช่วงมันเบาบางลงมากเหมือนกับเออไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะมันเบามันเป็นอิสระแล้วก็ไม่มีอาการเหมือนพุ่งไปกระแทกอีกแต่ว่า บางครั้งอย่างเช่นเวลานั่งสมาธินะตั้งอกตั้งใจฟังพี่พูดแล้วสลับกับลมหายใจมันมันยังเหมือนกับยังกลับมาได้อีกนะถ้าหากว่าเป็นช่วงเริ่มต้นมันก็จะยากแต่ตอนนี้มันมันง่ายขึ้นแล้วน้องสามารถแค่สังเกตมีอาการกระชากหน้าตาของอาการกระชากเป็นยังไงมันมันจะเหมือนถูกดึงออกจากสิ่งหนึ่งไปหายสิ่งหนึ่งเหมือนกับกจิตมันเปลี่ยนที่อ่ะ น้องน้องนึกออกใช่ไหมมันคล้ายๆเรายืนอยู่ที่หนึ่งแล้วมันกระโจนออกไปอีกที่หนึ่งอย่างชัดเจนแค่เรารับรู้ว่ามันมีอาการเปลี่ยนที่จิตจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งบ่อยๆนะเห็นบ่อยๆเข้าเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาอีกแบบหนึง่งมันเหมือนมีตัวรู้รู้ว่าจิตมันเคยอยู่ที่หนึ่งแล้วมันจับที่ทหนึ่งแล้วมันกระโจนไปอีกที่หนึ่ง ให้ตัวนั้นน่ยที่มันจะอยู่นิ่งคือมันเคยเกิดประสบการณ์คล้ายๆอย่างนี้มาแล้วแหละแต่ว่าน้องไม่ได้จับสังเกตให้เอาตรงนี้เป็นหลักสําคัญจะหลับตาหรือลืมตาก็ตามนะคือเน้นย้ําที่ตรงนี้แล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากจุดที่เหมือนจะเข้าใจแค่นิดๆ น, นะพอเราเห็นบ่อยๆมันจะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นว่าไอ้ที่มันกระโดดไปเนี่ย มันคือลักษณะจิตแบบหนึ่งนะจิตที่จับอยู่กับสิ่งหนึ่งอย่างเช่นลมหายใจกระโดดไปจับอยู่กับสิ่งหนึ่งอย่างเช่นเสียงของพี่เนี่ยเนี่อย่างตอนเนี้มันก็ยังมีมีนิดๆหน่อยๆ น, นะมันมันไม่ได้สามารถที่จะอยู่กับที่ได้แต่อย่างเ น, นี่ยตอนเนี้ยสังเกตเห็นไหมคือคือถ้าเราทําเฉยๆทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันจะเหมือนมีอีกตัวหนึ่งที่รับฟังด้วยแล้วก็รู้อยู่กับท่านั่งของตัวเองด้วยนะ มันดูเหมือนกับเป็นอะไรง่ายๆเนี่ยแหละแต่ไอ้ง่ายๆแบบนี้ถ้าหากว่าเราไม่สร้างความเคยชินไว้มันจะยากมันยากตรงเปลี่ยนความเคยชินเนี่ยคือมนุษย์นะชีวิตทั้งชีวิตนะสิ่งที่ยากที่สุดคือเปลี่ยนความเคยชินมันไม่ใช่ยากอะไรอย่างอื่นแก้โจทย์เลขแก้อะไรเนี่ยมันจริงๆแล้วใช้เวลาเรียนรู้กันไม่นานแต่ว่าแก้ความเคยชินผิดๆเนี่ยบางทีมันใช้เวลาค่อนชีวิตถ้าหากว่าเราคลำหาทางหาทิศไม่เจอนะ เนี่ยอย่างพอพยักหน้าไปเนี่ยเราเราจะรู้สึกได้มันเหมือนมันเหมือนทุ่มไปที่ความคิดแหละแต่พอเรากลับมาอยู่กับท่านั่งนะหายใจลักทียงเรเอ อ, อ น, นั้นแรงเกินไปนะมันมันตั้งใจมากเกินไปมันมันกลายเป็นอาการกดดันตัวเองเห็นไหมวิธีวิธีที่เราจัดการกับตัวเองเนี่ยมันเป็นวิธีกดดันตัวเองให้อยู่ในสภาพเครียดให้อยู่ในสภาพเค้น ต่อไปควเห็นสภาพเครียดหรือสภาพเค้นคือไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปพยายามโอ้โหทำไ ง, ด, งดีมันถึงจะเลิกเครียดมันถึงจะเลิกเค้นเราแค่ยอมรับความจริงว่าความเครียดความเค้นมันกําลังปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาให้ดูหน้าที่เราเนี่ยเราแค่อุเบกขาแล้วก็ยอมรับมันของเราเนี่ยถ้าหากว่ามีตัวอุเบกขาได้กําลังมันจะเพิ่มขึ้นกว่านี้ไอเนี้ยที่กําลังบางทีมันเราจะรู้สึกได้ว่ามันแกว่กงไม่เสถียรเนเพราะว่า มันไม่มีอุเบกขานะมันมันมันมันคอยแต่จะกลับไปสู่ความเคยชินแบบเดิมๆที่กระโดดไปแล้วเนี่ยเราหาทางอยู่สองอย่างนะก็คือว่าบังคับให้มันรู้ทั้งสองอย่างหรือไม่ก็สับสนคือเข้าไปหมกอยู่กับอาการสับสนนะ ต่อได้ไหมคะคือแล้วก็คือมาปรับกับชีวิตประจาวันเพราะบางทีก็จะอยู่ในเรื่องดีางคิดอดีตทำให้ใจบ้างตอนนี้ก็เป็นยบางทีก็เปลี่ยนสดวลเพื่อปับช่วงนั้นไปได้ไม่นันก็ปกมเานะคะต้องพยยามสได้คือสับไปสับมาเนี่ยได้แต่น้องต้องดูว่าไอ ความรู้สึกเนี่ยมันมันกระโดดไปกระโดดมาเร็วเกินไปหรือเปล่าถ้าหากว่าสับไปสับมาเนี่ยในแต่ละครั้งที่สับเนี่ยมีเวลามีช่วงเวลานานพอสมควรอย่างนั้นโอเคจะ่ส่วนโมญยาอะไรเนี่ยเราเราจะตั้งใจทําอะไรก็แล้วแต่บอกตัวเองว่าให้เวลามันให้เวลามันเต็มที่ของน้องเนี่ยกังวลไงพอให้เวลากับอย่างหนึ่งไม่ได้ทำตรงนั้นละอ่า มันมันเหมือนเนี่ยเราไม่รับผิดชอบตรงนั้นหรือปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยตรงนั้นปล่อยงานตรงนั้นมานะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดวงจรแบบเดิมๆนะคือกระโดดไปกระโดดกระโดดมานะไม่เลิกนั่นเองแล้วการนะดูกระโดดจริงๆดูไปเพื่ออะไระคะเพื่อสร้างอุบเบกดูอาการกระโดดเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่าตัวกระโดดเนี่ยที่มันจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่สิ่งที่เ อ, อ อถูกสติรู้ได้คือถ้าเรามีสติอตัวสตินั้นเนี่ยมันจะมีความตั้งมั่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นตัวที่สา ม, มเป็นเป็นผู้สังเกตการ<ม>เป็นคนออฟเซิร์ฟเฉยๆไม่กระโดดโลดเต้นซะเองแล้วมันมันจะรู้สึกขึ้นมาเนี่ยพอฝึกบ่อยๆทีละครั้งที่เราหดเนี่ยนะมันจะนิ่งขึ้นเรื่อยๆตัวสติเนี่ยอตัวสตินั้นนไมันไม่ใช่จิตที่ ก็มีอาการกระโดดไปกระโดดมาแต่เป็นอีกภาคหนึ่งของจิตที่มันรับรู้ตัวเองคือจิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นดวงแบบที่คนเข้าใจกันมันเป็นสภาพธรรมเป็นธาตุธรรมที่พิเศษที่สุดในธรรมชาติก็คือว่ามันมีภาวะรู้แต่ทีนี้ภาวะรู้นี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ส่วนเดียวของจิต มันยังมีอาการเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างมีอาการกระโดดไปจับโน่นจับนี่บ้างเดี๋ยวก็กลายเป็นการเห็นเดี๋ยวก็กลายเป็นการได้ยินบ้างนะมันมีสารพัดอาการแต่ว่าอาการที่เราต้องการใช้ฝึกเจริญสติก็คือตัวสตินั่นแหละคำว่าสติหมายความว่ามีความสามารถในการระลึกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นเราเห็นว่าจิตกำลังกระโดดอยู่นี่ก็คือสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้น และตัวสติเป็นผู้รู้ว่านี่ภาวะนี้มันกำลังปรากฏอยู่เท่านั้นเองนะก็สวดสวดมนต์แล้วก็บอกคุณแม่ว่าเออเวลาสวดเนี่ยหวังว่าเราจะออได้ยินแก้วเสียงของตัวเองนะเป็นพุทธบูชานะ เป็นพุทธบูชาเพื่อจะมีความสุขอยู่กับตัวเองเท่านั้นพอนะไม่ต้องหวังอย่างอื่นไม่ต้องอธิษฐานอะไรทั้งสิ้นแล้วมันจะได้ผลจะได้อานิสงสง์สูงสุดนั่นคือจิตที่มันมีความสว่างจิตที่มันมีความเบิกบานติดตัวอยู่ตลอดเวลาการจะไปหวังผลข้างหน้าการจะไปกะเกณฑ์ว่าสวดมนต์แล้วจะได้อะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อความสูญเปล่านะแทนที่มันจะได้สิ่งที่ดีที่สุดแก้วที่มีาที่สุดไว้ติดตัวเนี่ย มันกลายเป็นหวังน้ำบ่อดหน้าจะไปเอาแก้วข้างหน้านะโอเคจ้านนองป่วยใช่ไหมค่ ะ, อะขอคำแนะนำเรื่องปฏิบัตินะคะหลังฟุง้งฟุ้งเยอะมากแล้วก็ต อ, อนนี้จบยังต่ออีกสองปีค่ะเฉพาะทางเหรอก็หลังๆคือมีช่วงที่แบบหยุดเดินไปเลยนะคะเพราะว่า สูดว่าเดินแล้วมันก็เดินไม่ได้แต่ว่าคือคือตกรอนที่พี่ให้วิ่งก็คือวิ่งแต่ว่าพอมันมันไม่ได้ตลอดทุกวันจริงบางทีแบบงานมันอมันก็ขี้เกียจด้วยบนบนนั่นแหละพูดคําเนี้ยสรุปเนี่ยขี้เกียจเนี่ยมันมันจะได้แบบประหยัดคําไม่ได้หลายสิบคํานะอ่าคือจริงๆแล้วที่ผ่านมามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมันมันปรุงไม่กับงาน แต่ว่าเราระหว่างทํางานเนี่ยมันมันยังดูตัวปุ้งอยู่บ้างเวลาที่เกิดความปุ้งหนักๆขึ้นมาเราคล้ายๆเอกใจขึ้นมาว่าเออตอนนี้มันปุ้งหนักนะบางทีมันมันไม่ได้รู้สึกว่านี่เป็นการเจริญสติแต่มันก็เป็นความเคยชินนั่นแหละที่จะเห็นว่าเออหน้าตาความปุ้งสั้นมันกําลังปรากฏเป็นอะไรยุ่งๆอยู่ในหัวมันมันดูเป็นแวบๆอะมันไม่ได้ถึงกระทิ้งไปทีเดียวเคยรู้สึกไหม ว่าเรารู้สึกเนี่ตอนนี้มันมันกำลังปุ้งปุ้งยุ่งยุ่งเขียนเป็นก้อนๆรู้สึกใช่ไหมเออนั่นแหละก็เรียกว่ามีสติชักแว บ, บหนึ่งนะการมีสติแวบบหนึ่งมันอาจจะดูไร้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดมีหลายๆแวบบคือพูดง่ายๆไปปลูกฝังความเคยชินซะใหม่คือไม่ใช่แค่ดูแค่ครั้งสองครั้งแล้วเลิกนะไอ้ที่มันจิตจิไอ้ที่มันนึกว่านิดๆ น, น, นั่นน่ะ ถ้าหากว่าสะสมกันวันละเป็นร้อยเป็นพันครั้งแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสติอย่างใหญ่ขึ้นมาได้ราะรฐานของจิตเราดีอยู่แล้ว เ, เหมือนกับช่วงหลังๆอาจจะเป็นเรื่องกิเลสกิเลสนะเข้ามาอะไรที่มันทำให้ใจมันเขวเควไปในทางสุขเขวไปในทางที่มันจะน่าติดใจอะไรทั้งหลายเนี่ย มันมันก็เหมือนเราจะรู้สึกเนี่ยแต่ก่อนนะจิตมันมันตรงเช้งนะแต่ตอนเนี้ยมันบางทีมันม่วมวมันมันเลือเล่อนเือนนะตามอาการที่ความสุขภายนอกมันมาล่อใจนี้ถ้าเราดูเราดูออกแม้กระทั่งว่าเออตอนที่มีความสุขมีอาการเหมือนกับจะ มียังเหนียวยึดติดนะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหน้าตาของจิตมันเป็นยังไงมันมันเหมือน ย, ย้อยมันเหมือนมันเหมือนไอหนังหนังสติ๊กที่มันยืดยานออกไปอะไรแบบเนี้ยนะเราดูให้เห็นเป็นครั้งครั้งไปเนี่ยมันก็จะไม่เผลอไปทีเดียวนี้บางทีเนี่ยเราพอใจไงที่จะปล่อยให้มันเผลอไปทีไปทั้งหมดนะมันก็เลยไม่เหลือสติเลยนี่พอเหมือนกับเราปล่อย อหลายๆครั้งเข้าเนี่ยมันกลายเป็นเลื่อนชินที่จะชินที่จะปล่อยให้มันเลือนนั่นก็จะรู้สึกว่ามันกลับมายากที่มันกลับมายากก็เพราะว่าเนี่ยอความพอใจสิ่งที่นะชีวิตเป็นไปอะไรมันมันมันเหมือนกับแตกต่างชีวิตมันมันคล้ายๆข้ามเส้นอะไรมาเส้นหนึ่งด้วยที่แต่ก่อนเรารู้สึกเหมือนแห้งๆแรงๆตอนนี้มันมันดูเหมือนกับมี ความแตกต่างไปอะ่ะมันไม่ได้แห้งแรงเหมือนแต่ก่อนคือมันมันมีความมันมีความติดใจแบบโลงโลกที่เข้ามาความแห้งแรงคือไม่รู้จะติดใจอะไรดีมันมันดูเหมือนไม่มีไปหมดตอนนี้คือผู้คนรอบข้างก็ดูต่างไปนะแล้วก็ไอ้แม้แต่ความรู้สึกว่าเออเรามีความสุขอยู่กับธรรมะมันก็มี ส่วนมีอิทธิพลที่ปรุงแต่งใจของเราให้เกิดความรู้สึกว่าเออเราสบายอยู่แล้วพอไอตัวความรู้สึกสบายอยู่แล้วเนี่ยมันมีมากมากหมายถึงว่าตอนที่บ้างจากงานอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันก็ทำให้ขี้เกียจที่จะไปทำอะไรให้มันดีขึ้นไอตัวที่เหมือนกับตั้งหน้าตั้งตาเหมือนแต่ก่อนมันน้อยลง นี้แทนที่เราจะปล่อยให้มันเลยตามเลยเนี่ยก็อย่างที่พี่ว่าคือพอรู้สึกถึงความพุงสร้างที่มันขมวดก็ามาในหัวที่มันเป็นเหมือนก้อนๆ อ, อะไรยุ่งๆอยู่ในหัวเนี่ยคือแค่รู้มันนิดนึงว่าเออหน้าตาของความพุงสร้างเป็นก้อนๆมันเป็นแบบนี้นะแล้วรู้บ่อยๆคือพอเราสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างอาการปุง้งกับอาการที่มันคลายออกมาบ้าง แค่ครั้งสองครั้งเนี่ยขอให้มันเป็นชนวนเริ่มต้นเนี่ยนะมันก็จะไปกระตุ้นพอพอเห็นความแตกต่างะตัวเห็นความแตกต่างนั่นแหละที่มันจะไปกระตุ้นให้เกิดการเห็นความพุ่งสั้นซ้ําซ้ําขึ้นมานะพอมันเกิดขึ้นอีกเราก็จะนึกได้อีกแต่ถ้าเห็นความพุ่งอย่างเดียวบางทีมันไม่ใช่ตัวกระตุ้นเข้าใจคําพูดพี่ไหมคือถ้าหากว่าเราเห็นครั้งเดียวมันเหมือนกับไม่เกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่ แต่ถ้าเราเห็นว่าเอ้ยตอนนี้มันฟุ้งยุ่งยุ่งยุ่งแลลมหายใจนี้มันยุ่งแค่นี้อีกลมหายใจหนึง่งมันมันอ่อนกำลังลงตัวเห็นความแตกต่างนี่แหละนะถ้ายิ่งเห็นบ่อยเท่าไหร่มันจะยิ่งกระตุ้นให้อยากกลับไปเห็นมากขึ้นเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจถามนะคือมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะคะที่เห็นว่าฟุ้งเนี่ยคือก็รู้สึกว่ามั น, มนความฟุ้งซ่านไม่ถูกเห็นโดยชัดเจนได้หรอก แต่มันสามารถรู้สึกว่าแตกต่างไปคือมันมีความหนาแน่นขึ้นมาตอนแรกเนี่ยนะแล้วมันก็เบากลับเบาบางลงนิดหนึ่งไอ้ที่นิดนึงนั่นแหละขอให้เห็นเถอะถ้าเห็นสักสองสามครั้งนะการเห็นตัวนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเห็นอีกเข้าใจไหมตอนแรกเนี่ยมันไม่มีความเคยชินที่จะเห็นความแตกต่างตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเราเหมือนกับเฝ้าสังเกตอยู่เวลาที่ เครียดกับงานพ อ, พออยู่ในระหว่างทํางานหรือว่าเสร็จงานเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ดีเลยเป็นโอกาสที่เราจะรู้สึกถึงความเครียดในหัวความปุง้งความยุ่งที่มันเป็นก้อนๆพอเรารู้สึกเข้ามานะแทนที่จะดูอยู่เฉยๆอาจจะใช้ลมหายใจช่วยสักนิดนึงลมหายใจนี้เราปุ้งอยู่แค่นี้เรารู้สึกได้มันมีความหนาแน่นอยู่แค่นี้อีกลมหายใจนึงมันอ่อนกําลังลงหรือเปล่าถ้าหากแค่เห็นครั้งเดียวเนี่ยนะว่า หน้าตาความแตกต่างของก้อนปุ๋งก้อนอความยุ่งตรงนั้นเนี่ยนะที่เหมือนกับได้ขอดะอดที่มันคอดเนเป็นปมขดขดขดเนี่ยถ้าเห็นได้แค่ครั้งเดียวว่าเออมันคลายลงได้จริงๆเราสามารถเห็นความแตกต่างได้มันจะมีกำลังใจแล้วก็เป็นชนวนให้เกิดการสังเกตในครั้งต่อๆไปอีกแต่ถ้าไม่สังเกตเลยมันก็จะเห็นอยู่แค่จิ๊กเดียวแบบที่เราเคยเห็นเนี่ย มันมันเห็นเข้ามาเฉยๆว่าในหัวเนี่ยเป็นก้อนๆเป็นอะไรคุ้งๆยุ่งๆเฉยๆแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดูเหมือ น, ม, นมันไม่มีประโยชน์แต่จริงๆมันมีถ้าเราสามารถเห็นความแตกต่างได้เพราะว่าไอ้ก้อนฟุ้งๆยุ่งๆแบบนี้โดยสายงานสายอาชีพเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นบ่อยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถเห็นได้บ่อยมันก็ได้ฝึกบ่อยเหมือนกันเหมือนกันไม่ได้ทิ้งไปไหนเหมือนกันนะ ถาเรื่องรูปแบบนิดนึงเลค่ะพี่คือตอนนี้ก็พี่ก็ยังแนะนําว่าเป็นเป็นวิ่งดีกว่าค่ะคือหนูไปวิ่งก็รู้สึกว่ามันจะเดินก็ได้แล้วมันมันลงมาเยอะแล้วอเดินแต่เดินเร็วนิดหนึ่งเร็วแต่ว่าเท้าต้องอ่อนนะอย่าเท้าเกร็งอย่าเท้าแข็งอย่าไปคือแค่รู้สึกถึงเท้าที่มันกระทบฝ่าเท้าที่มันกระทบแป๊บแป๊แป๊ไปเนี่ยรู้สึกถึงจังหวะได้ จังหวะเนี่ยมันมันจะมาอยู่ที่ใจเรารู้สึกว่าแป๊ะแป๊ะแปะแป๊ ะ, ปะไปนะจนกระทั่งเกิดความมีความมีความรู้ตัวมากขึ้นมันไอความรู้ตัวมากขึ้นจากที่มาจากศูนย์กลางคือเท้ากระทบเนี่ยไม่ทําให้เรารู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตหรือว่าปฏิกิริยาทางใจได้ชัดเจนขึ้นตรง น, นี้เราก็จะมีกําลังใจว่าเออเราทําได้มันไม่ได้หายไปไหน นะเดินนี้เดินปกติเลยใช่ไหมคะไม่ต้องแบบคือโบสถ์หนูรู้สึกว่าเดินนิ น, นึงมันเครียดบางทีหนูอย่าอย่าให้ช้าเพราะว่าของเราเนี่ยถ้าช้าแล้วก้อน<ก><ก>ความเครียดมันจะไม่หายไปไหนแต่ถ้าจังหวะเท้ากระทบเนี่ยมันเร็วพอที่จะแย่งพื้นที่ความฟุ้งซ่านได้มันจะรู้สึกสบายผ่อน ค, คลายลงทข้อของผม ฝึกตามที่หนังสือพี่สอนหลายๆอย่างแล้วก็เจะเดินสติปัฏฐานตามความสงสัยมันน้อยลงเยอะนะแต่ก่อนเนี่ยมันความสงสัยแล้วนี่เต็มหัวเลยเออแต่ตอนเนี้ยมันมันเหมือนเบาบางลงมันสบายขึ้นครับก็มาให้พี่แนะนําต่อครับว่าต้องน่าจะปรับอะไรตรงไหนบ้างตอนเนี้ยจิตมันสว่างขึ้นกว่าเดิมเยอะมันเหมือนกับแต่ก่อนเนี่ยมี หลายเรื่องที่มันวนอยู่ในหัวตอนเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันเรื่องที่วนอยู่ในหัวเนี่ยมันน้อยลงและเออพอมันน้อยลงเนี่ยเราจะสังเกตโดยความเป็นเคลื่อนรอบกวนได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนเนี่ยพอมันวนอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้จะดูยังไงนึกออกไหมมันไม่มีช่องว่างมันไม่มีตัวเว้นวักให้ดูแต่ตอนเนี้ยบางทีมันเกิดความรู้สึกเหมือนเออสบายสบายสบายใจขึ้นมาเมีย คล้ายๆอารมณ์ดีอ่ะอารมณ์ดีมากขึ้นอ่าเนี่ยตัวเนี้ยที่จะเป็นที่จะเป็นตัวตั้งพอเราอารมณ์ดีพเรามีความสว่างเนี่ยมันจะสามารถเห็นว่าเวลาที่เกิดความหงุดหงิดแบบเก่าเก่าเกิดความรู้สึกไม่พอใจเพราะของเราเนี้ยมันจะแต่ก่อนเนี่ยมันจะมุนหงิดอยู่ในใจบ่อยนะมันมีความไม่พอใจค่อนข้างจะเป็นคนที่ไม่พอใจอะไรได้ง่ายๆ นี้ตอนเนี้ยเนื่องจากเรามีความพอใจในข้างในอ่ะความรู้สึกเนี่ยมันมันสบายสบายใจมากขึ้นไอตัวความรู้สึกพอใจมันก็เกิดมากขึ้นตามไปด้วยเข้าใจไหมแต่ก่อนเนี่ยมันไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลักเป็นที่พึ่งให้ตัวเองรู้สึกรู้สึกดี มันก็เลยเหมือนกับว่าอะไรนิดอะไรหน่อยกระทบกระทั่งเนี่ยมันจะหงุดหงิดง่ายมันจะไม่พอใจได้ง่ายๆแต่ตอนนี้พอมันมีความสุขเป็นตัวตั้งอยู่ข้างในมีความสุข อ, อนอนอยู่เกือบตลอดเวลานมันก็เหมือนกับเออโลกนี้น่าพอใจมากขึ้นเพราะมัน ม, มีจุดที่เรารู้สึกถึงความน่าพอใจอยู่ก็คือใจของเราเองนี่ตัวตัวนี้แหละเป็นตัวตั้งที่เราสามารถใช้สังเกตได้ ยู่เวลาที่เราพอใจมันมันจะแปรผันไปตามความสุขทางใจอย่างถ้าสุขมากก็พอใจมากถ้าสุขน้อยก็พอใจน้อยไม่มีความสุขวันไหนไม่มีความสุขรู้สึกแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับงงๆนะกลับไปอยู่กับความงุนงิดนิดๆอะไรนิดอะไรหน่อยได้อีกเนี่ยตัวที่เห็นสามารถที่จะเห็นได้ถึงความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันก็ใช้เป็นเครื่องมือภาวนาได้เหมือนกัน เพราะว่าตอนนี้มันเป็นจุดที่เราสามารถสังเกตเห็นได้บ่อยนะนึกออกไหมเวลาสุขมากมันจะรู้สึกพอใจมากโลกนี้น่าพอใจมันมันจะเหมือนกับมีความอิ่มออกมามมีความชุ่มชื่นออกมาจากข้างในคล้ายๆมีน้ําพุผุดผุดอยู่ข้างในกลางใจแต่เมื่อใดที่เกิดความรู้สึกว่าเออไอความสุขตรงนี้มันลดลงมันก็เหมือนความพอใจเนี่ยมันลดระดับตามลงไปด้วย ถ้าหากว่าเราสังเกตอยู่ที่อาการทางใจเนี่ยนะมันจะลดลงไปจนถึงที่สุดเนี่ยไม่มีความสุขเหลืออยู่เลยมันก็จะเกิดความกระวนกระวายอยากหาอะไรข้างนอกอยากพึ่งพาอะไรข้างนอกเข้าใจพอยนะอ่าเวลาเวลาดูเวลาสังเกตใจตัวเองสังเกตรตรงนี้ก็แล้วกันแต่ดีแล้วมันแต่ก่อนมันมันเคลือบอยู่ด้วยความสงสัยเยอะ ไม่ได้บปพึ่งพามันเยอะเกินไปใช่ไหมไอความรู้สึกแบบนี้ผมรู้สึกผมชีวิตผมมันดูไปดิพเอนกับไอตัวความรู้สึกนี้ค่อนข้างเยอะคือพอถ้ามันมีแล้วทุกอย่างมันจะดูดีใช่ไงคือพี่ถึงบอกไงว่าตัวนี้แหละที่มันกําลังเป็นสภาวะที่ปรากฏเด่นคือเราอย่าไปใช้คําว่ามากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเพราะว่าการที่เราไปนิยามมันว่าอย่างนี้มากเกินไปแล้วนะอย่างนี้มัน เ, เดี๋ยวจะหลงนะเดี๋ยวมันจะอะไรมันเลย กลายเป็นไม่ยอมรับสภาวะที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆสภาวะที่เกิดขึ้นบ่อยๆตอนนี้มันก็คือความรู้สึกเป็นสุขใช่ไหมสุขมากสุขน้อยขอแค่ว่าเรายอมรับไปตามจริงพอมีความสุขมากขึ้นมาก็พอใจมากเหมือนอะไรๆมันน่าพอใจไปหมดมันให้ได้หมดมันมันไม่ถือสาหาความไปหมดนะฮะแต่ถ้าเกิดในความสุขมันลดระดับลงไอ้ความปรุงแต่งทางใจทางความคิด ที่จะไปมีปฏิกิริยากับโลกภายนอกมันก็เปลี่ยนไปเนี่ยมันคือความจริงที่เกิดขึ้นมันคือสภาวะที่กำลังปรากฏอยู่ถ้าหากว่าเรามามัวสงสัยว่าอ น, นี้มันจะไปยึดมากเกินไปหรือเปล่ามันก็ไม่ได้สังเกตความจริงน่ะสิถึงความสัมพันธ์ตรงนี้อย่างที่เราคุยกันนะว่าสุกมากก็พอใจมากตุกน้อยก็พอใจน้อยถ้าเราเห็นมันไม่ไปรังเกียจมันนะ ไม่ไปกังวลอะไรทั้งสิ้นเนี่ยมันก็ได้เห็นความจริงเห็นความแตกต่างระหว่างสุกมากกับสุขน้อยตัวนี้แหละที่มันจะทําให้เกิดเป็นอนิจจสัญญาขึ้นมาคําว่าอนิจจสัญญามันง่ายๆเลยรู้สึกว่ามันต่างไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันไม่เที่ยงไม่อยู่กับที่แต่ถ้ามันสุขมากอย่างเดียวไอ้นี่แหละตัวนี้แหละที่มันผิดปกติแล้วที่มันทําให้เราไม่รู้สึกถึงความแตกต่างไม่รู้สึกถึงอนิจจ ลักษณะเนะี่ยเรื่องถามเรื่องกันทํางานนิดนึงครับเวลาที่มีอะไรที่จะจำเป็นต้องใช้สมาธิเข้ามาแต่ว่าเป็นคล้ายเป็นเรื่องที่ต้องใช้อโปรแกัสครับถ้ามันจะเกิดอาการเครียดเกินกว่าที่ควรจะเป็นแล้วมันจะความเคยชินเดิมไงใช่ ค, ความเคยชินแบบเดิมเนี่ยของของเราเป็นประเภทที่ว่าเออ่เหมือน่าคน คนแบกกระสอบโดยไม่เต็มใจอ่ะึออกมเวลาที่ถูกใช้งานให้ทำทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้เต็มใจเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบกความไม่พอใจไว้ด้วยคือไม่ไม่ใช่แบกแต่กระสอบอย่างเดียวบแบก<ล><ล>ความรู้สึกไม่พอใจที่จะต้องไปปุ้มภาระนั้นเอาไว้เนี่ยพอเข้าใจพอเห็นภาพของจิตนะของเราอาการมันเป็นอย่างนี้เราก็สังเกตตรงนี้แหละเวลาทางานเนี่ย บางทีเรามักจะรู้สึกอยู่ข้างในลึกๆว่าเราไม่น่าจะมาทำตรงนี้เลยไม่ไม่น่าจะต้องทำหนักขนาดนี้เลยหรือว่าไม่น่าจะไปรับงานมาเลยอะไรทำนองนี้นะหรือว่าทำไมมันจุกยิบจุ ก, จ ก, จกๆิบอ่ะคือพูดง่า ย, ายๆความคิดแบบไม่พอใจมันเคลือบอยู่แทนที่จะโฟกัสทางานอย่างเดียวมันกลายเป็นความรู้สึกว่าไม่อยากทำ อยู่โดยพื้นที่มันผสมผสมอยู่ถ้าเราสามารถมองเห็นภาพของจิตตัวเองโดยความเป็นอย่างนี้นะเหมือนคนแบกกระสอบโดยไม่เต็มใจไม่ใช่แบกกระสอบอย่างเดียวมันเลยแบกความไม่พอใจไปด้วยมันมันก็จะเข้าใจแล้วเห็นว่าเออความไม่พอใจตรงนั้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนระดับได้คือถ้าเราทาไปโดยไม่คิดอะไรมากคือ คือไม่คิดมากเกินไปไม่มัวแต่นึกว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะพ้นภาระไบสัทีมันจะเป็นอาการที่ใจเนี่ยโฟกัสอยู่กับปัจจุบันด้วยความรู้สึกโล่งขึ้นด้วยความรู้สึกสบายขึ้นและไม่แบกกระสอบโดยแบกบความไม่พอใจไปพร้อมกันจับกลังเนี่ยมีอยู่สองพวกพวกที่แบกแบบไม่คิดอะไรมาก เดินโดนๆดุยๆไปแล้วก็มันก็เสร็จงานก็เสร็จแต่อีกพวกหนึ่งแบกกระสอบด้วยแล้วก็แบกความไม่พอใจไปด้วยอย่างนี้เนี่ยมันมีความทุกข์คือคือเค้นทั้งร่างกายแล้วก็เค้นทั้งจิตใจมันก็เหมือนกับแบกสองเท่าลองไปสังเกตจิตตัวเองนะว่าเราทํางานเนี่ยเราทํางานไปแบบคนที่เป็นจับกังแบบไหนนะแบบที่แบกกระสอบอย่างเดียวหรือว่าแบกความไม่พอใจไปด้วย ถ้าสังเกตบ่อยๆมันจะเห็นแล้วพอรู้สึกว่าโล่งจากไอาอาการที่มันไม่พอใจไม่เต็มใจมโฟกัสในงานเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นทุกอย่างมันจะดูง่ายขึ้นสวัสดีค่ะรบกวนขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเจริญสติในชีวิตประจำวั น, นะคะ่ะเพราะว่ายังตามรู้ลมหายใจได้ไม่ ไม่เป็นธรรมชาติใช่ <ฮะ S 2> เพราะว่าใจของเราเนี่ยมันเหมือน ก, กักระโดดกระโดดไปกระโดดมาอยู่ตลอดน ะ, <ฮ>ะมันมองให้เห็นเป็นเป็นภาพของจิตนะเหมือนคนวิ่งพลาดวิ่งพลานไปแบบไม่มีจุดหมาย <ฮะ S 2> เหมือนกับเหมือนกับภายเรืออยู่ในอ่างหรือว่าเหมือนกับหนูติด จ, จันทร์ที่มันหาทางออกไม่เจอน ะ, <ฮ>ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทำไมนะ แต่ขอวิ่งไว้ก่อนจิตคนเป็นแบบนั้นกันเยอะนะแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราเอาจิตแบบนี้มาฝึกรู้ลมหายใจเนี่ยมันจะเหมือนกับไม่เข้ากันเพราะว่าลมหายใจเนี่ยเรารู้เป็นเส้นตรงเวลารู้เนี่ยมันรู้แค่เข้าออกเข้าออกอย่างนี้เรียกว่ า, ร, ารู้เป็นเส้นตรงแต่จิตของเราไม่พอใจที่จะรู้อะไรเป็นเส้นตรงมันชอบที่จะวิ่งชอบที่จะวน ทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้ว่าวนไปเพื่ออะไรหาจุดหมายไม่เจอน ะ, ะพอเห็นภาพของจิตตัวเองเป็นอย่างนี้ได้แล้วนะเราก็เริ่มต้นดูจากตรงนั้นก็ได้คือถามตัวเองเวลาที่ดูลมหายใจนะอย่าพยายามไปดูลมหายใจอย่างเดียวแต่ถามตัวเองว่าในลมหายใจนี้จิตมันวิ่งพลานอยู่ไหมอย่างตอนนี้มั น, มนพลาด น, น้อยลงน้อยลงกว่าเมื่อกี้นี้ ลมหายใจนี้ยังผ่านน้อยลงนะแล้วดูลมหายใจต่อไปว่าคือไม่ใช่ไปรีบไม่ใช่อย่างนี้คือรีบเอาลมหายใจเข้ามาเขียนไหมพอพอพี่พูดว่าดูลมหายใจต่อไปเนี่ยเราเราไปพยายามดึงเข้ามาทันทีคือไม่ใช่อย่างไงที่พูดเนี่ยจะให้เป็นแผนที่ไว้เฉยเฉว่าเมื่อไหรท่ที่ถึงเวลาลมหายใจจะเข้ามาเนี่ยนะเราค่อยดูดูตามจริงเนี่ยอย่างนี้ห้สบายขึ้นรู้สึกไหม คือมันเหมือนและเห็นไหมอาการวนๆเนี่ยมันน้อยลงนี่ให้จําไว้ว่าลมหายใจนี้ความวิ่งวนมันน้อยลงอาการวิ่งวนมันน้อยลงเวลาเราเราดูเราดูควบคู่ไปอย่างนี้มันจะได้ไม่ใช่เนี่ยตอนนี้กลับมาวนใหวแล้วเห็นไหมเออเ น, นี่ยเราเราถาอนนั่นแหละคือคือตรงตรงคาอยากถามเนี่ยของน้องมันไม่ใช่แค่อยากถามอย่างเดียว มันมีอาการกระวนกระวายอยู่ด้วยคือเป็นความเคยชินน่ะที่ว่าอยากรู้อะไรอยากทำอะไรอยากพูดอะไรแล้วมันมีอาการดิน้นดิ้นขึ้นมาคือสังเกตเป็นอาการในใจนะในหัวเนี่ยมันจะเหมือนมีอาการเต้นๆๆขึ้นมาเราแค่พูไปถึงสภาพที่มันเป็นลมหายใจปัจจุบันกำลังหายใจสั้นอยู่หรือหายใจยาวอยู่ส่วนใหญ่มันจะสั้นนะเวลาที่มันวิ่งวนเนี่ย มันจะหายใจสั้นหรือรู้สึกติดขัดพอสังเกตควบคู่กันไปแบบนี้ว่าเออเนี่ยลมหายใจสั้นมันมีความรู้สึกวิ่งวนวิ่งจี๋อยู่แต่ตอนที่รู้สึกว่าเออรอดูลมหายใจสบายๆว่าถึงเวลาเข้าแล้วหรือยังนใจมันปลอดโปร่งมากขึ้นอาการวิ่งวิ่งในหัวมันลดลงนี่อย่างนี้ก็เกิดความรู้เป็นความรู้จริงๆนะว่าลมหายใจยาวสบายๆเนี่ยมันมาพร้อมกับอาการหยุด หยุดวิ่งแต่ลมหายใจสั้นมันจะมาพร้อมกับอาการวิ่งวนสับสนบางทีเราสับสนกับตัวเองว่าเราคิดอะไรอยู่ว่าเราต้องการอะไรกันแน่เพราะว่าวิธีการทำงานของคลื่นจิตคลื่นสมองแบบเราเนี่ยมันเป็นในแบบวิ่งพลานมันไม่ใช่เป็นการเดินเป็นเส้นตรงแต่ถ้าทําอย่างที่พี่ว่าเนี่ยอย่างนี้มันจะค่อยๆเดินเป็นเส้นตรงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อกี้จถามอะไรนะเห็นไหมลืมแล้วเกือบลืมไปแล้วค่ะจะถามว่าเอตอนที่เราเผลอไปเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนกับลมหายใจลมหายใจมันจะสั้นอันอันนี้คือคิดไปเองหเปล่าคะคือไม่แน่ใจว่าทุกครั้งที่เมื่อกี้พี่เพิ่งบอกพี่เพิ่งบอกไปโยกๆอย่าคิดไปเองได้ไงนี่เป็นการยืนยันก่อนถามอีกนะเนี่ยอมันมันเป็นอย่างนั้นแหละลมหายใจเราที่สั้นเนี่ยเหตุผลเพราะว่าร่างกายมัน พร้อมที่จะเครียดของเราเนี่ยคือพอเราคิดมากคิดวิ่งแบบวิ่งวนน่ะร่างกายมันจะไม่ผ่อนพักนะแล้วพอร่างกายมันมีอาการบีบคั้นมันก็เลยเหมือนกับหายใจน้อยลงโดยอัตโนมัติแล้วอย่างนี้คือเราไปแทรกแซงความธรรมชาติของมันหรือเปล่าคะเอาเป็นอย่างนี้เวลาพระพุทธเจ้าสอนนะท่านสอนที่ดูลมหายใจเป็นหลักตั้ง ดูว่าเออเนี่ยกำ ล, ลังเข้าอยู่หรือว่าออกอยู่กําลังยาวหรุยหรือว่าสั้นอยู่แล้วให้ดูต่อด้วยว่าเออเนี่ยไอ้ที่รู้อยู่เนี่ยมันคือจิตจิตผู้รู้กองลมนะแล้วก็รู้ต่อไปด้วยว่าที่หายใจอยู่เนี่ยมีความปิติหรือว่าไม่ปิติเนี่ท่านให้ดูเป็นขั้นๆไปแบบนี้ถ้านะหากว่าเราทําตามอาณาปานสติจริงๆนะจะเห็นเลยว่าท่านให้รู้ลมหายใจควบคู่ไปกับอาการทางใจที่มันกําลังปรากฏอยู่เป็นธรรมชาติตามธรรมชาติเดียวนั้น พอเราได้หลักตั้งเป็นลมหายใจแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรที่ชัดเจนเป็นตัวตั้งไม่งั้นเราไม่รู้จะเริ่มดูอาการทางใจจากตรงไหนเมื่อไหร่กันแน่เหมือนกับที่น้องบอกว่าเอ๊ะมันรู้สึกหายใจสั้นมันรู้สึกเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอ๊ะกลัวเดี๋ยวไปดูลมหายใจมันจะไปเป็นการแทรกแซงเนียนะคือนั่นเป็นเพราะว่าเราเริ่มต้นขึ้นมาจากดูาการปุ้งสั้นก่อน แล้วเสร็จแล้วค่อยไปดูลมหายใจทีหลังมันก็เลยกลายเป็นการแทรกแซงแน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นจากเบสิกแบบที่พระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสี่จริงๆท่านให้ดูลมหายใจก่อนให้ชินนะดูจนชินด้วยนะไม่ใช่ดูแค่ป๊อปแ ป, ป๊บนะดูจนชินแบบที่พี่ว่าเนี่ยตั้งต้นขึ้นมาถามตัวเองว่าหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่ครั้งนี้เนี่ยมันวิ่งพล่านอยู่รูอปลา่าอย่างตอนเนี้ยเต้นๆอยู่เออเราก็แค่ยอมรับตามจริง หลมหายใจนี้มันเต้นๆอยู่มันดิ้นๆอยู่เห็นไม้มมันยังดิ้นอยู่มันมันยังไม่เลิกนะเราก็แค่ยอมรับไปว่าเนี่ยลมหายใจมันลมหายใจนี้มันยังไม่เลิกแค่นั้นเองนะมันไม่ได้เป็นเป็นการแบบทำให้มองไม่เห็นแต่ตรงข้ามมันทำให้เห็นชัดขึ้นต่างหากว่าลมหายใจนี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตของเรานะที่ข อ, อยาถม เอที่ลองฝึกเดินเดินเล่นที่ที่บ้านเนี่ยค่ะเอบางทีมันก็ปวดหัวแล้วมันก็หายไปแล้วก็มันก็เหมือนกับเครียดแล้วมันก็กลับมาสงมันเพราะว่าอมันเป็นเพราะว่าวิธีการทางความคิดของเราไอะมันทําให้ร่างกายมันรวนไปหมดทางความคิดเหรอคะมันเริ่มมาจากวิธีคิดคือใจของเราจริงๆเนี่ยนะมัน ไม่ได้อยากคิดอะไรยึดอะไรมากหรอกใจของเราจริงๆไง น, นะตัวใจนะไม่ใช่ความคิดนะแต่ความคิดนะ่มันไปรับอะไรมาเยอะที่มันขัดแย้งกับอาการทางใจที่แท้จริงถามตัวเองง่ายๆใจเราเนี่ยอยากสบายหรือว่าอยากวุ่นวายมันจะบอกตัวเองอยากสงบอยากไม่อยากเอาเรื่องเอาเราวอะไรกับใครแต่ความคิดเนี่ยมันไปรับอะไรมาเยอะข้อมูลข่าวสารละครทีวีอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ย มันมาผสมกันมั่วไปหมดเราจะบางทีเราจะรู้สึกนะว่าเหมือนมีใครมาพูดอยู่ในหัวไม่ใช่เสียงของเราใช่ปะ่ะเออนั่ น, นแหละแล้วมันทำให้ทั้งระบบของเราเนี่ยมันเรารวนไปหมดมันขัดแย้งกันไปหมดกระแสทั้งเดิมของเราต้องการที่จะเฉยๆสบาย ๆ, ายๆว่างๆว่างๆนะไม่ไม่อยากเอาเรื่องของราอะไรกับใครไม่ได้อยากอะไรมากมายแต่ความคิดเนี่ยมันถูกบีบ ด้วยไอ้อะไรที่เป็นเป็นเป็นินพุตเข้ามาเนี่ยจากข้างนอกเนี่ยนะทำให้เราสับสนคือเราจะรู้สึกขัดแย้งกับตัวเองอยู่ข้างในเราต้องการอะไรกันแน่บางทีนะมันรู้สึกเหมือนกับอยากได้อะไรอย่างหนึ่งมากแต่อใจหนึ่งอ่ะมันไม่อยากพยายามเพื่อที่จะได้มามันเหมือนกับมีอะไรสวิงอยู่ในตัวเรา เกือบตลอดเวลาแล้ตัวนี้แหละที่มันทําให้ไม่ได้พักเวลาหลับต้องหลับไม่สนิทมันเหมือนกับฝันอะไรยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับว่ามันยังไม่เลิกยุ่งตื่นมาพร้อมกับความรู้สึกยุ่งเหยิงระหว่างวันทํางานก็ทําทําไปก็มีคิดถึงโน่นถึงนี่คําพูดเพื่อนบ้างคําพูดที่ไปเจาะแจะบ้างอะไรต่างๆในเฟซใ น, ใ น, ใ น, ในอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันมันพรั้งพรูเข้ามาเยอะแยะไปหมด จนกระทั่งกระทั่งกายของเราเนี่ยจากเดิมที่มันสภาพค่อนข้างเปราะ บ, บางนะในตรงตรงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับไอความแข็งแรงเราไม่ค่อยมีพื้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยู่แล้วมันไม่ค่อยออกกำลัง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นพอความคิดมันเรรวนมันปั่นป่วนมันขัดแยง้งมันก็เลยทำให้ระบบทั้งหมดเนี่ยปั่นป่วนตามไปด้วยนี่ตรงนี้แหละเป็นสาเหตุ นี้ต่อไปเนี่ยเราแค่ดูอยู่แค่เนี้ยเอาจุดง่ายๆเลยที่เราสามารถจำได้นะวันนี้เลยเนี่ยนะหายใจเข้าเรารู้สึกไหมว่ามันวิ่งวิ่งอยู่หายใจออกมันหายไปหรื อ, อยังนะหรือว่าหยุดหายใจเนี่ยเราเกิดความรู้สึกกระสับกระส่ายไหมหรือจะดูลมหายใจดีหรือว่าจะท่องบริกรรมหรือว่าจะดูจิตอะไรดีรนะมันตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอาการวิ่งวนวิ่งวุ่นแม้กระทั่ง ความสงสัยว่าจะทำอะไรดีในการภาวนาณนะวินาทีนี้ก็เป็นอาการวิ่งวุ่นได้เหมือนกันใจนะเคยโทรไปถามพิตุนในสกายอะครับในตอนที่ พ, พิจุนจัดไอสวิตชิวออนไลน์แล้วพี่ตุนก็แนะนำเรื่องการทำสมาธิมาก็นี่ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วก็คิดว่ามันก็ดีขึ้นนะครับ ก, ก็ตอนนี้มันก็มีความสว่างในจิตขึ้นมา ừ ừ ừ พอสมควรแล้วอาการที่ว่าที่พี่จุนเคยสอนว่าเออให้ทําตัวเป็นเหมือนอากาศาธาตุถ้ามีศัตรูมาก็ให้เราทําเป็นสกาัดาธาตุเหมือนมีสภาพรู้อย่างเดียวครับตอนนี้มันก็ดีขึ้นค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็นิ่งขึ้นเห็นมีอะไรสภาวะผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยทั้งภายในเนี่ยถึงเออมันก็ดีขึ้นแต่แต่ภาคหลังๆเนี่ย รู้สึกเหมือนมีกระแสขึ้นจากภายนอกเนี่ยมันเข้ามากดแล้วครอบเข้าไปบ่อยๆ ม, มันอย่างนี้นะคือแต่ก่อนเนี่ยของเราเป็นคนเค้นคือเค้นความคิดแล้วก็จะถ้ามองเป็นภาพของจิตนะก็คือว่าเราจะรู้สึกเหมือนกนมีอะไรยุ่งยุ่งมืดๆอยู่ในหัวแต่ตอนเนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาเราอาจจะค่อยๆฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไปนะสมาธิเนี่ยมันทําให้รู้สึกใจมันโล่ง ล่งขึ้นแต่ว่าตรงเนี้ยมันยังมืดๆอยู่พอจะนึกออกไหมมันสว่างตรงนี้แตยว่ามันยังมืดๆมวลๆอยู่ตรงนี้ใช่ครับมันยัมีรืองครอบมาอ่าตรงนี้เนี่ยมันเอ่อถ้าแปลเป็นภาษาสมาธิก็คือจิตเนี่ยมันเริ่มว่างเริ่มเบาเริ่มสว่างแต่ความคิดยังมืดอยู่ความคิดมืดไม่ได้ไหมายความว่าอากุศลอย่างเดียวนะบางครั้งหมายถึงความพยายามมากเกินไปความจดจ้องมากเกินไป ความบีบบังคับตัวเองมากเกินไปหรืออย่างบางทีเนี่ยคือนิสัยหรือความเคยชินของเรา เ, เวลาที่ปฏิบัติต่อคนอื่นเนี่ยบางทีมันเข้มงวดอะ่ะเป็นเป็นคนเข้มงวดเข้าใจไหมลักษณะของคนเข้มงวดเนี่ยมันจะมีจิตในแบบที่ว่าบีบพันธ์ค่อนข้างจะไม่ปล่อยค่อนข้างจะไม่เหมือนกับใจเรา่าตอนเนี้มันไม่มีอะไรหรอกไม่ได้ไปอะไรกับเขามากเหมือนแต่ก่อนแล้ว แต่ก่อนมันมันจะชอบดูไงชอบวางอำนาจอะไนะฮะนิดหนึ่งคือทีนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันลดลงใจเราจริงๆมันไม่ได้มีแบบนั้นแล้วคือคือเกือบจะไม่มีแบบนั้นแล้วลดลงมาสักเหลือ20่สิบเอร์เซอะเงี้ยนะเหลือน้อยเดียวแต่ว่าไอความเคยชินในวิธีการคิดมันยังเป็นแบบเดิมๆอยู่มันถึงได้รู้สึกเหมือนกับไอตรงเนี้ยมันยังมืดๆได้ มันมันไม่เท่ากันกับความสว่างของใจใจเนี่ยมันสั่งสมธรรมะมามากพอสมควรมันมีความสว่างมันมีความเย็นพอสมควรแล้วก็มันน้อมไปในทางเบาด้วยอยู่อยู่ดีๆบางทีเรายัรู้สึกใจมันเบาล่งขึ้นมาเฉยๆแต่ทําไมมันตรงนี้มันยังรู้สึกว่าเอมันยังติดมีอะไรค้างๆอยู่มันไม่จบอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าวิธีคิดมันยังเป็นแบบเก่าอยู่นะบางทีเนี่ย คือไม่ได้ห้ามไม่ให้เข้มงวดกับคนอื่นเพราะบางทีมันต้องเข้มงวดจริงๆแต่ลักษณะตอนที่คิดตอนที่สั่งคนเนี่ยลองดูใจตัวเองเนะเวลาพูดเนี่ยมันมันยังพูดด้วยความเคยชินแบบเดิมเข้าใจไหมคือมันยังไปจี้เขาอยู่แล้วถ้าหากว่าเราพูดด้วยอาการจี้คนอื่นเนี่ยในหัวของเราเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนกับควันเกลียวเข้ามาเหมือนกับขมวดเข้ามา mm hmm. เข้าใจอาการตรงนี้ใช่ไหม เนี่ยยังพอเราคุยกันตรงถึงถึงภาพตรงนี้เนี่ยเรานึกออกเราทบทวนแล้วนึกออกมันจะรู้สึกคลายออกเมื่อกี้รู้สึกไหมที่มันเหมือนโล่งขึ้นนิดนึงตรงนั้นมันเป็นการค่อยคอยคลายเกลียวออกนี้ถ้าเราไปปฏิบัติจริงด้วยคือคือพูดเนี่ยสังเกตตัวเองจะใช้คำพูดไหนก็แล้วแต่จะใช้วิธีพูดแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้สังเกตตัวเองด้วยด้วยการเห็นตามจริงนะ ไม่ใช่ไปแกล้งทําให้มันเกิดความเบาความสบายขึ้นในหัวนะเริ่มต้นเนี่ยอันดับแรกเลยให้เห็นก่อนว่าเราพูดยังไงแล้วรู้สึกยังไงมันตึงๆเครียดอยู่ในหัวยังไงมันปิดๆอยู่ยังไงพอเห็นมันจะคลายเองโดยไม่ต้องพยายามเหมือนอย่างตอนนี้เนี่ยมันสลับกันพอพอรู้พอรู้ไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะคลายออกมาอ่า นี่ที่พี่พูดถึงเนี่ยพูดให้เข้าใจว่ารากมันไม่ได้มาจากอาการทำสมาธิผิดหรือว่าปฏิบัติไม่ถูกอะไรแต่มันมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันมันมาจากวิธีพูดของเรามันมาจากวิธีที่เราควบคุมตัวเองด้วยควบคุมคนอื่นด้วยนะบางทีเนี่ยมันมีความไม่พอใจอยู่สูงเวลาที่คนไม่ได้อย่างใจตรงที่รู้สึกไม่ได้อย่างใจกับผู้คนที่อยู่รอบข้าง สังเกตเข้ามาที่นี่ทันทีถ้าเกิดรู้สึกมึนๆรู้สึกเหมือนกับบีบๆรัดๆเข้ามานั่นแหละตัวนี้แหละที่เรากําลังคุยกัน mm hmm. เมื่อคุยกันตรงนี้ได้ถูกนะแล้วเราเอาไปสังเกตได้เรื่อยๆนะมันจะรู้สึกว่าคลายคลายคลายออกไปแล้วมันเบาเท่าตรงนี้ขึ้นมามันจะเหมือนไม่มีตัวมันจะเหมือนกับเราเห็นแล้วว่าอทั้งหลายทั้งตัวปวงเนี่ยมันเป็นแค่อาการปรุงแต่งของจิตไปทั้งนั้นเลย จะเป็นมืดก็ตามจะเป็นสว่างก็ตามจะเป็นบีบรัดเข้ามาจะเป็นคลายวางว่างก็ตามมันวิธีที่จิตปฏิบัติต่อคนอื่นแนละปฏิบัติต่อตั ว, ตวเองทั้งนั้นเลยนะใช่แล้วขออีกคำถามนึ่งนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องบางทีเนี่ยเออผมมีเวลาว่างเนี่ยก็อยากจะฝึกเหมือนคล้ายๆว่าเป็นกีฬาทางใจอย่างเนี้ยครับถ้าจะฝึกกระสินเนี่ยมันจะเป็นการอย่าเพิ่งตอนนี้อย่าเพิ่งกสินเนี่ยนะเหมาะกับคนที่ใจเปิดแล้ว ใจมันมีความตั้งมัน่นใจมันมีความโล่งว่างแล้วก็ไม่ไม่มีเชื้อของความเคร่งเครียดแต่ถ้าหากว่ายังมีเชื้อของความเคร่งเครียดอยู่อย่างเนี้ยมีไปฝึกกรสิณเข้าเนี่ยเป็นบ้ า, าได้ง่ายๆโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าขึ้นต้นขึ้นมาแทนที่มันจะเห็นด้วยความสามารถหรือคุณภาพของจิตเนี่ยมันไปเห็นด้อาการสั่งไปเห็นด้วยอาการจดจ้องตั้งหน้าตั้งตาเอาให้ได้ ซึงแบบของเราเนี่ยพอมันพื้นนิสัยมันตั้งหน้าตั้งตาเอาให้ได้อยู่แล้วไงกอลองสังเกตดิพอทําทอะไรไปจะพูดกับใครหรือแม้แต่ปฏิบัติกับตัวเองก็แล้วแต่เนี่ยถ้าตั้งหน้า ต, ตั้งตาเให้ได้มันจะรู้สึกเคร่งๆหนักๆตึงๆเครียดๆขึ้นมามื่นๆขึ้นมาแ น, น, เน่เวลาที่ไปฝึกกสินมันก็จะเป็นแบบนั้นนะที่แเราที่ปฏิบัติเเอเอดูลมหายใจอย่างเงี้ยมันก็คลายการเพ่งลงแล้วแต่มันก็ยังมีเพ่งอยู่นะครับบางทีมันก็รู้สึกว่าแบบ มันไม่ค่อยมันขา<ง>ดเ ป, เป็นเพราะในหัวอันนี้มันต้องแก้ด้วยการปฏิบัติต่อผู้อื่นคืออย่าไปพยายามที่จะให้มันหายไปทันทีนะจําไว้อันนี้สําคัญมากเลยนะคือเวลาสังเกตเนี่ยแค่เข็นเฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นในหัวของเราเวลาที่พูดกับคนเนี่ยแล้วมันจะคลายแบบนี้มันจะคลายแบบนี้แล้วมันไม่ใช่แบบวันสองวันแล้วมันคลายหมดมันอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนคือดูไปทุกวันเป็นเวลาหลายเดือน ม, มันจะคละเนี่ยมันจะคละ้ายๆแบบนี้โลงลงไปพ อ, อดูลมหายใจอีกทีแนมะ้นด้วยความรู้สึกที่โล่งแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ไม่มีอาการแบบเก่าๆละมันจะเริ่มเข้าสู่เอ่วิถีของสมาธิอีกแบบหนึง่งคือเริ่มต้นรู้ขึ้นมาด้วยความสบายเริ่มต้นรู้ขึ้นมาได้อาการไม่บังคับตัวเองเนี่ยตอนนี้มันยังมีอาการบังคับตัวเองเจออยู่แต่เนื่องจาก ช่วงปีที่ผ่านมามันฝึกสมาธิบ้างแล้วก็ อ, อ, อ่านอ่านบ้างฟังบ้างมันมันหลายอย่างประกอบกันเนี่ยจิตมันค่อยๆคลายค่อยๆวางไปนะนี้ครับขอคําแนะนําในการปฏิบัตินะคะแล้วกออ็รู้สึกว่าเวลาปฏิบัติบางทีเนี่ยคาดหวังมากเกินไป ข้างหลังจะเนี่ยที่นั่งอยู่มานั่งข้างหน้าก็ได้แต่คือคืนมานั่งเฉยๆนะ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวขอคำถามใหม่นี้ยังมีความคิดอยู่ยังไม่ค่อยแน่ใจในการปฏิบัติอะค่ะแล้วก็บางทีมีความห่วงมีเรื่องให้ห่วงเวลาตอนปฏิบัติอาหารก็ยังยังคาดหวังมากไปก็เลยจะวิธีการปฏิบัติควรจะยังไงดีคะ มันก็มีแต่ว่าน้อยนะคือมันไม่ได้มากมันไม่ได้ทุกครั้งคือมีแค่ความรู้สึกเหมือนกับว่ายังทำอะไรไม่เสร็จยังทำอะไรไม่จบแล้วมันทิ้งไ ม, ไม่ได้อะไรแบบนั้นนหะคือยังมีความคล้องยังมีความผวงแต่มันก็ไม่ถึงแบบยุ่งเหยิงอยู่ตลอดเวลามันมันจะมีช่วงที่เรารู้สึกเหมือนกับ ยังวางไม่ได้เป็นบางครั้งแต่ก็จะมีบางครั้งที่รู้สึกว่าเออดูไปได้สบายๆโดยไม่มีอะไรรบกวนก็แค่ดูความแตกต่างแล้วกันความแตกต่างที่ว่าเออมันยังมีอะไรยุ่งเหยิงอยู่นะมันยังมีอะไรผูกพันเป็นพันธะอยู่กไอตอนที่จิตมันโล่งๆโปรง่ปรงๆสบายๆว่ามันมันแตกต่างกันยังไงคือถ้าเราคำถามของเราคือว่า จะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะคำตอบมันไม่ได้มีอยู่ที่ว่านี่ทำอย่างนี้หนึ่งสองสามก็มันจะหายไปเพราะพระตัวความห่วงหรือพันธะหรือว่าอะไรที่มันผูกโยงจิตใจอยู่เนี่ยมันแก้ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกับเส้นเชือกหรือว่าสายโซ่นะมันไม่ได้มีรูปธรรมแบบนั้นแต่แค่เราสังเกตถึงความแตกต่างอย่างตอนที่ มันมีอะไรคล้องมันมีอะไรพวงอยู่มันมันจะเหมือนยังไม่ยังไม่เสร็จเหมือนเหมือนคนทํางานยังไม่เสร็จนี่ยเข้าใจไหมมันมันจะเหมือนว่นละงานนี้มามาทําอีกงานหนึ่งมันไม่สบายใจคล้ายๆแบบนั้นแหะอาการคล้ายๆแบบนั้นแหะมันเป็นสิ่งที่ยังโยงจิตใจให้อยู่กับความรู้สึกไม่จบแต่ตอนที่เราปฏิบัติแล้วไม่ได้รู้สึกถึงพันทะแบบนั้น มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะรู้สึกโลง่งๆเฉยๆสบายๆแล้วก็เห็นความแตกต่างเพราะเห็นความแตกต่างพอยของการเห็นความแตกต่างไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือเราจะได้เกิดความเข้าใจเว่าตอนที่มันโยงตอนที่มันยึดเนี่ยมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่สูญเปล่าคือเราต้องเราตั้งใจมาทําตั้งใจมาปฏิบัติตรงนี้แล้วอ่ะแล้วทําไมมันยังถึงไปกังวลมันยังถึงมีความข้องเกี่ยวกับอะไรอย่างอื่นอยู่นะ มันเป็นไป เ, เพื่อความสุนเปล่าแต่แต่ถ้าหากว่าเราพยายามตัดเราพยายามตัดเอพันธะ ต, ตรงนั้นออกไปเนี่ยมันตังไม่ได้เพราะมันยังจิตมันยังไม่ฉลาดคือมันยังไม่เห็นไงว่าแตกต่างไปตอนที่โปรงโล่งยังไงตอนที่โปร่งโล่งก็คือไม่คิดไม่มีอาการตรึกนึกเท่านั้นเองไม่มีอาการที่ไปข้องไปพวงอาการของใจเนี่ยไม่ไปเกาะเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใจมันเกาะเกี่ยวแล้วไม่ยอมปล่อย ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทาให้รู้สึกเหมือนกับไม่ไม่สามารถปล่อยเท่านั้นเองเขา้าใจพ้อยไมครัคำตอบง่า ย, ายๆเลยคือว่าเราไม่สามารถไปสั่งตัวเองได้ไม่สามารถไปสั่งกิจให้ปัดพันธะตรงนั้นแต่เราสามารถบอกตัวเองให้เรียนรู้จากการที่ได้เห็นความแตกต่างระหว่างมีความคล่องมีความพะวงมีพันธะแต่ตอนที่ไม่คล่องไม่พวง ว่ามันต่างกันยังไงพราเห็นไปบ่อยๆจิตมันฉลาดเองข้อคือตรงนี้แหมมันกําหนดเวลาหรือยังไงบ้างไหมคะหรือหมายถึงนั่งสมาธิใช่ไหมค่ะนั่งสมาธิค่ะช่วงแรกๆเอาตามความสบายก่อนก็นแล้วกันเอาความรู้สึกสบายเอาความรู้สึกว่ามีกําลังเอาความรู้สึกว่าเราไม่ได้ฝืนใจคือถ้า ตั้งต้นขึ้นมาไปบังคับเกี่ยวกับเรื่องเวลาเลยมันจะไม่รู้กําลังตัวเองว่าทําไปแค่ไหนถึงจะเรียกว่ามีความสุขทําไปแค่ไหนถึงจะ เ, เริ่มเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วนะแต่ถ้าหากว่าเราเริ่มต้นด้วยการสํารวจสังเกตตัวเองจากการทําจริงว่าด้วยระยะเวลาประมาณนี้เออมันยังสบายอยู่มันยังไม่ได้ฝืนมันยังไม่ได้ทุกข์มากเราก็จะได้ล็อกว่าโอเคน่าจะทําประมาณนี้นะสมมติว่าของเราเริ่มต้นขึ้นมาประมาณ20นาที ยังสบายสบายไม่ได้อยากลุกไปไหนก็ทำยี่สิบนาทีไปแล้วค่อยๆเพิ่มเป็นยี่้านาทีเป็นครึ่งชั่วโมงในวันต่อๆมานะแต่ถ้าตั้งต้นขึ้นมาบอก ว, ว่าควรจะทำครึ่งชั่วโมงไหมอันนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตารางเวลาของคนอื่นแล้วนะบางบางวันก็จะขยันหน่อยบางวันก็จะความเพียร น, น้อยหน่อยอะค่ะ วันที่ขยันพอถ้าได้เป็นชั่วโมงหรืออะไรเนี่ยก็จะไปหยุดตัวเองละเหมือนว่าไปกังวลอยู่เองว่าอาจจะไม่ไหวละออ่ามากไปแล้วหรือเปล่าควรจะตรงตรงนั้ น, นเนี่ยก็บอกตัวเองว่านี่คือกําลังของเราตามจริงในแต่ละวันซึ่งคนทํางานเนี่ยมันไม่ไม่ได้มีหน้าที่ภาวนาอย่างเดียวบางวันมันก็ทําทํานู่นทํานี่เหนื่อยบางวันมันก็เหมือนกับไม่ได้มีภาระนะก็เออ ช่วงที่เอางี้แล้วกันเอาตัวนี้เป็นตัววัดถ้าทำไปแล้วยังไม่มีปิติไม่มีความอิ่มใจไม่มีความเบาเนื้อเบาตัวนะเอาตามจริงว่าในแต่ละวันมันเพลียแค่ไหนดีที่สุดได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่ากากเฑนให้มากเพราะไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนไปเพิ่มภาระให้ตัวเองภาระทางมาทางทา ง, ทางโลกเนี่ยมีไม่พอเรามาเพิ่มภาระทางธรรมอีกภาระทางธรรมเนี่ยขอให้เป็นภาระที่าทาให เความทุกข์ทางโลกมันถูกแบ่งเบาไปก็แล้วกันไม่ใช่ไปเพิ่มน้ำหนักให้กับภาระทางโลกขึ้นมาอีกนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นไปด้วยความอยากนะอะไรก็แล้วแต่เป็นไปด้วยความรู้สึกว่าต้องให้ได้อย่างนั้นต้องให้ได้อย่างนี้มันเป็นภาระที่หนักขึ้นทั้งสิน้นเป็นภาระแบบโลกโลกด้วยซ้ํามันไม่ใช่ภาระทางธรรมด้วยซ้ําถ้าภาระทางธรรมเนี่ยก็คือว่าเราทําแล้วว่าแน่ใจว่าโอ้ตรงนี้เนี่ย มุมมองเราถูกต้องแล้วเราเซ็ตมุมมองจากภายในดีแล้วชัดเจนแล้วเออเราจะดูความไม่เที่ยงนะเราจะดูความเอแตกต่างระวังเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวยาวเดี๋ยวสั้นพอเราแม่นอยู่ตรงนี้แล้วเราเกิดความรู้ว่ายิ่งทํามันยิ่งมีความเข้าใจมันยิ่งมีความสว่างยิ่งมีความรู้แจง้งอยิ่งมีความเบามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆไอเนี่ยเรียกว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์มันทําให้ ความหนักอึ้งทางโลกมันลดลงแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจทเนี่ครึ่งชั่วโมงนะไม่ได้นี่ไม่ยอมแบบนี้บางทีเนี่ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราเราเหนื่อยจากทางโลกมาแล้วเนี่ยแล้วมาบังคับตัวเองอย่างนี้อีกฝืนใจแบบนี้อีกเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนอกจากความหนักอึ้งมากขึ้นแต่ถ้าจะเอาวินยัยคือเราแค่เหมือนกับตกลงกับตัวเองว่า อย่างน้อยวันหนึ่งต้องทำคือต้องทำนานเท่าไรไม่ว่าแต่ต้องทำและทำด้วยใจจริงๆทำด้วยความหวังว่ามันจะมีคุณภาพจริงๆอันนี้แหละที่เรียกว่าจะทำให้เราอยู่ในวินยัยนะโดยปกติโดยธรรมชาติของคนที่มีวินัยเนี่ยนะมันจะทำแล้วรู้สึกสบายขึ้ น, นเรื่อยๆมีความชำนาญมีความเห็นที่มันง่ายขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆีเนนเย่เอง แหมโอเคใช่ค่ ะ, ะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปฏิบัติในรูปแบบอะค่ะเพราะว่าขี้เกียจแล้วก็แพ้กิเลสตลอดแล้วก็ก็พยายามที่จ ะ, จะเจริญสติระหว่างวันแต่ก็ เหมือนกับได้แค่โอเคก่อนไปทำงานไปทำงานก็ลืมไปหมดทุกสิ่งอย่างแล้วก็อาจจะหลังจากทำงานก็จะมีระลึกขึ้นได้บ้างค่ะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆก็ส่วนใหญ่จะฝึกแบบพุทธโทค่ะทีนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าคือคือก่อนหน้านี้รู้สึกว่าฝึกแบบพุทธโทก็จะมีเหมือนกับว่า รู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยที่ขาดความต่อเนื่องอ่ะค่ะพอมาทําพุทโธเรารู้สึกว่าแบบอจะเกรงไปจะแน่นไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มไม่มั่นใจว่าตกลงแนวไหนที่มันจะเหมาะกับเราหรือจะทําให้ถูกไม่แน่ใจว่าปฏิบัติได้ถูกวิธีหรือเปล่านะตอนนี้อะค่ะถ้ามีคําถามขึ้นมาว่าเราปฏิบัติอย่างไรดีถึงจะถูกกับจริยธเรานะ ให้บอกตัวเองเลยว่าในตรงนั้นเนี่ยมันเราอาจจะพลาดสิ่งที่มันถูกกับจริตเราจริงๆไปแล้วก็ได้คือบางทีเนี่ยเราเจอแล้วแต่เราพลาดมันไปเพราะเราไม่เอาจริงเราไม่ต่อเนื่องนะวิธีที่จะรู้ได้ว่าเราถูกกับอะไรกันแน่เนี่ยคือทำมันให้จริงทามันให้จริงก่อน ออของน้องคือไม่ใช่ทำไม่จริงนะพี่ก็เห็นนะว่ามันก็พยายามนะเพียงแต่ว่าขาดความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อย่างเวลาที่เราบริกรรมพุโทโธเนี่ยมันเป็นการมันเหมือนคล้ายๆเราพุโทโธพุโทโธไปแล้วมันมันมีเมฆหมอกอะไรอย่างอื่นแทรกแปงอยู่ด้วยเนี่ย เ ร, เราจะรู้สึกท้อคล้ายๆว่าป่าไปกลางสายฝนเนี่ยแล้วมองไม่เห็นมองไม่เห็นทางข้างหน้านึกออกไหมสภาพเป็นยังไงมันมันก็เลยเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจว่าที่เราภาวนาพุโทโธมาเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันไม่ใช่ทั้งนั้นแหละถ้าหากว่าแต่ไม่ได้คลื่นรบกวนแบบที่เรารู้สึกเหมือนเหมือนฝนตกหนักเหมือนมีอะไรท่าๆอยู่ตลอดไปดานนะแล้วก็ เวลาที่เราทำไปเนี่ยมันมันขาดเป้าหมายให้จิตเนี่ยไปจับชัดเจนเอางนี้ก็แล้วกัน อ, อ, อย่างแม้แต่เวลาสวดมนต์เนี่ยพี่ก็ว่าเราอาจจะสวดแบบยยอแยะไปนิดนึงคือคำว่าหยอแยะเนี่ยหมายถึงว่าพูดไม่เต็มปากเต็มคำคือคือแบบสวดพึมพรนธ์ะนะ ้องไปเปลี่ยนใหม่คือเปล่งให้เต็มเสียงอิติปิโสพระกวารหังสัมมาสัมพุโทโธพระกวานะให้มีความรู้สึกถึงแก้วเสียงที่มันเปล่งออกมาเต็มปากเต็มคำแล้วก็คิดอยู่อย่างเดียวเลยว่าที่เราเปล่งออกมาไม่ใช่เปล่งออกมาตามหน้าที่แต่เปล่งออกมาเพื่อที่จะให้เรารู้สึกมีความสุขกับการเปล่งเสียงเอาเสียงเอาแก้วเสียงของเราเองเนี่ยเป็นตัวบูชาพุทธคุณไม่งั้นมันไม่มี p o คือเราสวดเนี่ยเราสวดเหมือนกันสวดไปอย่างนั้นเองสวดไปเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครูบาอาจารย์บอกว่าสวดแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทําสมาธิได้อะไรแบบนั้นนนะะเดี๋ยนอย่างแผ่เมตตาเนี่ยแผ่เท่าไรเท่าไหรเราก็ไม่รู้สึกว่ามันแผ่ไปสักทีนะมันมันเหมือนกับสวดสัพเพสตตามันก็สัพเพสตตาอยู่แค่ตรงเนี้ยมันมันไม่รู้สึกจริงๆว่าความสุขในการแผ่เมตตาเป็นยังไง นี่เอาใหม่เลยพอเราเริ่มต้นจากการที่เนี่ยสวดเต็มเสียงนะอิติปิโสพระกาวาระหังสัมมาไม่อายฟ้าไม่อายดินนะเราเราภูมิใจในแก้วเสียงของเราแล้วก็ให้ความภูมิใจในแก้วเสียงของเราเนี่ยที่มันเปล่งออกไปเต็มปากเต็มคําเนี่ยมันค่อยๆสร้างความสุขขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยเราจะเกิดความรู้สึกว่าเออมันก็สามารถมีสมาธิได้แบบหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า ตอนที่เราเปล่งคําออกไปเนี่ยนะมันมีที่จับจิตเนี่ยมีที่จับที่ชัดเจนที่แน่นอนไม่เหมือนกับตอนพุดโธตอนพุโทโธเนี่ยเหมือนกับเสียงมันเลือนๆ อ, อยู่ในหัวแล้วก็เราต้องฝ่าสายฝนฝ่าคลื่นบรบกวนเยอะแยะแต่ตอนที่สวดอิติปิโสเนี่ยเราจะรู้สึกถึงอะไรที่มันปลอดโปร่งขึ้นแล้วมันมีที่จับที่หนักแน่นชัดเจนเป็นรูปธรรมขออย่างเดียว คำว่าสวดเต็มปากเต็มคำเนี่ยขอให้เข้าใจจริงๆนะว่าเราสวดออกมาเต็มเสียงไม่ใช่สักแต่สวดออกมาเป็ น, ปนคำพูด พ, พืมพำนี่ลองลองให้พี่ฟังหน่อยดิเออเดี๋ยวชมเสียงหน่อยไพเราะแค่ไหน อ, อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโทวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิชู ตอนที่สวดอยู่คนเดียวเนี่ยสวดแบบนี้ป่ะมันสวดพุมพันธุพุ่มพันธใช่ไหมจริงๆช่วงหลังหนูไม่ค่อยได้สวดบนเยอะเท่าไหร่แต่ว่าตอนแผ่เมตตาค่ะจะจะจะเป็นอย่างที่พี่ตุลนบอกคือตอนตอนที่เราสวดเราเราไปร่วมสวดกับคนอื่นเนี่ยบางทีมันก็เต็มเสียงแหละเนี่ยเสียงเนี้ยมันเสียงสวดร่วมกับคนอื่นใช่ไหมแต่ตอนสวดคนเดียวมันไม่ใช่ เข้าใจเข้าใจพ o อย t ของพี่ไหมเข้าใจ่ค่ะอ่านี้ถ้าเราสวดคนเดียวเหมือนกับเสียดเอสวดเต็มบกักเต็มคําร่วมกับคนอื่นเนี่ยเอแล้วด้วยเจตนาที่ชัดเจนว่าเราจะเอาสมาธิจากตรงนี้คําว่าเอาจะสมาธิจากการสวมดมนต์ไม่ใช่หมายความว่าเราตั้งใจให้มันเกิดความนิ่งความสงบความสบายอะไรขึ้นมาเราตัดทิ้งไปหมดเลยไอ้ความอยากขั้งปวง เหลือแค่ความอยากอันเดียวคือเป่งแก้วเสียงออกมาบูชาพุทธคุณจริงๆด้วยความเริ่อมใสแล้วก็มีความสุขกับการเปล่งเสียงตรงนั้นเท่านั้นเราจะเอาแค่ความสุขจากการเป่งเสียงเท่านั้นนี่แหละตรงนี้แหละที่มันจะเกิดสมาธิขึ้นมาจริงๆเพราะอะไรเพราะสมาธิธรรมชาติของจิตเนี่ยนะที่มันจะตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่ามันจับอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งชัดเจนต่อเนื่องยังมีความสุขแต่ที่ผ่านมาเราภาวนามาเนี่ย มันไม่มีความสุขไงมันเหมือนกับต้องพยายามทํำนะต้องมีสตินะเออต้องไม่ปุ้งซ่านนะเพราะจะรู้ตัวว่ามันมันปุ้งเยอะมันอยากจะสงบมันอยากจะนิ่งนะแต่ไอ้ความอยากจะสงบอยากจะนิ่งบางทีสังเกตไหมอยู่ๆภาวนาไปมันเศร้าขึ้นมาเฉยๆเพราะมันเพราะมันเกิดการปรุงแต่งสะสมมาว่า ปัญหาชีวิตมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้วเสร็จละไ อ, อ้ไภาวานาเนี่ยเรากะจะหนีโลกซะหน่อยนะเข้ามาหาความสุขส่วนตัวบ้างแต่มันไม่เจอยังไม่เจออยู่ดีมันไม่ชัดเจนมันยังเหมือนกับว่าทนคลื่นบรบกวนของตัวเองไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นในหัวนี้พอพยายามภาวานานไปเรื่อยๆมันก็เลยเหมือนกับยิ่งสะสมความรู้สึกล้มเหลว ที่จะหาความสุขมันก็เลยกลายเป็นความเศร้านี่ไงเหตุผลว่าทําไมอยู่ๆภาวนาไปแล้วมันเศร้าขึ้นมาเฉยๆตัวนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราทำมาผิดหรือว่าเราทาแล้วล้มเหลวนะแต่มันเป็นเพราะว่าเราตั้งมุมมองไว้ไม่ถูกเท่านั้นเองวิธีตั้งมุมมองให้ถูกเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีคืออย่าไปคิด ว่ากรรมฐานแบบไหนมันเหมาะกับเราแต่ต้องคิดว่าทำอะไรเราต้องทำให้จริงแล้วจับจับต้องให้ได้ชัดเจนทำไปเพื่อความสุขไม่ใช่ทำไปเพื่อที่จะนึกแต่สักว่าทำไปอย่างนั้นนะ yeah. ขออีกนิดหนึ่งคือหมายถึงว่าพี่ตุนแนะนำให้ช่วงนี้หนูสวดมน แบบที่เปล่งเสียงออกมาแล้วเราเวลานั่งสมาธินี่ก็พุดโธได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะหรือว่ายังไม่ควรช่วงนี้คือควรจะต้องเป็นยังไงก่อนพอยของพี่คือว่าเราเอาการสวดมนต์เป็นตัวตั้งคือในใจเราเนี่ยว่าจะใช้อะไรเป็นเครื่องมือที่จะทำให้จิตของเรามีน้าหนักมีความชัดเจนมีความสามารถในการารับรู้มีคุณภาพที่สูงขึ้น อันนี้คือพอยของพี่ไม่ใช่ว่าจะให้เราเลิกทำอะไรแบบไหนนะที่เคยทำทาอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถทำต่อไปได้แต่ตัวที่เราจะมาใช้เป็นเครื่องทุนแรงหรือว่าเครื่องที่จะทำให้เราหยัดตัวขึ้นมายืนได้เนี่ย เ, เรื่องของการสวดมนต์คือโฟกัสไปที่ตรงนั้นแล้วจะเห็นว่าทุกอย่างมันดีขึ้นดีขึ้นหมด Hey, สวัสดีค่ะพนี่ตุลนี้อยู่เมืองไทยเหรอสวัสดีครั้งนะคะพี่ตุลแล้วก็ขอขอบคุณพี่ตุลที่ให้แอนเข้ามาฟังเป็นกรณีพิเศษนะคะแล้วกอ็อยากจะถามพอดีว่าหลายวันมาเนี้ยเหมือนเหมือนกระแสจิตจะส่งว่าต้องมีใครสักคนให้คำตอบเราได้ในสิ่งที่ที่เราเป็นอยู่นะคะ คืออย่างที่เจอพิตุลทุกครั้งเนี่ยก็รู้ว่าที่บ้านแอนอนับปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องและตัวแอนเองก็ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนะคะในการนั่งสมาธิแล้วก็ทํากรรมาฐานเนี่ยนะคะแต่มีอยู่ช่วงเนี้ยค่ะมีความรู้สึกเหมือนที่พิตุลตอบเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับว่าเหมือนจะรู้ว่าจะถึงแอนและแอนมีความรู้สึกว่าพอเข้าิปในถึงจุดที่จิตมันสงบนิ่งแล้วเริ่มสงบนิ่งมันสงบเกินไปจนรู้สึกว่าเหงาและรู้สึกว่ามันอ้างว้าง มันมันอ้างว้างอะค่ะเหมือนเหมือนเรายืนอยู่บนบนภูเขาแล้วมีลมวิววิวิวิวประมาณนั้นนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันทำไมมันมันพอมันยิ่งนิ่งมันยิ่งเศร้ามันมันไม่มีความสุขเหมือนเหมือนที่เราเคยนั่งแล้วปฏิบัติมาแบบนั้นนะคะตอนแรกเนี่ย พอทำสมาธิเนี่ยทุกคนก็จะคาดหวังว่าทาแล้วจิตจะนิ่งจิตจะสงบนะนี้ถ้าเราได้เราถึงตรงนั้นแล้วถึงตรงที่มันสงบแล้วถึงตรงที่มันนิ่งแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนกับเอ๊ไม่เห็นมีอะไรเลยมันกลายเป็นว่าจุดหมายปลายทางหรือว่าความพยายามที่ดันด้นมาเนี่ยมันมันหายไปเฉยเฉยมันไม่รู้อยู่ตรงไหนกันแน่ก็นิ่งเราก็นิ่งได้ สงบแล้วก็สงบได้แต่ทำไมมันไม่มีความพูดง่ายๆว่าไม่มีความสว่างไม่มีความตื่นพลงขึ้นมานะฮะอันนั้นก็เพราะว่าเราขึ้นต้นมาด้วยมุมมองที่ว่าสมาธิเอาที่สุดคือความนิ่งความสงบพอยมันคือตรงนั้นนี้พอได้ความนิ่งความสงบแล้วมันไปต่อไม่ถูกมันไม่รู้จะทำยังไงให้ มันสว่างขึ้นมามากกว่านั้นหรือมีความสดชื่นมากขึ้นกว่านั้นจําไว้ว่าสัมมาสมาธิในแบบของพุทธแหน่งองประกอบของจิตที่มันจะเป็นที่สุดของสมาธิเนี่ยก็คือความนิ่งตั้งมั่นมีความสว่างมีความตื่นรู้เห็นตามจริงว่าอสภาวะที่กําลังปรากฏอยู่ตรงหน้าสภาวะที่กําลังอยู่ในตัวก็ดีนอกตัวก็ดีเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทั้งนั้น แต่อย่างของแอนเนี่ยพอไปนิ่งอยู่แล้วเนี่ยมันหลบเข้ามาข้างในคือมันไม่ได้เปิดออกรับรู้เหตุผลที่มันไม่เปิดออกรับรู้เพราะานั่แนแหละอย่างที่พี่พูดตอนแรกเนี่ยก็คือจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยในการทำสมาธิเนี่ยตั้งเป้าตั้งเข็มไม่แค่ว่าเอานิ่งเอาสงบมันไม่ได้เอารู้รู้อะไรรู้ธรรมาชาติความจริงที่มันกำลังปรากฏแสดงอยู่ อย่างเช่นลมหายใจที่มันกําลังเข้ามันกําลังออกอย่างที่เราเอฝึกไปตอนแรกอย่างตอนต้นเนี่ยคือตอนตอนที่ฟังพี่พูดไปด้วยแล้วแอนทําไปด้วยเนี่ยคือมันมีสองส่วนคือส่วนของการทําความเข้าใจตามไกลส่วนหนึ่งเนี่ยมันใช้มันอาศัยความเคยชินแบบเดิมคือมันเข้าสู่ความสงบแบบที่เราเคยชินเนี่ยเข้าใจเข้าใจที่มันแตกต่างกันนะ ก็คือว่าไอ้ที่เราฟังไปเราทำความเข้าใจแต่ที่มันเคยชินมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันออโต้พายロดมันเป็นไปตามอัตโนมัติอ่าตัวเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะมองเห็นได้ว่าเออความเคยชินของเราเนี่ยที่สุดแล้วมันเอาแค่ความนิ่งมันก็จะได้เห็นว่าจุดหมายเนี่ยมันยังตั้นไปนี่มันก็เริ่มจากตรงนี้แหละที่จะเปลี่ยนแปลงหรือที่จะมีทางเบี่ยงเบน ไปสู่ความสว่างได้เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าจุดมุ่งหมายของการทําสมาธิในแบบของพุทธจริงๆไม่ใช่เพื่อความสงบความสงบเป็นแค่ครึ่งทางเท่านั้นยังมีอีกครึ่งทางที่เหลือให้ต้องเดินต่อและอีกครึ่งทางนั้นก็คือว่าใช้ความสงบอาศัยความสบายอาศัยความรู้สึกว่ามันไม่ฝุ้งซ่านแล้วนั้นเนี่ยไปรู้สิ่งที่มันกําลังปรากฏแสดงอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างเช่นเรื่องลมหายใจเนี่ย คือเมื่อกี้ตอนที่แอนทําไปด้วยเนี่ยอาการของใจมันเหมือนกับว่าเราเราพยายามทําความเข้าใจแล้วก็เนี่ยเห็นแหละว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่เสร็จแล้วพอเราเห็นไปแป๊บหนึ่งมันจะหยุดเข้าใจไหมคือมันหยุดพิจารณามันจะเห็นเฉยๆว่าเออก็เข้าก็าออกแล้วไงมันไม่เห็นแตกตา่างนี้ถ้าเราเริ่มจับจุดสังเกตจากตรงนั้นเนี่ยแหละว่าจิตจิตมันหยุด พิจารณาความเข้าความออกความยาวความพูดง่ายๆว่าหยุดเปรียบเทียบเมื่อไหร่จิตมันจะล็อกอยู่กับอะไรนิ่งๆของตัวเองก็เห็นเป็นอาการทางใจก็ได้ว่าเนี่ยอาการล็อกหน้าตามันเป็นแบบนี้มันหยุดอยู่เฉยๆและจมอยู่เฉยๆนิ่งอยู่เฉยๆคือลักษณะของความนิ่งลักษณะของความจมตรงนั้นเนี่ยไม่ก่อให้เกิดความรู้ถึงความไม่เที่ยงมันมีแต่ความรู้ว่าอะไรบางอย่างนะที่อยู่ในใจของตัวเราเนี่ย ที่ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันหยุดทื่ออยู่เฉยๆพอเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมใจใจมันคลายออกมารู้สึกใช่ไหมว่าเธอมันมันคลายออกมาจากอะไรบางอย่างที่ยึดไว้พอเริ่มเห็นว่าอาการทางใจมันสามารถคลายตัวออกมาจากสิ่งที่ยึดได้มันจะมีกําลังใจเนี่ยมันจะเบิกบานมันมันจะมีความรู้สึกเปิดๆขึ้นมาอย่างเนี้เป็นตัวอย่างของอาการตื่นรู้แบบอ่อนๆ เพราะเนี่ยตอนนี้มันจะเริ่มกลับไปเห็นไหมย่างไหมมันนี่ก็คือการแสดงความไม่เที่ยงของจิตแค่เรายอมรับตามจริงว่ามันมีหน้าตาแบบนี้คือคือเดี๋ยวมันก็เปิดขึ้นมาเพราะตอนที่เรามีผู้ที่ปัญญาขึ้นมาชั่วชั่ววูบ ม, มันจะเปิดขึ้นมาแล้วอีกแป๊บนึงมันจะเข้าสู่ความเคยชินแบบเดิมกลับมาใหม่คือไม่ได้ผิดไม่มีอะไรผิดตรงเงันแคบทุกอย่างเป็นไปดําเนินไปอย่างถูกต้องทุกประการ คืว่ามีปัจจัยอะไรบางอย่างทําให้เปิดทําให้เบิกบานขึ้นมาแล้วพอปัจจัยตรงนั้นหมดกําลังอ่อนกําลังลงมันก็ปิดกลับไปใหม่หน้าที่ของเรามีแค่สังเกตดูแล้วก็ยอมรับสังเกตด้วยอาการยอมรับตามจริงว่าจิตของเราในขณะนี้มีอาการเออ่ที่มันเหมือนซึมๆเฉยๆเนี่ยพอเห็นอาการซึมๆเฉยๆมันก็เหมือนอาจจะเปิดขึ้นมานิดนึง น้ำตาไหลคือมันรู้สึกมันเศร้ามากเาใจคือคือตรงนั้นนี่พี่ไม่อยากไปโยงแต่เรื่องอื่นๆด้วยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเออมันเป็นความรู้สึกอยู่ลึกๆว่าเออเราเราอยากจะมีความสุขมากกว่านี้นะคือคือหมายว่าความสุขทางใจเนี่ยแล้วก็อาจจะเรื่อง ในนู่นแบบอาจจะเป็นสิ่งที่เราจําไม่ได้มองไม่เห็นนะมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ครอบงําชีวิตมนุษย์อยู่โดยที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่สิ่งที่เราสามารถรู้ได้คือปลายทางเนี่ยที่มันกระทากับจิตใจของเราในปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เราอยากร้องไห้มันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหชีวิตมันเป็นทุกข์ที่สุดแก่นสารของชีวิตเนี่ยเราจําไม่ได้ทั้งหมดว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะแต่มันสรุปในใจความว่าชีวิตเป็นทุกข์ คือใจจริงๆเนี่ยมันมีปมทุกคนปมของความทุกข์ก็คือว่ามันไม่สุดไม่ว่าจะได้อะไรมีอะไรแค่ไหนเนี่ยที่สุดแล้วมันมาจุกอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ว่ามันไม่สุดแล้วพอเราปฏิบัติมาได้ความนิ่งได้ความอะไรแล้วแทนที่ความนิ่งนั้นมันจะนำเราไปสู่ความสว่างที่นะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนมันกลายเป็นความนิ่งที่รวมเอาไอ้ก้อนความเศร้าเนี่ยมา เป็นกลุ่มเป็นก้อนหนาแน่นขึ้นมันก็เลยบีบคั้นให้เราถึงกับอยากร้องไห้หรือว่าเกิดความรู้สึกว่าโอยทำไมมันข้างในมันเศร้าขนาดนี้พูดง่ายๆก็คือความนิ่งของเราเนี่ยมันไปรวบรวมอะไรที่เป็นอารมณ์ลบเข้ามากระจุกเราไม่ต้องดูเข้าไปให้เห็นรายละเอียดทั้งหมดก็ได้ เพราะว่าถ้าเราปฏิบัติไปอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยค่อยๆเห็นเริ่มจากลมหายใจเริ่มจากไอความทุกข์ความสุขความอึดอัดความสบายอะไรไปอย่างนี้เนี่ยนะรู้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยจนกระทั่งจิตมันตื่นจริงๆมันจะค่อยๆเห็นเป็นช็อตๆไวเนี่ยที่เป็นก้อนรวมที่มันมาเป็นผลรวมของความรู้สึกเศร้าขนาดนี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรอยู่บ้างมันจะมาเป็นเรื่องๆมันจะทยอยมาเป็นกระบวนรรถไฟไม่ใช่ทยอยมาแบบในลักษณะที่ไหลามาทีมาตูมเดียว แต่ตรงนั้นไม่สําคัญคือไม่ต้องไปให้ค่ากับมันก็ได้ให้ค่าเฉพาะตอนที่ว่าทํายังไงเราถึงจะให้ไอ้ความนิ่งความสว่างเนี่ยมันไอ้ไอ้ความนิ่งความรู้สึกสงบเนี่ยมันมันเกิดเป็นความสว่างขึ้นมาความสว่างในที่นี้ก็คือการได้เห็นว่ากําลังปรากฏอะไรแสดงอยู่ให้เรารู้ได้บ้างงเช่นลมหายใจเนี่ยคื อ, อพอดูด้วยความเคยชินเนี่ย มันจะดูเอานิ่งแต่ต่อไปแอนเนี่ยยงเนี่ยเราก็ทำไปด้วยอย่างเงี้ยที่พอฟังพี่พูดเราก็สังเกตสังเกตไปแต่มันจะยังไม่เห็นชัดนะมันต้องสร้างความเคยชินขึ้นมาอีกยาวพอสมควรมันมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความเคยชินอีกค่อนข้างจะมากพอสมควรนะมันถึงจะเอาชนะความเคยชินแบบเก่าได้ นี่อย่างพอแอนฟังฟังไปมันเกิดความรู้สึกเหมือนกนเออมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาข้างในใจมันจิตมันมันสว่างขึ้นตื่นขึ้นรู้สึกระบายขึ้นรู้สึกโปร่งโล่งเหมือนกับกระเทาะอะไรออกมาได้บางส่วนแต่มันยังไม่ทั้งหมดมันยังเหลือคล้ายๆว่ามีอะไรโปะโปะอยู่เงี้ยวิธีที่จะดูก็คือว่าเราจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเริ่มอย่างที่พี่ว่านี่แหละขึ้นมาก็ออสารวจน เท้าไล่มามือไล่มาทั่วทั้งใบหน้าเนี่ยเพื่อให้ร่างกายมันผ่อนคลายจริงคือเราจะได้ตัดประเด็นปัจจัยทางร่างกายเนี่ยที่มันมาแทรกแทงเพราะบางทีบางคนไม่รู้ตัวมันยังเก็งๆอยู่แล้วไปปืนทําให้มันนิ่งมันนิ่งได้จริงแต่นิ่งแบบฟรีซมันไม่ใช่นิ่งแบบมีความแข็งแรงออกมาจากข้างในมันนิ่งแบบแข็งทื่อไปเฉยๆแล้วพอร่างกายเริ่มมีความพร้อมจริงๆเนี่ยเวลาที่เรารู้ลมหายใจ เราต้องสังเกตว่าที่เรารู้อยู่เนี่ยมันมันรู้อยู่ได้อาการเห็นว่าลมเข้าลมออกเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นหรือเปล่าพูดง่ายๆมีการเปรียบเทียบอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าอาการของใจที่รู้ลมหายใจอยู่มีอาการเปรียบเทียบอย่างนั้นใช่แต่ถ้าหากว่ามันรู้อยู่เฉยๆแล้วมันค่อยๆถื่อลงทื่อลงแล้วก็ไปจับจับอยู่ตรงที่ว่าเออเนี่ยตักแต่รู้รู้ไปว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก จิตมันไปกระจกอยู่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันไม่ใช่รู้แล้วมันคือพยายามทําให้นิ่งกดให้นิ่งไว้เฉยๆเข้าใจปอยนะเนี่ยตอนเนี้ยที่มันเดี๋ยวก็คลายเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวมันก็มีปิติขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เฉยๆไปย่าเงี้ยแค่เนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถรู้ได้นะระหว่างทีเ่เรารู้สึกถึงลมหายใจไปอาการพวกนี้มันจะ เกิดขึ้นบ้างไม่เกิดขึ้นบ้างถ้าเราเราพิจารณาดูเนี่ยมันจะเห็นเลยนะว่าตอนที่ใจของเรารู้สึกเปรียบเทียบอยู่ว่าลมหายใจมันไม่เท่ากันเนี่ยมันมีปิติได้บ่อยมันมีความเบาได้บ่อยเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยโดยเดิมมันถูก มันถูกครอบงําอยู่ด้วยความยึดความหลงว่าเนี่ยตัวเราเนี่ยจิตของเรานี่ลมหายใจของเรานี้พอมันเริ่มไปสังเกตใหม่เห็นว่าลมหายใจเนี่ยแต่ละละล่องเนี่ยมันไม่เท่าเดิมมันก็เกิดอาการคลายจากอุปาทานไอความคลายจากอุปาทานนั่นแหละคือความเบาคือต้นเหตุของความเบาต้นเหตุของความรู้สึกเออไม่ต้องยึดก็ได้มันถึงเปิด ให้ปิติเนี่ยมันพุ่งออกมาคล้ายๆกับน้ำพุที่มันปวดพุ่งออกมานะตรงนี้เราก็สังเกตว่าอาการของใจเป็นยังไงเราก็รู้ไปตามนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่าไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์อะไรไปทั้งสิ้นว่าถ้าเกิด ปรากฏการทางใจหรือว่าอารมณ์ใดๆขึ้นมาแล้วเราจะต้องทำยังไงถ้าไปตั้งกฎเกณฑ์ไว้เนี่ยนั้นเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการบังคับตัวเองแล้วจำไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มต้นด้วยความเคยชินที่จะบังคับตัวเองเมื่อนั้นตัวตนมันปรากฏอยู่ร่ำไปมันจะมีความรู้สึกว่าเนี่ยเราต้องทำให้ได้เราต้องทาให้สาเร็จทาไม่สาเร็จเราเป็นคนเศร้านะแต่ถ้าหากตรงงนข้าม คือไม่ได้กะเกณฑ์ไว้วยังไง <_ d> um> เห็นอยู่ยอมรับตามจริงนะอารมณ์เศร้าเกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างถ้ามันเศร้าขึ้นมารู้สึกว่าสะเทือนรู้สึกว่ามันมีอาการสั่นอะไรขึ้นมาบางทีมีสันส่นสั่นออกมาจากข้างใน อ, ะอ่ะอ่านั่นนะ่ะเราก็แค่ทําทําใจว่าเออเนี่ยมันเกิดขึ้นนะยอมรับมันนะคือยอมรับเหมือนกับ เหมือนกับเราไม่ได้ทําสมาธิไม่ได้เป็นนักปฏิบัติไม่ได้พยายามจะภาวนาให้เกิดอะไรขึ้นทั้งสิ้นแต่แค่ยอมรับเหมือนกับคนคนหนึ่งยอมรับว่าเออเนี่ยนะมันมีอะไรบางอย่างที่นะมันมาเปียกตัวเรามันมันจะไปปฏิเสธทําไมว่าไอนี่ยังแห้งอยู่ก็แค่ยอมรับไปเปียกแล้วเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็แห้งไปเองนี่ด้วยอาการแบบนี้ของใจเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินแบบใหม่ไม่ใช่บังคับตัวเองเพื่อที่จะเอาอะไรแต่ตรงเันข้าม นะปล่อยให้ตัวเองปล่อยให้ตัวตนมันหายไปพร้อมกับไอความรู้จริงๆว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาตามเหตุปัจจัยอย่างความเศร้าเนี่ยตอนนี้สํารวจสังเกตก็ได้ว่าอะไรบ้างเป็นเหตุของความเศร้าแต่ให้รู้ก่อนว่าความเศร้ามาันมายอมรับแล้วก็เสร็จแล้วเห็นความเศร้าหายไปเป็นห้วงๆวงจนกระทั่งจิตเนี่ยมันมีความตื่นอย่างตอนเนี้ยคือ มันมันมีอาการคิดตามคิดทบทวนนะเออมันมันมีความมันมีความรู้สึกเหมือนกับต้องทําความเข้าใจให้ได้อะไรแบบนี้ลักษณะของจิตแบบนี้มันก็ทําให้จิตมันปิดแคบลงมาเนี่ยอย่างตอนนี้พอมันเห็นอาการนั้นมันก็เปิดออกเราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะค่ะคือเออ มีข้อสอบถามอยู่สองข้อค่ะข้อแรกก็คือจากชีวิตประจำวันเนี่ยคือถ้าโดยทั่วไป ด, วด้วยการทำงานคือแบบว่าบางที เ, เรากลับดึกแล้วต้องตื่นเช้าทำให้ไม่มีเวลาแบบสวดมนต์หรือว่านั่งสมาธิต่อเนื่องทุกวนันทุกวันนะคะแต่ว่าก็จะใช้วิธีแบบว่าคือแบบอย่างถ้าวันไหนที่เป็นวันหยุดยาวที่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดเนี้ยค่ะคืออันนี้นก็วันนั้นก็จะแบบสวดมนต์เต็มที่คือ เสด็จเต็มที่นั่งสมาธิเต็มที่แต่ว่าถ้าถ้าวันเป็นวันทํางานไงค่ะก็จะใช้วิธีคื อ, อขับรถอย่างเวลาขับรถเงี้ยค่ะก็จะภาวนาไปไปเรื่อยๆแทนอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเวลาถ้าเวลาที่เลิกงานแล้วไงคือแบบมันเพลียคือรู้รู้เลยว่านั่งนั่งไม่ได้แน่ท่านั่งนี่คือหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนนี้จะถามว่าเคยเมันจะมีอาการที่แบบว่าวันที่ขับรถไปก็ก็นั่งดูลมหายใจไปเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีบางทีมันจะมีความคิดอะไรบางอย่างที่แบบ เหมือนมันปิ้งขึ้นมาแล้วตะกี้พอดีได้ยินพี่ตุลพูดคําว่าผู้ที่ปัญญาใช่ไหมคะวันนี้เราไม่แน่ใจว่าเคยเคยเป็นแบบบางทีเรากังวลกังวลอยูก่กับปัญหาอะไรสักอย่างเงี้ยกังวลอยู่นั่นแหละแต่ว่าเรายัางหาทางออกไม่เจอหรอกแต่อยู่ๆบางทีแบบขับขาบรถไปแล้วก็เหมือนภาวนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆมันก็มีอะไรบางอย่างที่แบบเป็นคําตอบออกมาเองอย่างเงี้ยค่ะคือตรงเนี้ยค่ะอยากอยากจะถามพี่ตุนว่ามันมันเป็นผู้ที่ปัญญา <Okay. S 1> ค่ะ พูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าจิตที่มันมีความตื่นมีความรู้มีสตินะว่าเออเนี่ยภายในขอบเขตร่างกายของเราจิตใจของเราเนี่ยมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่มันไม่ใช่ตัวตนอยู่อันนี้คือผู้ที่ปัญญาแต่กรณีที่เราติดขัดอะไรแล้วเกิดความรู้สึกสว่างว่าขึ้นมาอันนั้นเป็นปัญญาที่มัน เ, เหมือนกับจิตอาจจะทํางานเองหรือว่าอาจจะในลักษณะที่ว่าเออเราเพิ่งมามีสติเต็มที่แล้วสติเต็มที่ตรงนั้นเนี่ย มันมันชี้ช่องหรือว่าแหวกอุปสรรคให้มันมันออกเปิดออกได้นะก็ทำให้พบคำตอบจริงๆแล้วตัวคำว่าปัญญาเนี่ยที่สุดแล้วมันก็คืออาการตื่นของจิตนั่นแหละอาการที่จิตมันรู้เท่าทันเหตุและปัจจัยทั้งหลายอย่างเช่นบางที เราอาจจะนึกว่าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องขอบคิดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ค้างค้างอยู่แต่ว่าจิตเนี่ยเขาทํางานโดยที่เราไม่รู้ตัวคือเขากําลังพยายามที่จะขจัดอุปสรรคในตัวเองออกเท่านั้นเองคือตัวที่มันเป็นอะไรที่มันบดบังนะพะตัวที่มันบดบังเปิดออกถูกทําลายทิ้งมันก็กลายเป็นความสว่างของจิตขึ้นมาแทนเท่านั้นเองคือคือมันเป็นการทํางนานของพวกระบบความคิดแต่แต่ไม่ใช่มาจากสมาธิใช่ไหมคะ คือไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เกิดจากการที่เราบวชฝึกสมาธิแล้ว เ, เกิดอย่างนี้ยแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอ๋อคือหมายความว่าเหมือนแบบอย่างที่พี่ตุ้นว่าคือมันเหมือนเป็นระบบความคิดที่มันตกค้างอยู่แล้วอยู่ๆมันก็แบบคลายของมันขึ้นมาเองใช่ไหมคะคือคือไม่ไม่ไม่ได้เกิดจากการฝึกสมาธิใช่ไหมคะ่ะมันมีอาการต้อนรับความอารมณ์อารมณ์มแบบคิดวกวนเนี่ยคําว่าต้อนรับเข้าใจไหมคือมัน มันเหมือนเป็นพ่วงเดียวกันกับความคิดที่มันไม่จบมันวนตรงนั้นเป็นอาการอย่างหนึ่งของโมหะคือเราจะรู้สึกได้ถึงเมฆหมอกที่ทั้งๆที่ใจลึกๆเรารู้สึกว่าน่าจะคิดได้แล้วแต่มันเหมือนมีอะไรห่อหุ้มอยู่บวกลมอยู่คืออธิบายตัวเองไม่ได้รู้แต่ว่าเนี่ยมันคลุมอยู่นั่นเป็นเพราะว่า เราสะสมความยังเคยเป็นคนที่น้อยใจอย่างเงี้ยนะก็คือน้อยใจง่ายอะแบบอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะจมอยู่กับอารมณ์น้อยใจเนี่ยตัวเนี้ยที่มันชักนําตัวโมหะเข้ามานะคือพอจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าคิดได้ตั้งนานแล้วน่าจะอะไรตั้งนานแล้วแต่มันออกจากตรงนี้ไม่ได้ก็เพราะว่าสะสมอารมณ์ที่มันเป็นเนื้อ มันไม่ใช่น้อยใจอย่างเดียวนะมันมีอีกหลายอย่างแต่ตัวน้อยใจมันเด่นขึ้นมานิดนึงมันมันเหมือนกัน้นอยใจคนข้า่รอบตัวน้อยใจสะตาน้อยใจนูน่นน้อยใจนี่บางทีก็นึกไปถึงเทวดานู่นอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> นั่นแหละมันมันเห็นไหมคนเราเนี่ยชอบน้อยใจในสิ่งที่มันไม่มีตัวตนคือเพราะถ้ามันมีตัวตนเนี่ยมันโทษได้ง่ายง่ยไง แต่พอโทษไม่ได้ก็บอกสงสัยเทวดาฝีมือเทวดานะหรือไม่ก็ผีมือพ่อแม่หรือไม่ก็อะไรที่ต้องต้องหาแพ้สักตัวนึงแง่มารับนี้อารมณ์น้อยใจแบบไม่มีเหตุไม่สมเหตุสมผลเนี่ยคือคนจะไม่เข้าใจว่าส่งผลส่งอิทธิพลสะเทือนไปได้ถึงขนาดไหนมันสะเทือนได้ถึงขนาดที่ว่าถ้าเราจะคิดอะไร อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกิจจาักษณะเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมันคิดไม่ออกมันจมอยู่เหมือนถูกไอ้ตรงนี้ปิดแล้วมันกั้นคล้ายๆกับมันมันไม่ใช่กั้นแบบกําแพงที่มัมนสูงหนาหนักอะไรนะแต่มันเหมือนกับเมฆหมอกเมฆหมอกอะไรบางอย่างที่เรามองทะลุออกไปไม่ได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยทางที่ดีที่สุดเนะก็คือว่าถ้าเกิดอารมณ์ลบในทํานองน้อยใจเสียใจ แบบไม่สมเหตุสมผลอีกเนี่ยต้องรู้ตัวให้ทันแปะชื่อให้มันเลยว่านี่เนีะที่เรียกว่าโมหะเห็นมันเป็นเมฆเข็นมันเป็นหมอกเข็นเป็นอาการอะไรก็แล้วแต่ที่มันกำลังรู้สึกอยู่ตามจริงเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันบูบูบาบาบเข้าใจไหมว่าอาการบูบูบาบๆาบาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเหมือนเห็นไง มันเหมือนเห็นจริงๆว่ามีม่านหมอกแต่เห็นแล้วมันก็กลับมาปกคลุมอีกคือคือคล้ายๆว่าเห็นแต่มันไม่ได้หายไปไหนแล้วพอเวลาเราออกจากห้องนี้ไปมันก็จะยังมีอาการแบบนี้แหละเหมือนเห็นแต่ไม่หายไปไหนนี่วิธีฝึกเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องการภาวนาอย่างเดียว มันเรื่องวิธีคิดด้วยต่อไปเนี่ยบอกตัวเองตั้งทงไว้เลยนะถ้ามันจะคิดน้อยใจถ้ามันจะคิดอะไรแบบไม่สมเหตุสมผลขึ้นมาเนี่ยบอกตัวเองทันทีว่านี่ตัวนี้คือสาเหตุคือม่านหมอกที่มันมาบดบังจิต ใ, ใจของเราไม่ให้เข้าถึงความจริงความจริงที่สมเหตุสมผล แล้วก็ยังบางทีเรามีเป็นช่วงๆที่มีอาการตั้งหน้าตั้งตาขยันนั่นเราก็รู้สึกว่าขยันบูบหนึ่งแล้วมันก็เหย่ยวลงมานี่แบบนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักกําลังตัวเองกําลังตัวเองนี่แท้จริงเนี่ยควรจะค่อยๆไปจากจุดที่เป็นอยู่จริง นะค่อยๆไปทีละนิดค่อยๆขยอยยบขึ้นไปไม่ใช่ไปคาดหวังว่าจะตั้งหน้าตั้งตาแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในชาันชั่วข้ามคืนนี่ไก่เป็นนะไก่ที่มันขยันันแข็งจริงๆหรือว่ามีความสดใสจริงๆขึ้นมามันมันฝืนธรรมชาติมันผิดธรรมชาติพอมันไม่เป็นจริงเราก็ยิ่งท้อแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าไปลุกโพร่งขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วมันก็มอดดับลงไปภายในเวลาไม่นาน เอาแบบค่อยเป็นค่อยไปจาไหมนะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนคนที่คิดว่าเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนนั่นคือคนที่ในที่สุดแล้วจะต้องมากลับมาท้อทแท้กับตัวเองโอเคจ้ะไน่น้องหันเป็นไงเรายาวนิดนึงเริ่มต้น เ, เคยไปหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าแยกกายแยกใจได้แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ตัวว่า ทำได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอกลับมาเหมือนกับพยายามที่จะทําให้มันเหมือนเดิมแล้วมันทําไม่ได้เรายังแก้ตรงจุดนั้นไม่ได้ค่ะแล้วก็แม่มาเสียช่วงประมาณแบบเมษาค่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นความเบื่อเราก็เหมือนไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้แต่เห็นแบบส่วนมากเป็นความกลัวเหมือนกลัวว่าออ่จะต้องเสียเสียคนรักไปจาก ความตายอีกอะไรเงยคะ่ะแล้วก็มันกลัวความตายกลัวความป่วยมันก็เหมือนทุกอย่างมันก็ดรอปลงความรู้สึกตัวมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีเหมือนเดิมแล้วขอคนะําเนี้อืมก็ตอนนี้มันครอบอยู่ด้วยอารมณ์อารมณ์ที่มันมืดมืดน่ะนะ ความคิดที่คือเราชอบไปสั่งสมความคิดที่มันเป็นเนก a t i มาแล้วก็ยึดอยู่ตรงนั้นบางทีมันคิดขึ้นมาเองแต่บางทีมันก็เหมือนกับมีเหตุกระตุ้นยกวัวอย่างเช่นเรื่องแม่เนี่ยจริงๆเนาะเราก็น่าจะทำใจมาระยะหนึ่งแล้ว แต่เอาข้อจริงคือมันกลายเป็นข้ออ้างที่จะยอมให้ตัวเองเนี่ยอยู่กับอารมณ์มืดอารมณ์ลบลองสังเกตตัวเองเ mm hmm. คือทบทวนไปนะก่อนหน้าเนี้มันเหมือนเตรียมใจไว้อยู่แล้วแล้วพอเกิดขึ้นจริงๆก็กลายเป็นยอมยอมที่จะยอมที่จะเขว้งคือพอเกิดอารมณ์เคว้งแทนที่จะดูความเคว้ง คือเกิดอารมณ์เศร้าแทนที่จะดูความเศร้ามันกลายเป็นรู้สึกว่าเออตรงนี้มันสมควรเพราะแม่เสียไปเนี่ยใกลๆมันก็ต้องเศร้าเนี่ยมั น, ม, นมันคล้ายๆมีข้ออ้างมีข้ออ้างที่จะเกิดอารมณ์ที่มันเป็นเนกติปทั้งๆที่จริงๆเนี่ยความสามารถของเราที่แท้จริงมันสามารถดูได้ point ของพี่คืออย่างงี้นะเราสามารถดูได้แต่ไม่ดูเพราะมันชอบมีข้ออ้าง หรือมีความคิดในแง่ที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยหย่อนยานลงอันนี้คือพ o i n t สาคัญนะวิธีจัดการกับความคิดที่บอกเรามันต้้นแล้วความคิดของเราเนี่ยมันเป็นตระตรูของตัวเองนะคือถ้าจะอะไรจะวางความก้าวหน้าได้มากที่สุดก็คือความคิดของเรานั่นแหละแล้วถ้าอะไรจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราก้าวหน้าได้ ไว่กว่าอย่างอื่นก็ความคิดนั่นแหละคือความคิดของเราเนี่ยมันชอบยอกย้อนมันคิดได้แล้วแต่ย้อนกลับมาจุดที่ยังคิดไม่ได้ใหม่หรือเราตกลงวงใจไปแล้วว่าจะเอาอยัางงี้มันดีคืนดีมันย้อนกลับมาใหม่เหมือนกับยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยเข้าใจพอไหมเห็นไหมความคิดเนี่ยความคิดอย่างเดียวเนะ้ ควบคุมชีวิตเราได้ทั้งชีวิตแต่ถ้าหากว่าเราให้สติไปเป็นตัวรู้ความคิดได้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะอที่มันจะเป็นไปก็คือว่าชีวิตของเราที่เหลือมันจะค่อยๆมีสติจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเพราะของเรามันมันยากตรงที่ว่าทุกอย่างเรารู้หมดแล้วเราเข้าใจหมดแล้วแต่ติดที่ความคิด กคงของความคิดเนี่ยมันไม่ปล่อยตัวเองมันชอบมีข้ออ้างอ้างว่าต้องเดี๋ย ว, ต, ออยงงยวต้องอย่างนั้นเดี๋ยวต้องอย่างนี้อุ้ยฉันยังมีกิเลสมากพอพูดออกมาคำเดียวนะฉันยังมีกิเลสอยู่เยอะมันเป็นข้ออ้างที่สำคัญที่สุดที่จะให้ตัวเองทำอะไรก็ได้เข้าใจพอยป่ะแต่ถ้าเราบอกตัวเองว่าเออเนี่ยเฮ้ยจริงๆแล้ว แค่ไม่คิดอย่างนี้ฉันก็ทําได้เนี่ยไม่ต้องปล่อยตัวเองให้มันจมไปกับอารมณ์ก็ได้เนี่ยเปลี่ยนความคิดนิดเดียวนะเราสามารถดึงความรู้เก่าๆเนี่ยกลับมาใช้ได้ทันทีแต่นี่เราจะรู้อะไรมาแค่ไหนมันถูกล็อกไว้ด้วยความคิดว่าวันนี้ทําไม่ได้วันนี้ไม่มีแรงพอวันนี้ขอเล่นก่อนอะไรก็แล้วแต่ที่มันผุยขึ้นมานะ แล้วเรารู้ได้ว่านั่นแหะเป็นตัวเบรกความก้าวหน้าไว้ให้รู้ว่านั่นคือความคิดในทางที่จะชดให้ตัวเองมันถอยหลังหรือย่ําอยู่กับที่คือเวลาที่มันเกิดความกลัวอย่างเช่นความเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเรามีอาการผิดปกติทางร่างกายนิดนึงแล้วมันจะเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดคิดแล้วก็คิดไปแบบเป็นสเต็ปไปในแง่ลบอเี้ยคือไม่รู้ที่พี่เห็น น, น, นะคือ มันมันไม่ได้นําขึ้นมาด้วยความกลัวมันนําขึ้นมาด้วยก้อนความคิดชั้นหนึ่งที่มันเคยชินที่จะขวางโลกอะ่ะเริมดูตรงนี้ยจากจากตรงไหนอะ่ะตระตรงที่มันรู้สึกว่า <c oughs> มีอะไรบางอย่างขวางอยู่ต้องไปสังเกตดูอย่างสมมติว่าเราตั้งใจจะเดินจงกรมอย่างเงี้ย มันจะมีความรู้สึกเหมือนเบรกเหมือนอะไรจะเบรกไว้เข้าใจไ่มความความรู้สึกเบรกเข้าใจไหมมันมีอะไรมาห้ามไว้มันมีอะไรมากั้นไว้อ่าตรงเนี้ยถ้าเรารู้ไปเรื่อยๆถึงอาการเบรกอาการเหมือนกับแข็งแข็งที่มันที่มันผลักไว้ที่มันห้ามไว้พอนานไปมันจะเริ่มเห็นเป็นลักษณะความคิดตอนแรกๆมันจะมีแต่ความรู้สึกว่าเหมือนเป็นกำแพงยันยันเอาไว้ ห้ามเราไว้แต่พอนานๆไปเนี่ยที่เราเห็นบ่อยๆนะมันจะเห็นเป็นความคิดค่อยๆเห็นเป็นผุดขึ้นมาเป็นความคิดแบบเก่าที่ว่าเออมีไม่ทำเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพราะว่าทำไม่ได้แต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยน่าจะไปทำอะไรอย่างอื่นก่อนหรือว่ามีเหตุมีข้ออ้างที่จะชวนให้เราเขวออกไปจากสิ่งที่ตั้งใจจะทำ พอใจพลอยนะเห็นความรู้สึกก่อนแล้วมันจะค่อยๆเห็นมัเองว่าเรามีพื้นฐานความคิดมายัางไงแล้วถ้าเห็นแล้วมันมีแรงต้านก็คือดูแรงต้านตรงนั้นต่อไปค่ะว่ามันแบบเห็นเห็นแรงต้านเนี่ยนะฮ อ, อมันจะมันจะของเราเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าแรงต้านตรงเนี้ยมันของเส้นของวามันไม่เห็นว่า แรงต้านตัวเนี้ยมันมันเข้มข้นขึ้นมาแล้วหายไปถ้าเราเห็นไอ้ความแรงต้านตรงนี้มันคงเส้นคงวาเนี่ยเราก็อาจจะต้องพิจารณานิดนึงว่าที่มันยังคงเส้นคงวาอยู่เพราะมันมีอาการคิดไปในแนวทางนั้นคือจริงๆใจจริงๆเนี่ยมันมีอาการต่อต้านต่อต้านไม่ให้ตัวเองจเจริญก้าวหน้ามาในทางนี้มันสะสมความคิดไว้เยอะไงมันหลายครั้งหลายชั้น นกระทั่งเรารู้สึกเหมือนกันว่าตัวเราจริงๆเนี่ยไม่มีความสามารถหรอกในทางที่จะเอาดีให้ได้เข้าใจไหมบางทีความคิดเนี่ยมันมีหลายครั้งแล้วสะสมมาจนเราจำไม่ได้ว่าคิดอะไรบ้างแต่ที่สุดแล้วมันคือแรงห้ามมันคือกำแพงขวางยันเราไว้เข้าใจพลอยนะก็คืออยากรู้ว่าณนะวันนี้ค่ะมันควรจะเริ่ม จากไหนคือหนุ่มสมาธิน้อยลงควรกลับไปทำตามรูปแบบเก่าคีย์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ไงกำแพงเนี่ย <c oughs> คือไปสังเกตมันจะเกิดขึ้นบ่อยเราไม่สามารถทำได้เราทำไม่ได้มากไปกว่านี้หรอกอย่าเพิ่งทำเลยอะไรแบบเนี้ยคือถ้าดูตัวนี้ได้แล้วมันผ่านมันรู้สึกเห็นเอ้ยเอยเอมันเป็นแค่ภาวะความรู้สึกชั่วคราว พอตรงนี้มันโล่งไปได้ในะความรู้โอกาสมันก็กลับมาหมดแหละเข้าใจพลอยของพี่นะคือไม่ใช่ว่าพี่เป็นเน้นว่าควรจะปฏิบัติตรงไหนในรูปแบบแบบไหนแต่ว่าข้ามหปตรงนี้ไปให้ได้ด้วยการดูให้เห็นเข้าใจนะค่ะก็ปกติโดยพื้นฐานนะคะเป็นคนค่อนข้างคอมโพม m i ปฏปณีปร ะ, น, ปะนอมแล้วก็ บางทีเนี่ยทำให้เราไปตามน้ำกับคนทั่วไปแต่ว่าพอเริ่มมีศีลปฏิบัติเนี่ยแล้วมันทำให้บางทีมันเกิดความรู้สึกว่าเราต้องว่ายทวนนะ้ำไม่ถูกต้องแต่ว่ามันยังประสบภาวะที่มันจะทำให้บางทีไปเหยียบท้าใครหรือว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราเป็นและไม่ได้รับการยอมรับซึ่งมันจะเป็นสภาพที่ด้วยความเป็นคนคอมโพมาย์ค่ะ พอเจอสภาพแบบนั้นมันจะรู้สึกไม่ไม่เป็นสุขจะปฏิบัติกับความรู้สึกตรงนั้นยังไงเพื่อให้ไม่พาเราต้องเด็ดขาดคือถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าไอ้นี่คือความถูกต้องเราดูใจตัวเองเลยว่าเออพอเราเห็นว่าเราจะต้องทำอะไรจริงๆเพื่อความถูกต้องแล้วเนี่ยใจมันจะมีความรู้สุกเข้มแข็งขึ้นมาแต่ตอนยังไม่ตัดสินใจคือจะเอาใจทุกคนจะให้ถูกใจทุกคนใจของเราเนี่ยมันจะไม่มีหลัก ไม่มีหลักยึดความเข้มแข็งมันจะเป๋ไปเป๋มาซ้ายทีขวาทีนะต้องท่องไวเลยว่าถ้าเราพยายามที่จะทำให้ถูกใจทุกคนสุดท้ายจะไม่มีใครถูกใจเลยสักคนรวมทั้งตัวเราเองด้วยแต่ถ้าหากว่าในโลกนี้เราจะทำให้ถูกใจตัวเองในแบบที่มันรู้สึกว่านี่คือความถูกต้องต่อให้คนทั้งโลกไม่ถูกใจเลย ก็จะมีเราอยู่คนหนึ่งที่ถูกใจที่รู้สึกว่ามันใช่ขึ้นมาบางทีนะถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ในเมืองคนเลวไม่มีใครเห็นด้วยกับการการะทาของเราเลยแต่เรารู้มาจากนอกเมืองก่อนเข้าเมืองว่าความถูกต้องคืออะไรแล้วเรายังทำไปโดยไม่มีใครเห็นด้วยเลยสักคนเดียวอย่างน้อยที่สุดเรายังรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้ได้ ก่อนที่จะมาเข้าเมืองตาริวเนี่ยเราเคยเป็นคนตาตรงมาก่อนตาเปิดสบายๆการที่จะมาให้ริวตาตามใครเขาเนี่ยนะคือบางครั้งถ้ามันเป็นการหลิวตาในเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าหลิวตาแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยเราเสียเสียลุกไปเลยเนะเสียความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนเก่าๆของเราไปเล ย, เยอันนั้นคือไม่ใช่แล้ว นั้นคือสิ่งที่เราเสียมากกว่าการ เ, าเสียมากกว่าความรู้สึกถูกต้องมันเสียตัวตนที่มันถูกต้องของเราไปด้วยคือมันไม่พูด ง, ง่ายว่าเราถูกเปลี่ยนให้แย่ลงแต่ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเรารักษาตัวตนที่มันดีที่มันถูกไว้ได้ถึงแม้ว่าเาจะต้องมีเรื่องระหองระแหงหรือว่าทุกข์ใจบ้างเนี่ยแหละ เราบอกตัวเองว่ามันเป็น ờ, เรื่องเราหองเราแหงหรือไม่ถูกใจของคนบางคนเท่านั้นแต่อีกส่วนหนึ่งที่เขา ย, ยังเห็นด้วยกับเราที่เขา ย, ยังมีความถูกต้องอยากจะถูกต้องเหมือนกับเราเนี่เยเขาก็ยังเป็นพวกเราได้อยู่ถ้าคนไม่เห็นเทวดาก็เห็นนีก็คือให้เพิกเฉยกับไม่ใช่เพิกเฉยตัดสินใจแล้วสังเกตใจตัวเองว่าเราเลือกว่าเราเอยากความถูกต้อง ไม่ได้เอาความถูกใจทุกฝ่ายใจเราจะเข้มแข็งขึ้นมาแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจะพยายามให้ถูกใจทั้งทุกฝ่ายใจเราจะอ่อนแอมันจะปว ก, เ, กเปียกเปไปเปมาสังเกตใจแล้วจะเห็นความจริงพอเห็นความจริงแล้วมันจะเลือกได้ด้วยความมั่นใจมากขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะคือหนูจะรบกวนถามอะคะ่ะดูไม่ไม่ไม่ได้มีรูปแบบชัดเจนว่าปฏิบัติยังไงอะคะ่ะแต่ว่ามันจะติดคำวริกรรมอะคะ่ะพุโทโธซ้ายขวาอะไรเงะะี้ยค่ะคือไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันพอจะเป็นจุดเริ่มทำพวกสมาธิหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยค่ะ จิตของเราเวลาถ้ามันจะตรงมันก็ตรงได้นะมันมันที่เราพูดถึงนี้มันเหมือนแกนจะรู้สึกว่าตัวเองเป๋เหรอเหมือนเป็นคนไม่มีหลักอะค่ะพี่แบบเหมือนคือหนูไม่ได้เข้าหาสํานักปฏิบัติอะไรคือจะอาศัยอ่านหนังสือเอาแล้วก็อันนี้เขาบอกให้ทำแบบนี้หนูก็เอามาปฏิบัติ่างเงี้ยค่ะนั่งสมาธิดูลมหายใจท่องพุโทโธเดินจงกรมอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนที่พี่บอกว่า ก็ไม่ได้เน้นหนักสักทางหนึ่งอะคะ่ะไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรเงี้ค่ะแล้วมันก็จะมาเป็นแบบเป็นช่วงๆอะคะ่ะช่วงนี้ขยันก็ทําอะไรพวกนะะี้ค่ะในจิตเราถ้าโฟกัสจริงๆมันก็โอเคนะคือมันไม่ได้เป๋ไปเป๋มาคําว่าเป๋ของเราหมายถึงว่าทําทีละครั้งไม่ใช่ซ้แบบเดิมอะไรแบบนี้ให้มันก้าวหน้าขึ้นไปใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับอะไรจริตมันก็ตรงพอสมควรแะ เดี๋วอวต้องจูนความเข้าใจให้ตรงกันก่อนคำ ว, ว่าเป๋ไปเป๋มาไหมคำ ว, ว่าเราเหมือนกับไม่ได้พัฒนาไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ชัดเจนอย่างนั้นใช่ไหมคือความหมายของเราแต่ตอนที่เราอยู่กับอะไรมันก็สามารถนิ่งได้เพียงแต่นิ่งเนี่ยมันจะไม่นิ่งแบบพัฒนาสติรู้มันจะนิ่งแบบที่กดตัวเองให้อยู่กับอาการนิ่ง นะอันนี้เข้าใจตรงกันหมดนะคือ ถ้าจะให้มันเป็นไปแบบดีที่สุดนะก็คือว่าเราควรจ ะ, จะเจริญสติในแบบเคลื่อนไหวด้วยไม่ใช่เคยชินอยู่กับกันไ ป, <c oughs> ไ, ป <c oughs> ไปจ้องอะไรนิ่งๆอย่างเดียวอย่างเช่น เ, ออเดินโยนกลมบ้างว่าไม่ได้เดินเลยนั่นว่าแล้ว เวลาเดินจงกรมเนี่ยนะเอาง่ายๆเลยคือในระหว่างวันเนี่ยต้องฝึกเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยรู้สึกถึงเท้ากระทบไปรู้สึกามันแป๊บแป๊แ ป, แป๊ไปเฉยๆแต่ของเราเนี่ยพอจะให้ไปรู้เท้ากระทบเนียใจใจมันจะเหม่อใจมันจะวอกแวกออกไปเพราไม่เคยชินแต่การจเจริญสติแบบลืมตานะของเราจะ ออกมาแบบเน้นรับตายอย่างเดียวเพราะว่าลองทบทวนดูอย่างเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะคิดฝันกลางวันไปเรื่อยมันจะลอยไปตามข้างท า, างมันจะลอยไปเหมือนอยู่โลกโลกอื่น <c oughs> คือไม่หยุดไม่ได้กายเนี่ยมันเหมือนกับอยู่บนฟุตบาทแต่ใจเนี่ยมันเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่ง นึกออกใช่ไหมมันมั น, มนบางทีฝันหวานไปเรื่อยหรือไม่ก็ติดละครมาเนี่ยไม่ดูทีวีไม่ได้ดูไม่ได้ดูทีวีเลยใช่ไหม <c oughs> แต่มันชอบฝันนะมไม่เอามายางไหนความฝันเนี่ยฝันเองเหรอชอบเพเจอร์ค่ะ <c oughs> ไม่หรอกมันคือผู้หญิงส่วใหญ่จะช่างฝันแต่ของเราเนี่ยคือมันติดนิสัยเลยเดินไปไหนมาไหนเนี่ย มันจะทาใจตัวเองชอบคิดอะไรหวานแหววเหมือนแบบพูดง่ายๆว่าตอนวัยรุ่นใหม่ๆกับตอนนี้ไม่ต่างกันเลยอะไรแบบเนี้ยนะห้ามเปลี่ยนใหม่คือตอนเดินไปเนี่ยเราบอกตัวเองว่าเราจะรู้สึกถึงเท้ากระทบเท้าที่มันกระทบกระทบกระทบไปจะได้มีที่หมายชัดเจนว่าจะให้รู้อะไรเพราะไม่งั้นเนี่ย ไปดูอะไรอย่างอื่นหรือแม้กระทั่งมาพยายามดูจิตดูใจตัวเองมันจะดูไม่ออกเพราะมันไหลไปแล้วแล้วมันมันจะเคยชินกับการตามใจตัวเองมันจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยฉันชอบของฉันอย่างเนี้ยแล้วมันห้ามใจตัวเองไม่อยู่ไม่รู้จะห้ามใจตัวเองไปทําไมมันจะมีอาการตามใจตัวเองร่าไปแต่ก่อนนอนนึกถึงพุโทโธใช่ปะนึกจนหลับค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าไม่ไม่น่าช่วยอะไรหนูได้เลยค มันก็ช่วยเหมือนกันนะอย่างน้อยมันไม่ฝันหวานตอนก่อนนอนไงนี่เห็นคือตอนตอนก่อนนอนเนี่ยคือเราจะคิดพุตโธพุตโธแต่มันคิดหนักไปเขานับลมหายใจอ่ะค่ะแต่ไม่มันหนักไปคือมันเหมือนมีอาการฝืนใช่ค่ะแล้วมันจะหลับไม่หลับไม่สนิทเพราะว่าหลับไปเพราะมาการพยายามพยายามมากเกินไป ส่วนในตอนที่ไม่พยายามก็ไม่พยายามเลยนะตอนเดินไปเนี่ยตอนเดินเราเรามีเวลาเดินค่อนข้างเยอะเดินไปโน่นไปนี่นะเราว่ามองชมนกชมไม้ไงเราต้อนงะสังเกตตาตาเรามองไปโน่นไปนี่นะแต่มันไม่เห็นคืออยู่กับความคิดมากกว่าเออมันมันอยู่กับความอารมณ์ฝันหวาน <c oughs> แบบฉันอยากจะเบิกบานฉันอยากจะเป็นนกน้อยอะไรแบบเนี้ยอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะแล้วมันเหมือนกับชีวิต เป็นอิสระเป็นอิสระทางอารมณ์นีด้วยอารมณ์ที่มันคุ้นเคยที่มันสั่งสมความเคยชินมาแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถที่จะอยู่กับอะไรได้แบบสบายสบายคือหมายถึงว่าอารมณ์สมาธิเนี่ยเวลาที่เราพยายามมาทำสมาธิเนี่ยมันจะไม่ใช่อารมณ์ที่สบายแต่มันต้องฝืนนี่ไง p o i n ของพี่คืออย่างนี้เพราะเราปล่อยให้เกิดความเคยชิน ในการปล่อยใจต อ, อนเดินไป น, นู้นมาหนี้ทีนี้พี่จะเปลี่ยนใหม่เวลาเราเดินไปเนี่ยเรารู้สึกถึงเท้ากระทบไปเพราะมันจะหวานแหววอะไรออกไปเนี่ยเรารู้ว่าเนี่ยเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่ปล่อยให้เกิดขึ้นทั้งชีวิตมันก็ย่ําอยู่กับที่แค่นี้แหละแต่ถ้าหากว่าเราเอามาฝึกใหม่เราดึงกลับมาอยู่ที่ความรู้สึกว่าเออนี่ตอนนี้กําลังกระทบกระทบกระทบ มันจะแวบไปกี่ร้อยกี่พันครั้งเราก็ดึงกลับมาเท่านั้นร้อยเท่านั้นพันครั้งในที่สุดเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราเดินเนี่ยมันเหมือนเดินเล่นเดินสบายๆนะแต่รู้เท้ากระทบแล้วไม่ปล่อยใจเนี่ยมันออกไปตามอำเภอใจสติของเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้น แล้วเวลาที่เรามาทําสมาธิเราจะรู้สึกว่าคารานี้ไม่ฝืนนะมันจะรู้สึกกลมกลืนแล้วก็เป็นไปเองเพราะจริงๆเนอะตอนที่เราทําสมาธิเนี่ยใจเรามันก็เหมือนกับพร้อมที่จะแน่วแน่นะโดยพื้นเน่ยพี่ว่าใจเรามันพร้อมที่จะแน่วแน่ไดงนี้ทํางานอะไรเนี่ยเป็นเซลค่ะแต่ก็ดีเป็นเซล์ที่ไม่ค่อยคิดจะเอาอะไรจากลูกค้าเท่าไหร่เนาะมัน ไม่รวยสักทีนะยอดก็ไม่มีครับจิตใจของเรามันไม่ค่อยโลภอยากจะเอาเป็นเงินเป็นทองมันพ่อมัวแต่ฝันหวานนะจะเอาจะเอาอะไรจากวิมานในอากาศมากกว่ามันก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากไปเบียดเบียนไงตอนนั้นมาเป็นเซลทำไมก็ไม่รู้เนาะคือ <laughs> <laughs> บางทีเราถูกเจ้านายบังคับให้โกหกแล้วเราฝืนใจอ่ะดูวการฝืนใจไปด้วยก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นอารมณ์มืดๆคือแม้แต่ฝืนใจมันก็มืดอยู่ดีเพียงแต่ว่ามันไม่บาปฝืนใจเนี่ยมันเป็นบุญแต่แต่ว่าใจมันก็มืดอยู่ดีนี่คือตัวอย่างนะว่าทําบุญบางอย่างบางทีจิตมันก็มืดได้เพราะว่ามันฝืนใจมันเหมือนกับขันแย้งกับตัวเองว่าล้วอย่างนี้มาเลยมันจะก้าวหน้า มาเป็นเซลทำไมเนะ้ะอะไรอย่างเงี้ยนะมั น, ม, นมันคือคิดไปได้เรื่อยเปื่อยก็อยู่จมอยู่กับอารมณ์พุ้งซ่านคราบสวัสดีพี่ตนค่ะ ก็เคยเข้ากรรมฐาน ม, มาประมาณ 3-4 สครั้งอะคะ่ะหลักในการปฏิบัติก็คือบริกรรมในสิ่งที่จิตไปรู้อารมณ์อะคะ่ะก็จะมีเดินจงกรมแล้วก็มีนั่งกรรมฐานก็อย่างเช่นว่าสมมติว่าพอเวลานั่งอยู่อะคะ่ะก็จะไปดูทองพองทอ ง, ทองยุบอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นพอได้ยินเสียงมากระทบจิตไปได้ยินเสียงก็กำหนดได้ยินหนอ เมืยอหนออย่างเงี้ยค่ะหลักมีการปฏิบัติเป็นอย่างนี้และผลที่ได้ก็บางครั้งก็จะฟุง้งบางครั้งก็จะง่วงค่ะแต่บางครั้งที่มีสติดีก็จะตัวเบานิวรมไม่เข้าแล้วก็เกิดปิติค่ะอยากทราบว่าหลักปฏิบัติในตอนนี้ถูกต้องไหมคะ ดูดูเป็นภาพทางใจของเราให้ออกก่อนนะค่ะใจเราเนี่ยเป็นคนฝ่ายดีใฝ่ดีมากก็เหมือนกับตั้งใจอะไรดีๆไว้เยอะในชีวิตเนี่ยตั้งใจดีๆไว้มากแต่มันมีแง่ ม, มุมตรงข้ามคืะว่าพื้นของเราเนี่ยบางทีมันมันพร้อมจะเกลี้ยวกล่ดเกลี้ยวกราอ ด, ดออกมาจากข้างในค่ะมาใจใช่ไหมอารมณ์เกลี้ยวกราด อารมณ์อลาวาดเนี่ยค่ะซึ่งมันสวนทางกับความตั้งใจดีๆอะไรเยอะแยะคือพูดง่ายๆว่าทุนเนี่ยเหมือนมีความตั้งใจไปในทางดีค่ะแต่มันยังแพ้ในอารมณ์เกลียวกลาดในหลายๆครั้งาอารมณ์ที่มันเหมือนกับตัวเองรู้สึกราวกับว่าที่ยังก็โดนผีสิงอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจใช่ไหมเวลาที่มันเข้ามาเนี่ยมันปุบ ป, ปับ แล้เปลี่ยนอารมณ์เราได้ฉับรันค่ะจากแบบนึงนร่างกายไปเปลี่ยนอีกแบบนึงบางทีที่เกิดโทสะอะค่ะก็จะแรงเพราะว่าระยะหลังบางทีงานยุ่งมากด้วยอะค่ะจะรู้สึกว่าเป็นคนบางทีลึกๆเนี่ยโมโหไปคือที่ให้เราสําเกตอย่า ง, งนะี้นะค่ะบางทีมันไม่ได้มาจากการโมโผลเนะี่ยแต่มันบางทีมันมาจากอัตโมติอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจคือ อ, อารมณ์แต่พบแค่นิดเดียวเนี่ยคือมันมันไหวแรงมาก มันเหมือนไปกระตุกเลืนโดนคล้ายๆโดนไฟชอ็อตอะไรทำๆ ท, ที่เรื่องไม่เป็นเรื่อง ค, คือแค่เรื่องเล็กๆหน่อยๆ น, นี่พอเรามองเห็นเป็นภาพเนะนี่หมว่าจิตอเราเนะี่ยมันไวมันมันพร้อมที่จะถูกไฟชอ็อตแล้วเกิดอาการกระตุกไม่รู้ตัวขึ้นมาอ่าวมีโดนีติงีดนอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นภาพอย่างนี้มันมีจุดสังเกต ที่ชัดเจนปัจจุบันเรื่อยๆตอนตอนที่มันอยู่ในอารมณ์ยาพาราบ้ามันเหมือนคลืนเรื่องงานคล้ายๆผีดิบอ่ะจะว่ามีสติก็ไม่ใช่แต่ว่าสติขาดหายไปสิ้นเชิงก็ไม่ใช่ตัวเนี้ถ้าเราสังเกตมันเรื่อยๆมันจะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดข้อสังเกตเมื่อจิตของเราเนี่ยตอนที่มันกำลัง เปลี่ยนแบบไม่สมเหตุสมผลหรือเปลี่ยนแบบปรับจับรันเนี่้าตามันเป็นยังไงแล้วจิตมันจะค่อยๆอ่อนโยนลงมาเพืออาการที่มันปรับไม่รู้เนื้อรู้ตัวนดิมันจะถูกเปลี่ยนสภาพมันมันยาวมันถูกถูกมันใช้งานให้กลายเป็นเครื่องพัฒนาสติของเับถ้าเราไม่สังเกตตรงนี้หรือไม่มีวิธีสังเกตที่ชัดเจนเราจะเข้าสู่เป็นจรแบบเดิม คือเหมือนว่าพอตั้งใจอะไรดีๆขึ้นมาดูเหมือนมีทุกอย่างดูเหมือนจิตใจอ่อนโยนดูเหมือนมีเมตตาดูเหมือนที่สงสารแต่พอถูกกระตุกถูกเข้มแข็งจึดหนึ่งขึ้นมาแล้วมันมันหล่นเนี่ยมันกลายเป็นคนที่ทันทีวงจรแบบเดิมของเราเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราสังเกตตามที่พี่บอกเอาตรงนี้เป็นหลักเลยแบบเหมือนกับ บนถนนหนทางก็ดีหรือว่าจะเป็นที่ทํางานหรือจะอะไรที่เหมือนกับทำให้เราไม่คาดฝันเนี่ยเรื่องคือสังเกตบรงนี้เลยเรื่องไม่คาดคมันจะทําให้เรากระตกเล้นมากที่สุดคืออะไรที่สมมติว่าไอ้คิดไอ้คนเนี้ยเขียนอยู่ว่าเร็วแน่ๆเราจะไม่ค่อยมีปฏิกิริยาเท่าไหร่ขยายไหมแต่ถ้าถ้าเจอกับไอ่คนเนี้ยมันไม่น่านะเราจม อย่างนี้แนบตรงนี้แน่ไม่สังเกตคือคืที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้สังเกตตรงนี้มันก็เลยไม่รู้จะแก้ยังไงอ่าแต่ถ้าหากว่าเราได้สุ่สังเกตหมว่าไอ้อะไรที่มันไม่คาดฝันทําให้เราไวได้เป็นพิเศษเราจะรู้สึกเข้ามาที่จิ่าวิสัยตอนี้ยมันลึ้นคึ้มแล้วนะเหมือนผีดิบแล้วนะจะมีสติก็ไม่ใช่จะไม่มีสติก็ไม่เช à, yeah. really, ิง พอเขียนบ่อยๆมันจะกระตุ้นให้เกิดการเขียนไวขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในทีกสุดไวเท่ากับอาการที่มันจะตอบสนองแต่ไอสิ่งที่ไม่คาดหังเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันไวไม่เท่ามันมันเข้าสู่ภาวะผีดิไปแล้วแต่ว่าพอบ่อยครั้งเข้าเป็นเป็นสิเป็นน้อยครั้งเนี่ยนะมันจะไวขึ้นไวขึ้นจนกระท่านจําได้ว่าไอภาวะคลื่นๆต่างๆเหมือนผีดิบเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง จนจนพอพอีกงมาแล้วว่าเสร็จก่อนตัวขึ้นมาเนี่ยมันเห็นขึ้นมาก่อนดังนั้นเราจะรู้สึกเล้ว่าอ๋อเข้าใจลนะที่ผ่านมาเราไม่ถึงแค่ตรง น, นี้เองเพราะเห็นจิตใจมันจะอ่อนโยนลงม า, ม า, ยมายอย่างเป็นธรรมชาติคือไม่ใช่แกล้อ่อนโยนที่ผ่านมาบางทีเนี่ยเราพอเกิดอาตรง น, นั้นเนี่ยบางครั้งตอนนี้มันยังมีสติมากเราจะคิด มันคล้ายๆย้่งว่าอะไรามพยายอย่างเงี้ยเออคล้ประมาณอย่างนั้นนะซึ่งมันไม่มันไม่เวิร์กจริงมันมันเหมือนท่องไปอย่างนั้นเองแต่อารมณ์มีความสุขที่จะให้อยายาจริงๆมันไม่เกิดแต่ถ้าหากว่าเราแค่สังเกตอย่างที่พี่ว่าเนี่ยอาการอารมณ์หีดิกเนี่ยนะฮะคือมันไม่ได้ฝืนมันไม่ได้ฝืนที่จะให้อยาไปแต่มันแค่รับรู้เฉยเฉยว่าเกิดอะไรขึ้น ตัวเท่รับรู้เฉยเฉก็เกิดใจขึ้นนแหละตัวนั้นแหละที่มันจะทําให้มันซอฟดุกจริงๆรพอซอฟลงแล้วมันจะรู้สึกว่าเออมีความสุข ท, ทันทีมีความสุขขึ้นมาแทนที่ ท, ทันทีนะเมื่อกี้อย่างที่เราฟังหลายๆคนเนี่ยตอนต้นเนี่ยมันก็เหมือนจับเราเราเก็ทอะไรไปเยอะพอสมควรนะคือผมเป็นคนที่มีอารมณ์สะคอนมากตัวนี้นคือมันฝึกอบรม ระหว่างกลางวันกับมืดระหวันดีกับไม่ดีอะไรเนี่ยคือนะรู้สึกว่าปกติอะคะ่ะจะเป็นคนไม่ค่อยคิดมากค่ะกลาคืนก็หลักไม่ฝันแต่ว่าถ้าเวลามีมีจุดประเด็นอะไรเนี่ยจะปรุงแต่งเองค่ ะ, ะรู้ว่าจะปรุงไปไกลและบางทีถ้าเราไม่มีสติอะคะ่ะมันก็จะเหมือนที่พี่บอกคือบางทีมันกึงก่งๆรู้นะว่าโกรธแล้วแต่บางทีเบรไม่อยู่ก็มันก็ไปอะคะ่ะมันอยากจะ แดงอาการอางใช่ไม่ใช่ค่ะใช่จะเป็นอย่างนั้นตรงตรงนี้นะคือว่าถ้าเรามองให้ออกถึงนาว่าจิตตรงนั้นบ่อยๆมันจะลงมาเป็นธรรมชาติคือพื้นเดิมของเราเนี่ยมันมันมีความแขกแย้มาค่อนข้งจะสูระหว่างข้างหนึ่งในข้างหนึ่งเนี่ยมันมันเมือนกกันจากตัวตนข้งนึ่งม่อ ตอนนี้ีครับรู้สึกที่มันเป็นไปในทางดีหรือความส้องหลังมันใช่ไหมมันมันมีกำลังมากแต่ว่าข้างในลึกๆเนี่ยมันก็อยากจะกลับมากลับมาเป็นตัวที่สามารถอ า, าวบาสามารถจะได้อะไรอย่างเงี้ยลองลองดูมันจะมีแรงดิ้นทีนี้ถ้าเรามองอย่างที่พี่ว่ามันจะเผลอลง ม, มาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ไดจ้ตื่นใจ ก็ขออีกคำถามหนึ่งนะคะค่ะก็คือปัญหาที่เจอเวลาปฏิบัตินะคะก็คือจะเป็นคนพอกันคืนนะคะเริ่มมเริ่มเงียบเนี่ยจะเป็นคนใจจะกลัวะคะ่ะไม่อยากเจริญสติอะคะทั้งๆใ น, น, นความกลัวเนี่ยความกลัวเนี่ยมันมาจากอารมณ์นี้แหนละอันเดียวกันนะความกลัวเนี่ยตามธรรมีบอกไว้ว่ามาจากมูลคือโทสะโทสะนีเน่เป็นตัวอันเดียวกันกนะับความกลัว ยังเป็นต้นรากของความกลัวเพราะอะไรเพราะความกลัวเนี่ยมันเหมือนกับีิดไงว่าเดี๋ยวจะมีอะไรมาทำร้ายเราหรือว่าเราจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้นมานะเกิดเหตการอะไรไม่ดีขึ้นมาและไออารมณ์แบบนั้นน่ยมันเป็นอารมณ์แบบต่อต้านทำลายซึ่งมันมันเป็นในทางเดียวกันแบบโทรศัพท์แล้วอย่งนีพอจะพอเราพเราฟ็อกซ์จากจากตรงที่ที่บอกได้มันตรงนี้ก็จะมีขึ้นด้วย ก็อยู่กันอของเราไมาเนเสื่อที่จริงการอะไรที่มันไม่พอใจไม่พอใจแบบไม่คาดหมาย ะ, ะี่กมันเกิดขึ้นบ่อนไงปกติเวลาทำงานหรือว่าเล่นเฟซบุกหรืออะไรนะคะดึกๆก็จะไม่เคยกลัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกอยากจะเจริญสติเนี่ยใจมันจะกลัวค่ะก็เลยเนะคะ่ะตรงเนี้ยที่ติดอยู่ค่ะกลัวจะที่ถึงบองเองมันมี ภาคเหนือของเราลึกๆเนี่ยอยากจะดึงตัวียนแับไปแบบไปซอนอยู่่ยค่ะเจริญสติแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นน้ามากกาเดินไปน่ะคนะค่ะขอบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นขั้นแรกที่มานะคะจากการชักชวนของลูกษาวแล้วก็เหมือนกับว่า ลูนนกสาวเห็วนว่าแม่ทําบุญทำทางแต่แม่ปฏิบัติไม่ค่อเป็นมันก็เลยแดะนำมาพบกัคุณดังตีนนะคะก็เผื่อคุณดังตีนจะมีคําแนะนํำดีๆให้กับแม่เพราแม่ทป็คนคี้ลึงมากวางของแป๊เดีย ว, ว, วก็ก็ลืมแล้วแล้วก็นอนบางครัง้นนงในสัปดาห์นึงนอนได้หลับสองครัง้งถึงแลนอนได้สติมันไมนตื่นเติสมองมันตืต่นตลอดแล้วก็ไม่ ไม่รู้ว่าจะควบคุมแบบไหนไม่อยากทานยาแล้วก็อีกอันนึงก็พยายามจะนั่งสมาธิแต่รู้สึกมันว้าวุ่นในสมองมันมีอะไรไม่รู้มันมันเหมือนเดินอยู่ตลอดก็ลูกก็เลยแนะนำมาให้มารับโอกาสที่ดีค่ะคือมันเป็นการสะสมมา มันทั้งยาวนะนะในตรงที่เอ่อมันมาถึงภาวะที่คล้ายๆครื่องกลางๆระหว่างแข็งค้างแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเลยคือบางบางทีมนเหมือนนี่ยสึกข้างใมันหยุดทางานเข้าใจไหมคือคือมันยังรู้ตัวอยู่นะแต่ว่าคล้ายๆมันมันแข็งค้างเข้าใจเราแข็ง้างไหมไม่เข้าใจ ยกตัวอย่างเช่นเหมือนเรากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่สมมุติตั้งใจจะแก้ปัญหาเสร็จ แ, แล้วมัน <c oughs> มันมันมันยังเหมือนกับตัวอาการภายนอกเนี่ยมันยังคิดอยู่แต่ข้างในไม่ทํางานแล้วหมายถึงข้างในไม่ได้คิดแล้วคือคือคมันไม่รู้ จ, จะคิดอะไรแล้วครับอย่างเงี้ยพอจะเข้นาใจเนี้ยถึงอาราณ์แบบเนี้ยคือคือคล้ายๆว่าภายนอกยังเหมือนเคลื่อหมหวได้อยู่แต่ข้างในเนี้ย มันมันเหมือนหยุดคิดไปแล้วแต่ที่ที่ว่าหลับไม่ได้เนี่ยมันเหมือนในสมองนี่มันมีแต่อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยตร ง, งนั้นตรงนั้นมันเหมือนเรากำลังคิดตแต่แจริงๆไม่ได้คิดออมามแลเปนแค่แค่อาการวิ่งวุ่นของคลื่นสมองแล้วก็เราหลับตาเนี่ยเราหลับตาแต่เรารู้สึกสว่างหมดเลยเราไม่ได้หลอองอยูหม้อมืดอะในขณะที่เรานอนหลับตาแต่ทุกอย่างเนี่ยสว่างหมดเลย องค์นี้ก็แล้วกันคืออยากให้ลองดูตรงนี้น ะ, ะเวลาที่เราหลับตาไปนั้วมีอะวิดวุ่นอยู่ในหัวเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ค, คือไม่รู้และ ว, ว่าเราคิดเรื่องอะไรมันมันควบคุมไม่ได้ละเข้าใจใช่ไหตรงตรงนี้น ะ, ะแต่ที่มันสว่างขึ้นมามนเป็นเรื่องของจิต มันเป็นมันเป็นเรื่องของอาการทางใจที่มันไม่ได้ไปหมอกมุ่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกมาตอนแรกเนี่ยราไปชอบทำบุญถ้าบุญเนี่ยยิ่งทำมากมันก็ยิ่งสะสมความสว่างเข้ามามากพอใจเราอยู่ในภาวะที่พร้อมจะปล่อยจากอารมณ์แบบปกติในชีวิตประจำวันข้าสู่การหลับนอนเนี่ย มันก็สว่างขึ้นมาได้เป็นปกติเป็นธรรมชาติของบุญที่เขาแาสดงตัวให้เห็นะว่าเราสมมตว่าเราลืมตาอยาู่เลยย่งเงีนะ้ยแต่ว่าแต่ว่าความคิดเนี่ยที่มันวิ่งวุ่นูไม่หยุดเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่ามันมันเป็นความสวา่างแบบไม่สงบจริงนะนี่เวลาที่เราดูคืออย่าไปให้ความสําคัญแต่ อาการที่มันวิ่งวุ่นอยู่หรืออย่าไปให้ความสําคัญกับอาการตาแข็งค้างเพราะถ้าเราเมื่อไหร่เราให้ความสําคัญกับความคิดหรือเมื่อไหร่เราให้ความสําคัญกับอาการตาแข็งค้างเนี่ยมันจะไปเกาะ อ, อยู่ตรงนั้นจิตมันจะไปก่อนอยู่ตรงนั้นนี่ถ้าเรามีความรู้สึกถึงความสว่างที่มันออกมาจากตรงกลางได้ให้ให้สนใจให้ใส่ใจอยู่ที่ตรงนั้นเข้าใจพลอยไหม ก็ยังไ่ค่อยเข้าใจดีนะคืออย่า ง, อ ย, างอย่างเมื่อกี้ที่คุณเล่าเนี่ยคือว่ารู้สึกปวดแต่บางคิดไม่ยมไหย<ช>ุดถูกต้องไหมใช่ใช่แปลว่าเรารับรู้ทั้งสองภาวะถูกต้องไหมค่ะทีนี้การเลือกถ้าไม่รู้ตัวนะมันจะเลือกไปอยู่ในส่วนที่เป็นทุกข์คือธรรมชาติของคนเนี่ยมันจะจับความทุกข์มากกว่าความสุข และมันจะเลือกที่จะเป็นปับใจโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเลือกที่ ป, ปักใจกับความทุกข์มากกว่าความสุขถ้าพวกนี้โอเคนะเช่นกันตัว่าเรารู้ว่ามันสว่างแล้วก็ตาแข็งด้วยมีความคิดวิ่วุ่นด้วยซึ่งความคิดควิด่วุ่นนั้นน่งมันอาจจะเป็นต้นเอก ต, ต้นต่อของอาการตาแข็งก็ได้ถ้าหากว่าเราสนใจหรือใส่ใจแม้แต่นิดเดียวรู้สึกถึงอาการตาแข็งแล้วเราไปอยู่กับมัน จิตมันถูกยืดไปโดยไม่รู้ตัวทันทีคือถึงแม้ว่าจะยังสว่างอยู่แต่โดยอาการของใจเนี่ยมันไป ม, นมันถูกจับกลุมแล้วเรื่ออาการตาแข็งเ <c oughs> ข้าใจกอยนะพ <c oughs> อพอข้าใจทำมาเข้าใจอย่างนี้ก็ <c oughs> ให้สังเกตต่อว่าถ้าหากเรามาอยู่กับความสวาม่างคือมาใส่ใจความสว่างให้ความรู้สึกเกี่ยวกับตาแข็งหรือว่าอาการวิุ๊่นเนี่ย มันจะค่อยๆจางไปหรือถ้ามันกลับมาใหม่แล้วเราบอกไม่เอาไม่สนใจตรงนั้นมาสนใจความสว่างที่ตรงกลางมันในที่สุดเนี่ยมันจะเหมือนกับใจเน่อยู่กับความสว่างแล้วเป็นอาการตื่นแบบที่มันทางานจิตมันทำงานอีกแบบหนึ่งคือทำงานในแบบที่มีติรู้ถึงความสว่างเพราะเราตั้งใจมาที่ตรงนี้ คาวนี้มันจะไม่ใช่ฟรีสอยด์ เ, ยเฉยๆที่ใช้คำว่าฟลีสคอเนี่ยเนี่ยเอามาจากคำวมาตาแข็งนะที่ตาแข็งเนะี่ยส่วนใหญ่้าเอ็นเพราะมันไปเกาะ อ, อยู่ที่ความคิดความคิดที่มันมันวิ่งวุ่นอยู่ เ, ยเฉยๆเป็นคลื่นสมองแล้วเราลึกว่าเราคิดมันจะยากนิดนึงแต่ถ้ามีประสบการณ์โดยตรงเนี่ยจะรู้ว่าผมพูดถึงอะไรออก็ในลักษณะนี้ คือทางเรียกว่าแม่ได้ะแม่แม่ใช้วิธีแก้เนกันที่แบบก็คือตื่นมาเลยแล้วก็หาอะไรทํำเนี้ยซึ่งมันเป็นทางที่มันก็ทําที่ได้เหมือนกันแทนที่จะปล่อยให้มันรู้สึกทรามานเนี่ยอาการบาดแผล uh huh. แต่ถ้าหากว่าเรามาจับอยู่ความสว่างคือเมันใส่ใจอยู่ความสวามันจะได้ประโยชนต์ตรงที่ว่าเราแก้ที่อา ก, การคือแทนที่จะปล่อยให้จิตมันไปเกาะอยู่กับความแข็งค้ง เราเอามาอยู่ในส่วนที่มันเป็นกุศลแล้สามารถทําให้จิตเนี่ยพัฒนาต่อเป็นสมาธิได้จะดีกว่าเพราะความตวันเนี่ยคือต้นขาของสมาธิพระตะวันคือต้นขาของอารมณ์จิตที่มันเป็นกุศลมันดีอยู่แล้วอปล่อยไปมันก็ใ้ได้ใช้ได้กับก็จริงๆตัวนี้ก็จะมาเริ่มคำถามในการว่าจะทํายังไงในการที่จะนั่งสมาธิเนี่นะคะแต่รู้สึกจากน้องๆลูกๆที่เขาถามตอนๆแล้ว โดยมีดังทีก็ยังแนะนำแลาวตอบเข้าเข้ามาทางไดคราวนี้นั่นคือเบื้อตนของที่แม่ได้รับรู้มีอะไรที่อยากแนะนําให้แม่ไปปฏิบัติไหมคะที่เพื่อจะเพราะว่าเนาะเอาตรงนี้ก็แล้วกันเพราะมันเกิดขึ้นบ่อนะฮะเออตรงที่ว่าเราใจสบายเนี่ยเราจักที่ตรงนี้อย่าไปจับที่ต่างแข้งเนี่ยถ้าไอติมันมาผมพูดอะไรไปเนี่ยคือมันมันอยู่ในใจเราอย่แล้ว เรสารมารถตอบคำถาลนะได้อยู่แลยนะได้ค่ะก็ขอบมากคุณค่ ะ, อคคะเอเเอก็เพิ่งจะติดตามงานอาจารย์ไม่นานทั้งที่ได้ยินชื่อเสียงมานานเลยเออก็พอดีติดต่อกันยอดแล้วเขาก็ชวนมาที่เดียรวันนี้ มีสองสามคำถาม น, นะอาจารย์คือก็ค่อยๆเรียนรู้เราฝึปฏิบัติมาเรื่อยๆนะะได้พบหลายๆครูบาอาจารย์ที่ช่วยชี้อะไรบางอย่างในตัวเราทำให้คลี่คลายปมปัญหาลึกมาเรื่อยๆ อ, อ, อช่วงหลังเนี่ยก็เรียนตรงๆว่าอาจจะทำงานเยอะเกินไป ก็เจอปัญหารุนแรงหนักเยอะตอนนี้คือของแม่ชีนะครับคือมันมันมีดูสองมารมสองปื้วอารมณคะคือบางครั้งก็มีความรู้สึกเป็นสุขชีวิตที่เป็นอยู่ค่ะแต่บางครั้งก็รู้สึกทุกข์มากเราแบว่ายังเป็นคนธรรมดาคะที่ถูกกดดันหรือว่ามีอะไรที่แต่โด้วยความไม่น่าพอใจเนี่ยรุมเราเข้ามา เวลาที่เรามีความสุขมากมันเหมือนกับพร้อมที่เดินตรโยนลมมันพร้อมแั่จะนั่งสมาธิแต่ถ้าเมื่อไหรรู้สึกว่าความทุกข์มันดุมแล้วมันจะมีความรู้สึกในอย่างเหมือนกับไม่แตกต่างจากตอนที่เป็นพลวาค่ัตมันเป็นคนธรรมดาคมันมันสุดลงของขั้วเลยนะจากสภาพหนึ่งที่เราเห็นภายในเนี่ยเมัน มันมีการพัฒนาในจิตอินญาเรารู้สึกว่าจิตอินญาเรา ส, ดสมดุขึ้นเรารู้สึกว่าเออมันมีความาวสะอาดมากขึ้นมีความรู้สึกเป็นสุขมากขึ้นความสุขที่แบบตกต่างจากเมืเ่อครั้งเรียนสารวัตตรงนั้นถ้าเรนาพนะิจารณานะจะพิจารณาเนภาพรวมนัม่นคือว่าความสุขกับความทุกข์ที่มันมากผิดปกติคำ ว, ว, ว่ามากผิดปกติหมายความว่ามากเกินกว่าตอนที่เป็นสารว่า ต, ตอนที่มันมีความทุกข์ได้เท่ากับตอนเจนเนอว่าได้เท่ากับคนที่ถูกกนกันธรรมดาคนหนึ่งมันมาเพื่อบอกเราจริงๆมันมาแสดงให้เราเห็นว่าชีวิตที่มันกำลังเป็นอยู่ที่เรียกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีสุดต่งทั้งความสุขและความทุกข์สลับให้เราเห็นอย่างชัดเจนแต่คุณแมชีคืออาจจะเหมือนกันพอมีความสูงมากเนี่ย เราจะมีความคิดว่าเราพร้อมจะทำสมาธิเราพร้อมจเดินโยมลมเข้าใจั้มเข้าใจพรอยเนะีหยคือไม่ได้เปรียบเทียบ ว, ว่าโดยตอนที่มันมีความสุขเนี่ยมันเป็นภาวะแบบหนึ่งสุดตรงไปนในทางดี <c oughs> แล้วก็ตอนที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันสุดตรงไปนในทางไม่ดี <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบกันอย่างนี้ไอความรู้สึกตอนเป็นทุกข์เนี่ยมันจะไม่ทุกข์มากเท่ากัน <c oughs> ถ้าอะไรนะคะถ้า ถ้าเปรียบเทียบว่าสุขตรง the ของความสุขกับสุขตรงของความทุกข์เนี่ยมันรลักหน้ามาให้เราดูเราจะรู้สึกว่าความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ได้น่ารังเกียจมันมาโดยความเป็นของเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันรลักหน้ากันมาไม่งั้นเนี่ยโดยอาการของใจโดยธรรมชาติเนี่ยโดยสัญชาตญาณเวลามีความสุขเราจะยึดความสุขว่าตรงเนี้ดีแล้ว นะมันจะกลายเป็นเพราะอ้างว่าเราพร้อมจะทํำสมาธิเราพร้อมจะปฏิบัติธรรมตอเมื่อมีความสุขมากพอ <c oughs> แต่ตอนมีความทุกข์เนี่ยจะรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรเลย p <c oughs> อ i n t มันอยู่ที่ตรงนี้นะถ้าเราเห็นโดยความเป็นภาพรวมนะว่าชีวิตมีทั้งสุขทั้งทุกข์ <c oughs> มันจะมีกําลังใจมากขึ้นเพราะนี่เข้ามาให้เขียนชัดๆเลยแล้วของแม่ชีเนี่ย คือมาเห็นอย่างชัดเจนด้ยนะเวลาสุขทุกขมากใช่รู้สึกเราก็บอกว่าเราปล่อยวางได้เราไม่มีอะไรยึดมั่นถึงนั่นแต่ตอนเป็นทุกข์เนี่ยทุกอย่างยึดหมดเลยแล้วก็ลองสังเกตด้วยว่าเวลาที่มีความทุกข์มีอารมเป็นทุกข์นี่นะความคิดไม่ดีเนี่ยมันกลับมาหมดเลยมันกลับมาได้หมดเลยทําดาอะไรที่มันทุกอย่างมันมาอยู่ในหัวเราได้หมดใช่นี่ถ้ามองว่าจิตที่เป็นสุขกับจิตที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เรา แต่เห็นเป็นภาวะสุขเขามาสแสดงตัวว่ามันสะวะ่างทุกข์เขามาสแสดงตัวว่ามันมืด อ, อย่างนี้มันจะรู้สึกยินดีต้อนรับความทุกข์มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันอยู่มันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติได้เช่นกันแต่เดิมมันไม่ได้เข้าใจไหมแต่เดิมเนี่ยพอทุกข์แล้วมันจะมีข้ออ้างดันอีว่านี่ไม่ใช่เวลา ที่พอเราเห็นภาพรวมชัดเจนอย่างนี้ไว้มันจะมีอะไรละเอียดขั้นต่อไปยกตัวอย่างเช่นเวลามีความสุขมีความสุขลดเอขึ้นมาอย่างไะเราจะสังเกตเอรเนี่ยหายใจหายใจเข้าตอนเนี้หายใจออกตอนนี้ยมีความสุขมากขนาดนี้หายใจต่อมามันยังสุขเท่าเดิมหรืป่าความสุขเนี่ยมันมันมันผันผวนไม่เห็นได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่กล่อุมจิตใจ มันเป็นเหมือนสายลงเย็นที่ผ่านมาแล้วเราปรารถนาที่มันจะจะให้มันเข้ามาเรื่อยๆนี่การที่เราเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องเก็บลมหายใจนี่มันสุกต้นเอิร์ดนะที่ก็หายใจนึงให้ความต้นเอิร์ดแล้วมันอาจจะแผ่วลงมาหรือว่าอีกสี่ลมหายใจต่อไปมันไม่มีความสุขอีกแล้วมันจะได้เห็นความไม่เที่ยมของความสุขฉันได้ฉันนั้นเวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาผมไม่ขีนเลยนะ ม, มันมันมักจะมาประกอบกับการชิดมากคือเราจะเคลื่อนไหวเราจะกวาดลานวัดเราจะอะไรไปมันจะคิดคิดคิดแล้วก็ เ, เหมือนเหมือนกับคนนอนแอรอารมณ์เหมือนกับคนนอนแอรใน ต, ตรงนั้นเราก็สังเกตว่ขาขณะที่หายใจเข้าอยู่ขนาะที่หายใจออกอยู่อารมณ์อ่อนแออารมณ์ที่แบบคิดไม่ดีเนี่ยมันพรุนพลาดแค่ไหน ลมหายใจต่อมามันพุ่งข้างน้อยลงไหมหรือว่ามากขึ้นอีกคือแค่สังเกตไปตามจริตแล้วยอมรับให้หมดเพราะว่าในการที่จะยอมรับมันต้องมีจุดสังเกตที่ชัดเจนคือยอมรับว่ามันมากขึ้นหรือว่าน้อยลงหรือว่าเท่าเดิมยอารับให้หมดที่ตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าทุกเมื่อไหรได้ปฏิบัติเมื่อนั้นแต่ต่างจากเมื่อก่อนที่ว่าทุกเมื่อไหร่เราติดการปฏิบัติเมื่อนั้น คุณค่ะ รู้ปรอเรศที่เกิดขึ้นกับตัวเองทุกๆขณะทิ่ทุกครั้งเรียนขับรถอยู่ัอน ร, รู้สึกโอ้รู้นันทีนใ่้คือโกรธกจเรรู้อยางนั้นแล้วก็ตอนนี้การฝึกวิธีการภาวานาที่จะล่ายทํางานงเราในตัวปีะเรศแต่และตัวแต่ผมไม่ทราบไม่แน่แต่ว่าเอาเนี้เอาเนี้คือเอาอยิงใมตนเป้านะเคยรู้สึกสงสารตัวเองไ ไม่มีสภาวะไม่ได้มีสภาวะสนใจตัว เ, เองเป็นสภาวะที่มีความรู้สึกว่าถ้าถ้าถึงจุดที่ตัวเองแบบคุณไปแล้วสลายไปแล้วถ้าที่ทางออกแต่เวลาหาทางออกไม่ได้เนี้ยจะรู้สึกจมอยู่กับความเศร้าแทนถ้าอย่างนี้พอเข้าใจได้ไหม ต่างโอเคเอาเอาตรงนั้นอีกว่าเพอมันเหมือนกับของเราถ้าติดอยู่อะไรนะเนี่ยมันมันจะจบอยู่อารมณ์เศราเป็นคือบางทีมันไม่ได้ทศามากเศร้าหม่นะแต่ว่ามันจะเมีอารมณม่นหม่นแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยเข้าใจพอยนะเวลาดูเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเวลาขับรถไปบางทีมันเหมือน มีอะไรของขึ้นมาแล้วมันจะติดอยู่ตรงนั้นพระใจนะับพะใจว่าพรงค์แบบไหนนะแต่แล้วมันจะเหมือนกับเรารับรู้อะไรบนถนนทุกอย่างนะแต่ตรงเนี้ยมันไม่หายไปมันเหมือนกับยังยคล้ายๆมีอะไรครอบอยู่ดูตัวเนี้ยดูตัวที่มันลักษณะที่มันครอบอยู่ไม่เป็นไหนเข็นให้เหมือนกับมีบวก ใสใสอะไรแไฟเนี่ยที่มันขุ่นๆเดี๋ยวมันก็ขุ่นเดี๋ยวมันก็ใส่เน่รู้สึกเเหมือนกบมืนจะมีน้ำหนักคล้ายๆกับหัวกันน้องอ่ะที่ครอดองู่นหัวแล้วพอรู้สึกถึงอะไรที่มันมวลที่มันคล่องๆอยู่ได้แป๊บนึงมันจะมันจะใสขึ้นเพราะจิงมันออมจะใสอยู่ครับ แต่ว่าที่ความได้จริงที่ผ่านมามันมืนปล่อยปล่อยให้อะไรที่มันบุ่นข่นมันครอบอยู่ตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ถ้าดูตัวนี้มันก็จะรู้ตัวอื่นได้ด้วยไอ้ตัวยาค้าหรือว่าโทรศัพท์บางทีมันมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดมันไม่ได้มันเกิดขึ้นแค่ตามธรรมชาติธรรมดาทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติ ฉนั้นถ้าไปดูตรงนั้นมันก็เหมือนอาจจะนานๆได้ดูทีแต่ถ้าดูตัวเนี้ยที่มันมีอะไรครอบงำให้มันฉับติดเกน่อยเนี่ยมักจะเกิดขึ้นตอนที่เหมือนกันจะทำกิจกรรมที่มันเป็นออโต้ไพลอตเนี่ยจะอ่านนะจะขับรถจะอะไรที่มันไม่ต้องใช้ความคิดมากมันจะ เห็นพอเห็นมันขดขูดนได้มันก็จะใสขึ้นได้แล้วว่าใสาขึ้นแป๊บนึงเดี๋ยวมั น, นกลับมาุูงใหม่ดูสลับไปสลับมาห็นตอนนั่งสมาธินั่งสมาธิบ้างนเดินเดินยังกลมหม่ไม่ได้ตไม่ตัันคือการที่จะ เอาติดพาน์ที่ถือเนี่ยมันต้องมีอารมณ์ตั้งบแบบนี้เป็นหนึงต้องเป็นอารมณ์ที่มีความมีความใสมีความสวา่างแล้วก็มีความสามารถในการเรียนรู้นะซึ่งอันแรกที่จะต้องจาให้ได้ก็คื อ, อว่าตอนมีอะไรขุนขเหมือนครอบครัวเนี่ยเราเราเห็นหได้ว่าเป็นสภาวะที่ไม่เทีย่ยมคือพอมันขุนได้นก็ใสได้ ไม่ใช่แห้ครอม ง, งามอะอยู่หลัจากนั้นเนี่ยอารมณ์ทางใจมันต้องไม่คิดคิดคิดไปด้วยมันต้องมีลักษณะมาตั้งมัน่นตั้งมั่นเพื่อที่จะต้อมรู้เห็นอะไรตามจิเห็นมีความของเส้นของวาที่จะเห็นอย่างต่อนเนื่องอย่างน้อยที่สุดเนี่ยรู้ได้ว่าลมหายใจเข้านะั้นออกลมหายใจยาวเดี๋ยวมันก็สั้นถ้าหากว่ายังไม่สามารถรู้อะไรได้เป็น ขณะว่าไอ้นี่เกิดขึ้นนนี่ดับไปตรงนี้เนี่ยจิตมันจะไม่ยอมถอนจากอุปทานมันจะยึดอยู่รับไปว่าตัางไปยมันเรจิตใจมันเราอารมณ์ของเร า, า, เรานณปัจจุบันใช้วิธีรับรู้ว่าการมีการกะะกา เ, เกิกกขดกขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทุกขณะจิตเวลาเกิดโทรศัพ์ปุ๊บก็จะมองที่โทรศัทว่าขณะนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแล้วก็มองรูว่ามันดับไป เพราะฉะนั้นตัวสติที่จับอยู่ก็จะหายไปเหมือนกันก็จะไปอยู่ในสภาวะปกติที่ที่คุณจิงบอกก็คืออาจจะเป็นลักษะอ่าหรือสว่างว่าเดี๋ยวก็มืดๆขุ้นๆตรจุดนั้นเลยมองว่าเป็นเพราะตัวเองจิมจิมทำให้คล้ายๆว่าตัวตัวตัวมหาตัวตัวมมหาเนี่ยมันเคาะมา ลองลองทำสมาทิลองเดินจงกรมนะองลองดูว่ามันจะดีทึ่ไหนครับอาจครับเร่ออาหารอาการยครับก็เนี่ยครับด้วยระบบงเี่ใส่สมัยก่อนเจะเป็นพวกคิดมากอรอย่าง้ันก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรื่องก็ได้นกาให้มาลปฏิบัติ เรเริ่มได้อ่านนสือบ้างแล้ก็ได้ฟังฟังสิ่งที่เพื่อไในขนงานทำอย่างนี้ครับมาททำให้ใหใหทัศนคติการใช้ชีวิตเราเป็ีเไปเมื่อก่อนอาจจะมองอโลกนี้แาบนี้อ่าเริ่มชิ่ทใหม่เราทุกอย่างทำมาด้อทธรรมชาติแล้วก็ตั้งหลุดแบบใหม่มันจะทำให้เราอ่า มันก็วางไปได้ระดับหนึ่งนะฮแต่ความคุ้มร้างมันยังอยู่ถ้ามันยังคิดแบบวอกวนอยู่มันมันยังคิดไปคิดมาคิดโนคิดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งทั้ที่ใจเนี่ยมันเหมือนแบบคลายออกไปได้เยอะแลรู้สึกเหมือนกับว่าจะปล่อยวางได้แต่ความคิดเนี่ยมันยังวอกวนมันยังมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่เต็มหัวนะไอ้ตรงนี้ก็เอ่อมันจะไม่หายไปไหนนะฮะเวลาเราไม่แก้ที่ต้นเหตุ คือต้องหาไอ้สิ่งที่ใจมันมีความพอนะพอที่จะอยู่พอที่จะหยุดไม่งั้นแอมมันจะไม่พอมันจะมันจะวุ่นไปวุ่นมาเหมือนนิสัยความเพชินทงใจคุ้ากับนะแบบหมดนะเรับอตรงส่วนที้เรื่องที่ความพอเ น, เนี้ยครับ เราต้องเนี nicht, tweeted, ่ยอย่างที này, ああ่ผมบอกนะก็คือก็คือเราเอาสมาธิเข้ามาช่วยบ้างอย่างที่เราฝึกันไปในช่วงต้นเนี่ยอาณาปานสติเนี่ยยังตอนที่ทำเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าความคิดมันก็ยังวุ่นไปวุ่นมาอยู่นั่นแหละมันมันไม่ได้สงบลงจริงๆแต่นี้ที่มันยังไม่สงบก็เพราะว่ายังฝึกไม่บอลพอที่ถ้าฝึกหลายคั้งเก้า ในตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดความพอใจมันจะเกิดฉันทะมากขึ้นมากขึ้นหอยของคุณมันอยู่ที่ตรงนี้ของคุณไม่อยู่คิดเพราะว่ามันหาความพอใจให้ใจ่ายไม่ได้จิตเนี่ยมันเหมือนไม่พอใจเข้าใจป่ะมันมันเหมือนจะยกตัวอย่างง่ายๆอยาจะคิดเปในเชือเรื่องแบบโลกโลกบางทีเราก็เกิดอาการมันเริ่มเกิดอาการต่อต้านไม่อยากเพิ่มเติมเลยมากเดี๋ยวมันจะหลงไป เดี๋ยวมันจะติดกิเลสไปแต่ครั้นจะมาไปอยู่ไปอยู่เขาก็กลวมันจะเงียบไปนันขะัดแย้งเพราะว่ายังหาจุดลงตัวไม่ได้ว่าจะให้ใจจะให้ใจิตเนี่ยมันไปปักอยู่ที่ตรงไหนใจพลอยนะที่การที่เราเริ่มฝึกอนาปานสาาติเก็พเพื่อที่จะให้เป็นแบบที่พระพุทธเจ้าท่านบอกคือว่าให้ใจิตมีเครื่องอยู่มีวิหารธรรม คุยง่ายเป็นดาวบอกให้เราให้จิตเนี่ยมันได้ตั้งตัวนี่แคมันมันไปเรื่อยแล้วถ้ากลับใจเรายังไม่เิดคแขว่าจะต้องทําสมาธิไปยังไงเราก็จะเป็นไขฟ้าอุบายอุบายทำมันมันมันไม่จจริงเพราะมันไม่ใช่ความจริงที่เกิดขึ้นติดตัวมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นชั่วคราวทาพู้ที่ทำให้เราคลาได้จริงแต่ว่าไม่ทําให้เรา อยู่กับมันได้จริงๆ ค, คิดว่าคนสุดท้ายนะที่นะั้นโอเคก็เอาเอาัาานเย้จริงๆแล้วมันปิดปี่คิดเป็นนิดนึงละนะก็อาจจะเดี๋ยวผมต้องปรับปฏิการิยาใหม่แต่โอเคนะก็คิดว่าสำหรับวันนี้ คงน่าจะคนที่ตั้งใจว่าจะตามหรือไม่ตั้งใจก็จะตามก็ตามน่าจะได้ไม่พอควรก็ขอบคุณมากนะ